เวลาสิเนจรเวลาสิเนการนมัสการเขาอาจารย์มาอันมาก่อนใครเลยเหรคะันนี้อันนี้มาอันดับแรกเลยว่าอันดับแรกเลยเหรอคะสําหรับผู้ที่ผู้เข้ามาเป็นเป็นทีมงานไมาในมาช่วยงานค่ะจริงจริงเลยยมตั้งใจมาฟังค่ะท่าน ค่ะจริงๆยังไม่มีคําถามค่ะคือเมื่อวานก็อัปเดตท่านพายสารไปแล้วว่าโยมก็เพิ่มความเพียรขึ้นค่ะจากวันละสามเป็นวันละสี่วันละห้าส่วนใหญ่จะได้วันละห้าแต่ก็เอาเต็มที่เหมือนกันทั้งทั้งโลกทั้งธรรมพอวันอังคารมามันชัเริ่มแถวอะค่ะท่านเริ่มหมดแรงเหมือนกันเริ่มเหนื่อยค่ะเออทํำท่าที่ทําได้อย่าไปทำเกินกำลังว่าเดี๋ยวมันจะท้อได้ค่ะ คืต้องทางสายกลามเหมือนเหมือนสายไวโอลินนี่ถ้าขึงมันตึงกันไปก็ขายถ้าหย่อนก็ฟังไม่รู้เรื่องเล่นไม่รู้เรื่องเนี่ต้องให้มันทอดีกับกําลังของเราน้อยไปก็ไม่ก้าวนะมากไปก็ไปไม่ไหวก็เอาดูดูกําลังของเรามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยแต่ละวันแต่ละเวลาบางวันก็ กำลังดีบางวันก็กำลังไม่ดีเพราะมันอยู่ที่เหตุการณ์รอบด้านด้วยชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ทําให้จิตเราบางทีวุ่นมากมันไหนไม่เกี่ยวข้องมากมันก็ไม่วุ่นอย่างก็สติของเราเราคอยดูแลรักษาดีหรือเปล่านั้นเป็นส่วนที่จะทําให้การปฏิบัติของเราในแต่ละวันี้ไม่เหมือนกัน ันอย่าไปอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาเพราะวันนี้ดีก็นทำไมวันนี้ไม่ดีเลยวันนี้เป็นยังไงก็ต้องสู้กับมันไปดูมันไปใช้สติเป็นหลักมันดีไม่ดีกูก็พูดโท้พดโทไปก่อนแล้วกันหยุดคิดไปก่อนยิ่งคิดยิ่งฟุ้งเดี๋ยวก็ยิ่งเครียดใจ อยงเช้านี้ยคะ่ะท่านพระอาจารย์ยมต้องยอมแพ้คะ่ะเพราะว่าโยมผิดพลาดอันดับหนึ่งก็คือไปเปิดอีเมลของที่ทำงานอ่านก่อนที่จะไปภาวนาค่ะตอพอไปถึงเวลาจริงๆวางไม่ได้คะ่ะไปภาวนาพอมันเรื่องเข้ามาในจิตใจแล้วมันมันผูกพันอย่างนี้ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วยิ่งคนเขียนเป็นดีเรกเตอร์ยมก็เลยโอเคยมแพ้ก่อนเอาเครึ่งชั่วโมงเท่าที่ได้มาจัดการอันนี้ให้เสร็จแล้วค่อยหาเวลาไปทําเพิ่มทีหลังอย่างเงี้ยคะ่ะ บางที่จําเป็นก็ต้องทําอย่างนั้นชีวิตเรายังต้องทำงานอยู่เนปะ็นการไปบวดเนี่ยมันดีมันไม่ต้องมันมียุ่งกับใครเลยอยู่ในตัวเราคนเดียวใช่ค่ะท่านยมเริ่มคิดแล้วค่ะจริงๆก็คิดมาต้องงานแต่ว่ามองดูสถานการณ์เราอาจจะอาจจะยังอีกนานนะคะลูกยมยังวัยรุ่นอยู่เลยแล้วก็พ่อบ้านคงจะไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยนะค ะ, คะท่านก็มีไปกังวลการอนาคตทําในปัจจุบันเราให้ดีที่สุดก็แล้วกัน เราไม่มีใครรู้แน้่ว่าอะไจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้แล้วโควิดปีนี้มาเรายังไม่ร่ว่ามันมากกันเวลามันจะมามันก็มาบางที่วางแผนดีถ้าเป็นแทบตายล้มหมดเลยได้ค่ะงานของยมล้มเยอะเลยค่ะยมตัดกัแบบพวกซัมเมอร์สคูลอะไรอย่างเนี้ยะคะ่ะแลาวมหาลัยก็ตัดเลยแบบอะไรที่มีคนมาร่วมงานได้เยอะค่ะการก็วางวางแผนได้แต่อย่าไปยึดมากเกินไปอย่าไปกังวลมากเกินไป ย, ยมนึกออกแล้วค่ ะ, ะยมได้คําเชิญเข้าร่วมแชททางทางทางไลน์อะคะอ่ะของท่านผู้จาร์แต่ว่าโยมพยายามคลิกเข้าไปหลายครั้งมันบอกว่าใช่ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้ไไดสําหรับทางยุโรปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมีเซตติ้งอะไรยมก็เลยเข้าไป update. อัปเดตไลน์เวอร์ชันล่าสุดมันก็ยังใช้ไม่ได้คะ่ะมันบอกว่าทางยุโรปเนี่ย เ <N> นี่ยค่ะ อ, อรโรคยาปรมาลาพาเนี่ยค่ะท่านยมอัปเดตทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะ เ, ออเดี๋ยวใครช่วยแจ้งพระบอไม่ชราบเลยว่าทางยมไม่ทราบ<ก>ว่ามีเซตติ้งอะไรของทางทางทีม ง, งานหรือเปล่าที่มันไม่รีลิสทางนี้ค่ะยมรีลิสทุกเซตติ้งที่ยมมีแล้วค่ะท่านมีใครมีใครรับไลนของพระบอขอขอพระช่วยด้วยเป็นโอเปนแชทหรือเปล่าฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นโอเปนแชท เด็ดเด็ดเด๋็ดลองลองถามพระบอมเรื่องทางยุโรปดูนะฮะครับค่ะขอบขอบคุณค่ะท่านอาจารย์คะยมยมยมื่วันี้มีอะไรก็แเข้ามาอ่ามีอะไรก็แจ้งเามาได้เราปรับปรุงแก้ไขคือแบบตั้งใจจะอ่านแต่ว่าคลิกเข้าไปแล้วมันแบบไม่ได้ทุกทีเลยอะค่ะท่านดูอะไรไม่ได้เลยยังไงดูดูอะไรไม่ได้เลยค่ะมันบอกว่ามันไม่ซับพอร์ตของของของทางแบบ ทางยุโรปไปอะไรเงี้ยได้อาจจะไม่แพร่หลายทางยุโรปไมได้ทางยุโรปใช่ค่ะเขาใช้ WhatsApp กันค่ะที่นี่ค่ะก็อาจจะใช้ไม่ได้อนี้ก็ไม่เป็นไรใช้ Facebook แทนก็ได้เข้ามาดูทาง Facebook แต่มันเรียกเงินเดิมเซฟไว้ก็ได้ทุกครั้เนี่ยเวลาจะเข้าภาษาอังกฤษและภาษาไทยก็เรียกเอันเดิมเนี่ยแต่เราต้องรู้ว่นวันไหนไปวันไหนอย่างเมื่อวันนี้ถ้าจะเข้าไปพูดภาษาไทยก็ห้ามพูดภาษาไทย เขาคนเขาทำเขาดูเรื่องไม่เป็นไรค่ะเมื่อวานนี้โยมรู้สึกว่ามันแบบเว้ยกําลังมันลดนะคะแล้วพอดีกําลังจะลงไปภาวนาเลยอ้าวท่านผู้อาวุโสกำลังแลฟอยู่พอดีโยมเลยเข้าค่ะเป็นยังไงของฝรั่งของฝรั่งของไทยเป็นยังไงบ้าง๋ยวองชอบของฝรั่งค่ะคําถามปฏิบัติเยอะดีค่ะปฏิบัติแทบจะลุ้นล้วนเลยค่ะอมีทั้งฝรั่งทั้งทั้งมาเลเซียสิงคโปร์เอเชียเยอะ คนตั้งใจทำเยอะมากเลยค่ะคนตั้งใจปฏิบัติเห็นหรือเอาเขาศึกษาลึกซึ้งกว่าของคนไทยเราใช่ค่ติดธรรมเนียมติดประเพณีติดการทำบุญทำทานอะไรดีค่ะยมจะได้ฝึกฝึกศัพที่เป็นศาสนาทางภาษาเป็นภาษากิดไปด้วยค่ะอีกหน่อยก็ชิมดีไหมใช่จะได้ต่อไปจะได้รู้ต่างชาติก็ได้ค่ะ ขอาจารย์ครับก็ขออนุญาตครับพร ะ, อะอบอมพระอมแจ้งมาบอกว่า OpenChat ไม่ซัพพอร์ตครับในยุโรปและอเมริกาครับอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะดีใจด้วยครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวติดตามทางเฟซบุ๊ก ค, ค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวโยมไม่มีคำถามค่ะท่านเกิดมียังไงเดี๋ยวโยมจะเข้ารอบสองแล้วกันค่ะท่านขอบคุณค่ะคุณภาสนาคุณมอภาษนา เป็นยังไงค่ะอาจารย์ค่ะก็พร้มอมจะเข้าสนาําล้วแล้วอ๋อค่ะพระาอาจารย์พร้อมขึ้นค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณพระอาจารย์นะคะวันเสาร์เนี่ยตอบคําถามได้หมดเลยที่พระอาจารย์เทศเรื่องการจะไปอยู่วัด น, นะคะก็ได้ได้ไดแวนวทางที่บอกว่าต้องมั่นสันต์โตแล้วก็สติอันนี้นะคะแล้วก็สําหรับตัวเองอ่ะเตรียมความพร้อมก็คือว่าทําเพิ่มสองอย่างทุกอย่างทํา ท, ท, ท, ทำเทําเหมือนเดิม น, นะคะแต่เพิ่ม2อย่างก็คืออันแรกก็ทําที่คุณพระอาจารย์บอกคุณเอกอ่ะให้ไปนั่งห้าชั่วโมงก็เลยอ่ะ ลองดูแต่คนนี้ตอนนั้นก็คือแค่คิดคิดว่านั่ง5ชั่วโมงโดยที่แบบอ่านหนังสือได้อยาก็คือว่าต อ, อนตีสามตื่นที่มานั่งสมาธิเสร็จแล้วก็เลยนั่งต่ออีกอีกอีกสามชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ว่าเผ อ, เอมันนั่งแล้วก็พิจารณาแต่ว่ามีครึ่งชั่วโมงหลังอะ่ะฟั ง, ฟ, งฟัง youtube ของหลวงตามหาบัวคือเพิ่งมาอ่านของพระอาจารย์จบที่อาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ให้นั่งโดยที่ไม่ต้องทำอะไรใช่ไห ม, ไหมนั่ ง, งเฉยๆเผอิญไปฟังหลวงตามหาบัวครึ่งชั่วโมงก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยว ไม่เป็นไรวัหลังลองดูเอาแบบไม่ต้องอมาศัยของภายนอกเอาของภายใน <ade> แล้วก็อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือฝึกให้ชินกับความมืดพระอาจารย์เพราะจริงๆตัวเองตอนใ ช, ใช้ปัญญาลองลองดูแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นความมืดเพราะเราอยู่ไม่ได้มืดก็เลยปิดไฟในห้องแล้วปิดมา่านแล้วก็มืดแล้วก็เดินจงกลมแต่ว่าฟังฟั ง, งเอ่อ u ูทูบของตรรมหาบัวเรื่องสติ ป, ปัฏฐานสี่เรื่องวิชนาแล้วก็ของพระอาจารย์เลนะคะก็ให้มันชินกับความมืดนี่คือการเตรียมพร้อม อาจารย์เตรียมพร้อมออกสนามลบเ <laughs> ตรียมพร้พอมออกความผิดหวังด้วยป่ะเตรียมพระอาจารย์ความผิดหวังนี่เตียมอยู่แล้วเพราะว่าก็ <laughs> คือพราะเราไม่เคยไปก็เดี๋ยวจะตอบคําถามแล้วจริงก็คือขอคือเตรียมพร้อมพระอาจารย์แต่ว่ายังไงเราก็ปฏิบัติต่อพระอาจารย์ยังไงก็ทํา <laughs> แล้วก็ก็จะไปตีสามครึ่งนะฮะอาจารย์เพราะว่าเท <laughs> ่านเปิดวัดท่านเปิดวัดหกโมงถึงแปดโมงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเลยแปดโมงจะเข้าไม่ได้ S <S ต้องตื่นตีสามครึง่งแล้วก็เดี๋ยวโชคดีลูกชายได้กลับบ้านจะพาลูกชายไปด้วยแล้วก็จะพาไปกราบพระอาจารย์ด้วยเนี่ยก็ไปต<ช>ีสามครึ่งก็คือก็ไปทําบุญแล้วก็เจอพระอาจารย์ป่ะถ้าถ้าผิดหวังก็ไม่เป็นไรพระอาจารย์เดีย๋ยวจะกลับมารายงานว่าเป็นยังไงแต่คราวนี้ไม่ได้คราวหน้าก็ได้เหมืกัใช่แต่จริงๆคือเตรียมตัวแล้วพระอาจารย์ไม่ไม่มีลมทำพยำาธิคิดหาอาทิตย์ที่มามีความรู้สึกว่าพอเราเตรียมพร้อม มีความเพียรเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ามันเหมือนเจะไปออกสนามลบใช่ไหมก็คือว่ามันรู้สึกว่ามันสงบขึ้นในการทํางานทํางานประอาจารย์ช่วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสงบขึ้นนะพระอาจารย์อารมณ์มันคงที่มากขึ้น mm hmm. อะไรแบบดูแล้วแบบเอออย่างเช่นบางอย่างอย่างเช่นแบบเออที่บ้านบางทีมันก็จะมีหมามามาอึดอยู่หน้าบ้านอย่างสมัยก่อนก็จะบแบบเออเซ็งมากแตเดี๋ยวนี้แบบมองเห็นแล้วเฉยๆพระอาจารย์คือไม่รู้สึกอะไรละ mm hmm. คือความโปรหรือว่าอะไรมันมันเหมือนอารมณ์มันสงบขึ้นนะพระอาจารย์โมเป็นขามากขึ้น ใช่ค่ะรู้สึกว่าพกมันเหมือนกับพร้อมที่จะไปอยู่ที่นู่นมีคําถามนึ่งนะพระอาจารย์คือว่าถ้าเราภาวนาแล้วถ้าเราจะภาวนาโดยใช้กรรมฐานเป็นปกติใช้กรรมฐานเป็นอานาปนานสติใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้าอยากจะลองใช้กรรมฐานเป็นมรณานุสติหรืออาการทางิตสองมันต้องทอํายังไงคะพระอาจารย์เพื่อจะได้สองอย่างเลยอ๋อคือมันแล้วแต่กรณีไงถ้าจะนั่งสมาธินี่ก็ต้องอนาปนานสติเป็นหนละักแต่ถ้าเวลาอื่นเช่นจิต จิตคืคานองหรืออะไรก็ลองนึกถึงมรณาลุสติ mm hmm. นอนึ่ไปคานองไปบาทีไปพยองอะไรเงี้ยคิดว่าเดี๋ยวก็ตายนะพยองอะไรมากมวาหรือเวลาโลกอยากได้อะไรก็ใช้มรณาลุสติได้หรือถ้าเกิดการอารมณ์ก็ใช้อาการสามิบสองหรืออสุภะสิบประการนี้ mm hmm. มามาดับอารมณ์หล่อนี้ แต่ถ้วลานั่งสมาธิจริงๆนี่ต้องใช้อานาปนานสติเป็นหลักถ้าจะถ้าต้องการเข้าสู่สมาธิแต่ก่อนจะเข้านี่ถ้ามันมีภาวะที่จําเป็นจะต้องใช้อย่างอื่นเช่นโกรธใครก็พยายามแผม่เมตตาให้เขาก่อนให้อภัยเขาก่อนว่าจิตจะได้สงบจากความโกรธแล้วจะได้มาดูลมหายใจเข้าออกได้หรือว่าถ้าฟุ้งซ่านก็อาจจะสวดมนต์ไปก่อนอะไรทําเหล่านี้มันอันนี้เป็นเรื่อง ของการที่จะเอาจิตให้เข้าสู่อนาปนานสติให้ได้พอดูลมได้แล้วก็ไม่ต้องไปดูอะไรอย่างนี้พอาจารย์เคาเห็นตอนที่อ่านมี ม, ม, มือก็บอกว่าถ้าอนามรสติก็คือว่าจะเท่าเ อ, อสมถะภาวนาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดสมมุตรเริเราทำสองเราทํำมารณ์เนี่ยมรารณา์รู้สติหรือว่าอานานเนี่ยมันจะได้ทั้ง พี่ปรัสนาทั้งทั้งมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยเราจะเปลี่ยนกรรมฐานทีงไหนไม่คว ร, รใช่ไหมเพาราะกรรมฐานมันเดิมมันได้<อ>แต่มันสม่วาถามันไม่ได้เต็มที่มันไม่ได้เข้าถึงอังปนาสมาธิ<อ>มันได้ทําให้จิตํารับความคงท่าํารับความพยองรังรบมารายต่างต่างเหล่า น, นั้นให้การบมาสู่ภาวะปกติแต่ยังไม่เข้าสู่เข้าสู่อานาเข้าสู่อัปนาสมาธิแต่อัปนาสมาธินี้ต้องใช้ ใช้ อ, น, น, าอ น, นาปนาสติเพราะงั้นก็ทำเหมือนเดิมครับจ้ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนึกว่ามันจะได้กรับรวบแกมกัน <Okay. S 2> ก, ก่อนจะนั่งนี่ไปโกรธใครมโห o ใครแล้วไม่ยอมเนี่ยก็ต้องใช้เมตตาเพื่อปล่อยวางความโกรธให้ได้ก่อนแล้วถึงจะกลับมาดูลมได้เดี๋ยวถ้าโลภอยากได้โน่นอยากได้นี่กังวลเรื่องคนนั้นคน น, นี้ก็คิดถึงคามตายอยู่เดี๋ยวก็หายกังวลใช่หไหมกังวลทําไมเดี๋ยวว่าตายหมด แล้วจะอีกคำถามหนึ่งค่ะอาจารย์ก็คือถ้าถ้าเราสมมติไปเจอไปไิไปติวิเวกเนี่ยอย่างที่วัดวัดป่าอย่างเงี้ยเราจะเอาพวกหนังสือหรือว่าเราเอาพวกยูทูบซีดีไปฟังไม่ไม่ควรใช่ไหมควรที่จะใช้อัตาฮิอลลนนาโถคือใช้ปัญญาของเราทําทั้งหมดเลยทั้งสติทั้งอะไรทุกอย่างเลยใช่ไหมคะอาจารย์อย่างนั้นจะดีกว่าไปตัวเปล่าๆดีกว่าไม่ต้องอะไรไปเลยเออหรืจะมีอะไรจําเป็นที่ต้องเอาไปที่เราต้องใช้ส่วนตัวแล้วอย่างไม่รู้ทางวัดเขาจะห้ามหรือเปล่าไม่รู้พวกสโทรศัพท์ือถอนี่ ก็ต้องต้องดูกฎระเบียบของทางวัดกันด้วยว่าแล้วถ้าเราต้องเรามีความจําเป็นจริงๆจะต้องพบไปหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ลองไม่เป็นไรครับตามวัดเลยนีเรื่องมากค่ะอาจารย์มีเรื่องมากดูจีเดี๋ยวอดอยู่สมยัยสมัยก่อนตอวัดปราบบ้า น, น, า น, านตา น, นี้วิทยุไม่มีทีวีไม่มีไฟฟ้าไม่มีเดี๋ยวไม่มีไรค่าไม่มีเอะไปทรเลยกับใบถ้วยนง มันเป็นอยู่ป่าไปทุ่งนมไปเอาสติปัญญาอามาใช้ามาใช้ของอย่างเอื่นขานี่ดีมีอยู่ไม่ชอบใช้ไปชอบใช้ของไม่ดีของอื่นเป็นอนิจจังนั้นพึ่งไม่ได้ค่ะของดีนี้สติปัญญานี้พึ่งได้ตลอดเวลาถ้ามีแล้วมันอยู่กับเราไปตลอดค่ะได้จัะเพราะว่าเห็นของพระอาจารย์ก็บอกเหมือนกันตอนนี่อ่านจบหมดเลยนะคะพระอาจารย์กําลังใจถึงกันที่สี่ร้อยอะไรห้าสิบเจ็ด โอ้ส็ดหมดจบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าก็จะเพิ่มคือจดเอาไว้ในสมุดเนี่ยพระอาจารย์ก็จะแบบป่นไหนที่แบบดีที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะแล้วก็จดเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะมาพังฟังเพิ่ม ฟ, ฟังไปเรื่อยๆก่อนคือทาแล้วก็ฟังไปทําแล้วฟังไปรู้สึกมันตอบมันเหมือนแผนที่อย่างที่พระอาจารย์ให้มามันตอบโจดได้เยอะเลยพระอาจารย์โอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวไปที่ท่านต่อไปอาจารย์พรหมพิไลเป็นยังไงสบายดีมหมที่นี่สวัพระอาจารย์ค่ะ สบายดีค่ะแวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอันนึกคุณไม่อยู่เลยอยู่ค่ะอยู่ค่ะวันดีจ้าฟังอยูด้วยกันค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะไปตักบาทค่ะเมื่อคืนนี้ก็เข้ามาฟังอยู่ใช่ไหมมาค่ะเพราะชอบฟังของต่างชาติคต่างชาติก็ดีอย่างนะค่ะเขาถามตรงๆค่ะอถามตรงๆในเรื่องที่อยากรู้อเราก็เรียนรู้ไปด้วย คุณนกสบายดีนะสบายดีครับอาจารย์ครับลูกๆก็สบายดีนะฮะทคนเรียบร้อยดีครับโอเคมีอะไรไหมวันนีอยากจะสนทนาทำไหมไม่ค่ะเราฟังเหมือนเดิมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปทัานต่อไปนะอคุณเอกจากเชียงรายเชิญคุณเอกกลับมรสการพระอาจารย์ครับผม อาจารย์สบายดีนะครับก็เห็นอยู่นี่ไม่ใช่นะสบายดีก็ไม่ดีที่เกลียดตอบนะยังต้องตอบสำคัญสิบสี่สิบคนสิบสิบครั้งครับผมวันนี้ผมมามากรับเรียนรายงานผลการปฏิบัติในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอาจารย์อก็ผมปฏิบัติเ อ, อตามที่อาจารย์ได้แ น, น, นะนํามาครับก็มีมีวันศุกร์ที่เป็นวันศีลที่ผมเออ่ก็ถือศีลอุโบโสถนะครับอาจารย์ ก็ปฏิบัติได้เอได้สี่ชั่วโมงครับอาจารย์อืแต่ว่าอจะเป็นจะเป็นเดินจงกรมสองชั่วโมงที่เหลือก็นั่งสมาธิไปสองชั่วโมงก็รู้สึกว่าเวทนามันมันไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับอาจารย์แต่ถ้ามันเกิดมามันก็รู้ฮะรู้แต่มันไม่ไม่ถึงกับทรมานนะครับพระอาจารย์อืก็ดีถ้าใจเราไม่ไม่วุ่นวายไปกับเวทนาก็ถือว่าใช้ได้ครับผม ก็มีวันต่อมาลองลองแบบว่าใช้อริยบทเดีนะฮะก็คือนั่งสมาธิก็อยู่ได้ประมาณสองชั่วโมงครึ่งครับอาจารย์เต็ที่ไม่ไม่ไม่ไหวก็เลยลุกออกมาครับครับก็วันลองเอาลองแบบไม่ทรมานร่างกายดีเสถทรมานใจนั่นก็ยืดสบายสบายแต่ให้มันยาวสัก4ีห้าชั่วโมงอยู่ไม่ให้เราไปทำอะไร แล้วพยายามพุโทโธไปดูลมไปหรือพิจารณาสุภะไปอะไรก็ได้วคือพยายามแต่ห้ามไม่ห้มไปทําอะไรอย่างนี้แล้วถ้านั่ ง, งเงียบเงื่อนก็ลุกขึ้นมายืนก็ได้เปลี่ยนอิริยาบถแต่อ น, นี้ไม่ต้องการทรมานร่างกายต้องการทรมานความอยากตัณหาไม่ให้ทำเพราะว่าถ้าเอาทั้งสองอย่างดีๆพร้อมกันไม่ไหวก็ต้องทรมานความอยากก่อพื่อสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมา แล้วต่อไปเรามาทรมานความความเจ็บป่วยของร่างกายนี่ไว้ครับอืออย่างนี้มันจะรับคืบหน้าถ้าเราปฏิบัติธรรมชาธรรมดาที่ลกอย่างเช่นเที่ยวโมงอย่างเชชั่วโมงมันก็มันก็อยู่ตรงนั้นนะครับอยากให้มันไปไกลกว่านั้นมันก็ต้องใช้การปฏิบัติที่หนักขึ้นที่รุนแรงขึ้นครับเอาเอาเอาปริมาณก่อนนะครับเออ่เดินไม่ได้คุณครั เดินไปเลยสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอะไรไปเลยให้มันลมตายไปเลยครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องต้องลองครับสัปดาหต่อไปนะครับอาจารย์ครับผมขอพูดพระอาจารย์นะฮะที่ได้แนะนําสั่งสอนครับพระอาจารย์ใช่สาธุนะมีท่านี้เล้วครับวันนี้กลับในงานพระอาจารย์แค่นี้ครับปอให้ทานขันพระอาจารย์อแข็งแรงครับผมสาธุยัมีอะไรก็ถามต่อได้นะอันนี้ครับแม่ก็เอาคนละคาถามก่อน ครับผมครับผมกับขอพูดอีกครั้งข้าพอาจารย์ครับสาธุครับคุณสวิสาจากสวิสแลนด์เชิญเก้วนมันสการท่านพาอาจารย์ค่ะยังไงวันนี้วันพาะทิสิบแปดนะค่ะเริ <c oughs> ม่มของเราค่ะพยายามทำให้ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิด อสะดวกหรือว่ามีอะไรก็จะเพิ่มวันอื่นด้วยเพิ่มไปอีกค่ะออตอนนี้เริ่มหนึ่งวันก่อนออต่อไปก็เพิ่มได้ เ, เพราะว่ามันเริ่มชินแล้วมันรู้สึกปรับตัวได้แล้วเดี๋ยวก็เพิ่มกันไปเองค่ ะ, ค, ะคือขอมีคําถามเด็กน้อยค่ะท่านผูอ้อ่านคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเวลาเราฟังทำแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนเวลาเราเรียนในห้องเรียนคือแบบตาดูหูฟังแล้วก็ใจคิดตาม แต่เวลาเราฟังธรรมหรือฟังเทศเหมือนเหมือนขนาดนี้ค่ะเราสมควรที่จะหลับตาหรือลืมตาคือทั้งทั้งหูทั้งตาแล้วก็คือปกติคือคือโยมนั่งก็คือหลับตาแต่หูฟังแล้วก็ใจคิดตามแต่ทีนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้เราควรสมควรที่จะ อ uh, ตาด้วยไหมคะคือะคือถ้ถ เ, รเรามองมองไปแล้วเราไปมองเห็นคนหน่งจิตเราอาจจะแวบไปคิดถึงเขาก็ได้อ๋อค่ะถ้าเช่นตอนนี้มีต้องสี่มีตัองยี่สิบสามสิบคนนะั้นบาทีแล้วก็วาดไปดูคนนั้นว่าเดไปดูคนนี้อ oh. มันเวลาวาดไปนี่จิตแล้วก็ไม่ได้ฟังออืถ่าเราอยากจะฟังอย่างต่อเนื่องก็หลับตาฟังลงไปอืมค่ะโอเคค่ะอันนี้เขาเขาเล่น คือบบยังเอไม่แน่ใจเหมือนเอตอนทำลมเย็นเสียขั้นรอดสมน้ำตาดวงจมกลิ้นกายเพื่อใจจะได้จิตจะได้จ่อย่ที่ใจจิตจะได้จอยที่ธรรมะเสียงธรรมะอย่างเดียวค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะทีนี้แต่ถ้าเวลาต้องคุยกันก็ต้องเปิดตาเดี๋ยวไม่ต้องคุยกับใครนะค่ะค่าเฟังเวลาฟังยิ้เฉยก็ปิดตาหน้เพราะไม่ต้องใช้ตาเนี่ยเห็นไหมฟังธรรมไม่ต้องใช้ตา บางทีก็เลยเอ๊บางทีเราเเกแบบ็เอ๊เวลาเราในห้องเรียแบบเอโสดเราต้กงบอกเออเหมือนในคอนแทคอะไรอย่างนี้ตาด้วยมันจะได้แต่อันนี้เราฟังเทศเราก็คือตอนแรกโยมวันที่ว่าเออมันน่าจะสมดุลฟังเทศไม่ต้องส่งใจออกข้างนาอกส่งใจอเอาดึงใจไว้ข้างในแล้วรอรับเสียงธรรมที่เข้ามาในใจสบายกว่าค่ะค่ะข้ามประจันขอบคุณค่ะขอคําถามอีกคําถามหนึ่งได้ไหะอาจารย์พูดเรื่องฟังธรรมให้อธิบายนี้อีกนิดหนึ่งคําธรรมนีขข่มันฟังได้สองแบบ ฟังเพื่อปัญญาหรือฟังเพื่อสมาธิเน<ม>ีครับหรือถ้าเราฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆเหมือนเราใช้พุทโธก็เป็นการกล่อมใจให้สงบเช่นเราฟังบางทีธรรมะมันละเอียดเลือกซึ้งกว่าที่เราจะเข้าใจพิจารณาไม่ได้แล้วก็ฟังแสเสียงไปใจก็ฟังเสียงไปอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นมันก็เป็นสมาธิได้ในระดับหนึ่งนะหรือว่าถ้าอยาก ถ้าฟังเข้าใจพิจารณาตามก็จะได้ปัญญามีฟังทำได้สองแบบพูดแล้วให้คนอื่นฟังจะได้เข้าใจค <c oughs> <c oughs> ่ะค<ช>่ะข<ช>อบค่ะ<ช>อีกค่ะอีกคำถามหนึ่งคือเวลาเรานั่งสมาธิค่ะเวลาใช้อนาปนานสติบางครั้งออจิตมันบางทีมันไปเด่น มันบางทีคือเราเรากําหนดจิตที่ที่ปลายจมูกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมีบางครั้งมันมันเหมือนแบบมันไม่เด่นมันไปเลื่อนอยู่มันมาตรงหน้าอกค่ะท่านแล้วคือบางครั้งมันก็ไหลลงไปตรงเยิมอย่าปล่อยให้มันไปดึงมันไว้ที่เดียวต้องดึงไว้ที่เดียวดึงไว้ที่ปลายจมูกหรือที่ไหนก็ได้เราเริ่มต้นตรงจุดไหนก็เอาตรงจุดนั้นไปคือเอาตรงที่มันเด่นของเราใช่ไหมคะท่าน ไแต่พอได้แล้วมันต้องอย่าเปลี่ยนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะงไปเด่นที่ที่อื่นย้ายไปีอย่าย้ายถ้าเด่นที่ไหนแล้วมันก็ต้องเด่นที่นั่นที่เดียวให้เราดึงกลับมาที่ที่เดิมที่เราตั้งตอนแรกที่เราเด็ดเอาตั้งไว้ใช่ไหมคะที่ไหนก็ได้พอตั้งแล้วก็อย่าย้ายก็แล้วกันเหมันอย่ย้ายบ้านอ่ะพอซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็อยู่มันไปอย่าเดี๋ยวอยู่ได้สองวันทําอยากย้ายไปบ้านลูกน่ย้ายไปใหม่ คือมันมันไหลของมันมันไปเองอย่าง้อย่าปล่อยมันไหลไหลมันไหลก็แสดงว่าไม่ไม่มีสติคุมใจอะไรอ๋อค่ะฉะนันต้องการคุมใจให้มันนิ่งเงี้นอย่าให้มันไหลเราถึงต้องมีพุทโธไอ้มีพุทโธแล้วมีลมไว้เป็นที่ยึดไม่ให้มันไหลไงค่ะเข้าใจไหมจิตเราเมืนเรือเนี่ยเรือแล้ว มันลอยอยู่ในแม่น้ำางเนี้ยถ้าเราไม่ผูกไว้กับท่าเดี๋ยวมันก็ไหลไปกับกระแสน้ําใช่ไหม mm hmm. แล้วถ้าเราผูกไว้กับท่าน้ํากระแสน้ําก็ไม่สามารถพัดเรือให้ไหลไปตามได้ mm hmm. เรอมันก็จะนิ่งขนถ่ายสินค้าขึ้นลงได้ใช่ไหมผู mm ้โ hmm. ดยสารก็ขึ้นลงได้เวลาจอดเรือนี่เขาต้องผูกเรือไว้กับท่าใช่ไหม mm hmm. แม้เดี๋ยวมันก็หลายไว้คนขึ้นก้าวขึนกระตกงงน้ำซิกขาใจก็บางทีก็ไเอะมันมันก็บางทีเราก็เลยดึงบางทีก็ดึงเอาดึงไปอีกที่เราต้องกรงขาขาดสี่คือมันก็บางทีเหมือนเราเคยเอาไปไว้ที่ตรงหน้าอกมันเอ๊ะครั้งนี้ขอเดี๋ยวมันเลื่อนมาหน้าอกอีกที่คั้งหนึ่งเอามันวิ่งไปตรงตรงกลางสะดือตรงข้างล่างก็เลยเอกเราที่ใดที่หนึ่งก็อย่าอย่าย้ายไปย้ายมาให้ไปย้ายมาก็ไม่มีวันจะนิ่ง ก็ไม่เป็นสมาธิงั้นต้องเือกวทธี่ดที่หนึ่งนะค่ะเข้าใจแล้วค่ะโอเคตอนนี้ใช่ไหมคค่ะมีแค่นี้ค่ะที่คำถามค่ะขอบคุณค่ะท่านต่อไปโกเดียคุณโกเดียเป็นชาวไทยหรือเปล่าที่อยู่พัทยาใช่ไหมเนี่ยก็ถามปัญหาภาษาอังกฤษเลยต้องกดอันนี้ก่อน โอเคได้ยินไหมครับได้ยินแล้วได้ยินครับสวัสดีครับ uh huh. อ๋อครับอ่าสัปดาห์ที่แล้วครับตอนแรกก็แพนว่าจะมาเข้าร่วมสูงเนี่ยครับแต่ก็เกิดอ uh ุบิเหตุก็คือว่าอาหารมันพิดครับแล้วก็ uh huh. ทั้งท้องเสียแล้วก็พวกแล้วก็นอนนอนเลยครับนอนซมแล้วก็ได้ข้อคิดว่าฟิลเหมือนมันแบบมันจะตายอะครับอาจารย์เ <laughs> ออฟิลแบบเหมือนจะตายแล้วเราก็คิดว่า ก่อนจะตายควรจะทำอะไรดีไปนเนี่ยครับก็เลยมีคำถามครับวันนี้ว่าสถานการณ์ซิชูเอเชเ่นก่อนตายครับมันจะเป็นแบบไหนแล้วเราควรจ ะ, ะจัด ก, การเมเนจจิตใจเรายังไงให้มันแบบพร้อม ready to die ครับพร้อมที่จะตายให้มันนิ่งๆอย่าให้มันมีอย่าให้มันตกใจอย่าให้มันกลัว ให้มันยอมรับอ่ะถึงเวลาจะตายก็ให้มันตายอย่าดิ้รต่อสู้แล้วเราต้อง imagination ว่าปลายทางเราจะไปไหนไหมครับเรไม่ต้องหรอกให้มันสงบแล้วมันก็ไปดีเองอ๋อไปสงบเราไปดีเองใช่ไหมครับให้มันนิ่งๆเฉยๆอย่าไปต่อต้านอย่าปอยากไม่ตายอย่าไปอยาก อ, อ, อะไรทั้งนั้น พุโทโธพุโทโธไปแล้ดูลมหายใจไปถ้ามันไม่นิ่งอันอันไหนเป็น the best กว่ากันนะครับระหว่างพุโทโธกับแบบลมหายใจก็ลองดูสิลองตอนนี้ลองลองลองทำดูนะครับว่าอันไหนทำให้นอนนิ่งได้ก็ทำอันนั้นครับแต่แต่ตอนที่เอ่อตอนตอนที่ last week ครับสัปดาห์ที่แล้วก็คือเราก็คือแบบว่าผมก็ ตั้งสติกับลมหายใจครับก็แบบว่าเออแบบลมหายใจสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ไหนก็ได้ใ ช, ใช่ไหครับอย่าตื่นตกใจนะเรื่องการหายใจใสงบใช่ใช่ครับผมผ ม, ผมผมผมอยากให้มันคำดาวแบบสบายสบายก็ย<ห>ต้องมีดูลมหรือพูดโทนรู้ปรงว่าตายก็ตายครับอ่าครับแล้วก็จะมารายงานขอบคุปหน้าครับ คือหลังจากได้เห็นพี่ๆท่านเป็นแบบทีมอเวนเจอร์ที่แบบปฏิบัติคอนเ e p ร์ต เ, เข้มข้นมากๆเราก็เริ่มมีแรงบาันดาลใจว่าเริ่มกอด น, นอนก็เริ่มนั่งสมาธิ5ทีแล้วก็เดินจุดกลม5ทีอย่างนี้ครับแต่พอทำทุกวันเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนคิดเยอะครับผมเป็นคนชอบโนครับคิดเยอะมีคนเยอะก็เลยเอาว่าไปที่วัดชัยมงคลครับอย่างวันเย็นวันเนี้ยก็ไปทาวัดเย็นกับ พี่ๆเขาครับเพราะว่าเหมือนเป็นการ force ตัวเองว่าเพอมีบรรยากาศเที่ยวมันกดดันนะเหมือนฟังทาหน้ากุฏิครับผมก็เลยว่าทำให้เราเริ่มที่จะใจเราแบบไม่วอกแวกง่ายมีสติมากขึ้นใชใช่ครับก็เลยคิดว่าก็เป็นเวนึงเผื่อว่าบางคนที่เขาอาจจะไม่มีแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องแบบสร้างแบบ ใส่สิงแหวนล้อมใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ก่อนก่อนมาเข้าสูมก็มาลองลองมานั่งสมาธิห้าทีก็สวดมนต์ห้านาทีแล้วก็เอ้สวดได้เป็นจุกมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นครับดีดีขึ้นรู้สึกนิ่งขึ้นเราไปทําให้มากขึ้นจากห้าเป็นสิบจากสิบเป็นสิบห้าไปคนนึงก็คนหนึงก็ทำเป็นชั่วโมงกันหนาทีจิจอย เออครับผมผมจะพยายามครับทครับโอเคมีท่านนี้เหรอก็เดี๋ยวมหาบูชาสามวันนี้ผมจองปฏิบัติธรรมถึสิบแปดที่วันหยักครับก็จะไปลองใช้เทคนิคนี้ให้เพิ่มขึ้นครับครับครับอคเช่ขอบคุณครับท่านต่อไปคุณนาจาไม่ทราบว่าปิดกล้องหรือเปล่าเลยว่าได้ยินเสียงมันนาจา อาจจะไม่ได้ยินนะมีแต่ชื่อเรียนไปที่คุณมารีก็แล้วกันคุณมารีเด็กชายพิลสิตเชิญได้ค่ะกลับยังไหนได้ไหมได้ได้ค่ะหลวได้ยินไหมคะนั่นได้ยินนะวันนี้หนูยังอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ค่ะพอดีโอ้ทำงานเยอะเกันนะพยายค่ะไม่พอดีพรุ่งนี้เขาจะมีประชุมกันค่ะหลวงพ่อแต่เน้นก็เลยแอบมาในห้อง ประชุมเงียบๆก่อนนะคะมาขอฟังก่อ น, นะคะ่ะหลวงพ่อหลวงพ่อคะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะหนูมีความรู้สึกว่าที่หนูเคยฟังหลวงพ่อเทศว่า เ, เราต้องได้สมาธิหมายถึงว่ามีสติเข้าสมาธิได้ได้ไวใช่ไหมคะตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่ามันคืบหน้าขึ้นมาห น, หน่อยหนึ่งคือเวลาที่เราใช้ในการให้มัน เข้าให้มันสงบเนี่ยมันระยะเวลาเหมือนจากเดิมที่มันเคยนานๆมันก็กระชับเข้ามาอ่าเดชสติมีกําลังมากขึ้นมันเหมือนมันจะเริ่มเริ่มแบบดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่านั่งนั่งแล้วเวทนาเนี่ยมันก็เรารู้สึกว่ามันมันเกิดตลอดเวลาแต่ว่าใจเราอ่ะไม่ได้ไปทุกข์กับมันค่ะหลวงพ่อแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบมันอยู่ได้ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่า เออเราไปทุกหรือว่าเราไปแบบดีใจอะไรมากมันรู้สึกเหมือนค่อนข้างจะเฉยๆกลางๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเบเกอร์เรามีมากเป็นท่ามีสติมากขึ้นเบเกอร์ก็จะมากขึ้นตามแล้วแล้วทีเนี้ยพอพอแบบมันเข้าไปถึงจุดตรงเนี้ยไอ้คําที่เรานึกอยู่มันไม่ออกอะ่ะหลวงพ่อคําที่เราอ่ก็ดูลมแทนถ้ามันไม่เล็กก็มันไมเลกก็ดูลมแทนมันมันจะเป็นแบบนี้ได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ มันอาจจะอยากจะสงบมากขึ้นมันก็ไม่อยากจะบริกรรมก็ลองใช้ดูลมเฉยๆดูถ้าดูลมไม่ได้ก็ดูจิตเลยหรือว่ามันกำลังคิดอะไรหรือเปล่าค่ะและและทีนี้พอปฏิบัติไปเวลาถัาเราเราจะนึกว่าเออเนี่ยวันนี้เราทำได้ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าเวลาตอนดึกเราจะตื่นมาทำใหม่อะไรเงี้ยหนวพอพ อ, พอได้เวลามันก็จะลุกขึ้นมามแบบนี้คะ่ะหลวงพอ่อ ต้องตั้งต้องต้องตัง้งนะตัง้ตงปลุกตั้งเป้าไว้เพือพอเราตั้งเป้าไว้พอถึองเวเลามันก็จะมันก็จะเติบขึ้นมาทำต่อค่ะแล้วพอพอมาที่ออฟฟิศตอนเช้าหนูก็จะขึ้นไปเหมือนเดิมค่ะตอนเช้าก็ทําทําต่ออีกค่ะทําทําขาหลวงพ่อไม่ท<อ>ําอย่างอื่นเลยไม่กินกาแฟไม่ดูหนังสือไม่มไม่ไม่ค่ะเพราะเพราะปกติหนูก็ไม่ไม่ดูหนูจะมาแต่ทางนี้แล้วก็ไปทํางานค่ะ คือพอพอได้สิ็ก็ได้เวลาทํางานอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อคะรบกวนถามว่าถ้าสมมติอย่างคนที่เขาไปปฏิบัติธรรมแล้วทีเนี้ยถ้าสมมติเขาหันไปทางธรรมเลยอ่ะอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะจะไปหมายความว่าไปอยู่วัดหรือยังไงคะเพราะปกติให้ให้บวชได้เจ็ดวันใช่ไหมคะแล้วเขก็ให้กลับเวลาสํานักที่ก็อยู่นานบวชชีได้เลยก็มีแตต้องค้นหาหน่อย S <S แล้วแล้วแล้วข้าวปลาอาหารจแบบชีเขาบินทบาดไม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วยังไงคะ่ะถ้าเป็นสํานักที่จะมีคนสนับสนุนมีญาติโยมสนับสนุน ช, ช่วยกันมีรองครัวมีอะไรค่ะถ้าเป็นเข้าไปในระบบแล้วไม่ต้องกลัวล้วอดตายมีมีถ้าเป็นสํานักปฏิบัติที่ก่อนเขาเขาล้มนับเถื่อนเยอะแยะไปหมดของข้าวของไม่ว่าจะเป็นของพระหรือ ข, ของของของผู้หญิงก็ มีการสนับสนุน mm hmm. เราพามาว่าเขาไปค้นหาในในในเพจยูเนี่ยมีสำนักปฏิบัติธรรมเยอะแยะไปหมดนี้บางทีมีแม่ชีเป็นหัวหน้ามีอะไรแต่ว่าไม่รู้เขาหัวหน้าเขารู้จริงไม่จริงกันนี้ไม่รับประกันนะเพศเขาก็อาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่เขาก็พอที่มีคนมาศรัทธาสนับสนุนเขาก็เลยตั้งสำนักขึ้นมาแล้วก็จัดหลักสูตรอบรมสามวันห้าวันเจ็ดวัน ถ้าเราอยากชอบที่นั่นอยากจะอยู่ต่อไปก็ถามว่าจะอยู่นานๆนี่ทำยังไงเดยวเขาก็บอกเองหนูหนูลองลองเข้าไปดูของวัดมเหยยงอะค่ะหลวงพ่อ <c oughs> แล้ว เหมือนบอกเขาจะให้ได้ประมาณครั้งละไม่เกินเจ็ดวันใช่ไหมคะ<ใช>เสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าเคสแบบว่าอยากจะอยู่นานอยู่ต่อเนี่ยต้องคุยกับหลวงพอ่อหลวงพ่อโดยตรงหลวงพ่อสุลาศักดิคค์อะค่ะถูกต้องอันนี้เคยเขามีสองระดับเนี่ระดับแบบชัว่วคราวกับระดับทาวน์อ๋อค่ะหลวงพ่อระดับทาวนก่อนก็ก<อ>่อนจะเข<อ>้าร<อ>ับเขาจะรับเราก็อาจจะให้เราไปไปมามาให้ดูนิสัยเราก่อนอะไก่อนพอปราพร้อมหรือไม่อะไร หลวงพ่อคะอีกคําถามค่ะคือถ้าสมมติว่าเราเราหันไปทางธรรมเลยแล้วเสร็จแล้วไอ้พวกข้าวของอะไรของเราที่เรามีอยู่เราสมมติเรายกให้ใครหรืออะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าถ้าเกิดเราไปทางธรรมแล้วเราไม่ประสบความสําเร็จแล้วเราเราเราไม่ประสบความสําเร็จทางธรรมอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดอยู่ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเราต้องกลับมาแต่เราก็จะไม่มีที่อยู่ไม่มีข้าวของเง้ยเราจะทํำยังไงอะคะหลวงพ่อ หาใหม่ stylish, ไม่ยากตรไหนหรอกแต่มันเลยเวลาแล้วก็ก็เช่าบ้านอยู่ไปนี่ก็เช่าห้องแถวห้องพักไปแล้วถ้าเราอยู่วัดได้ให้ออกมาอยู่กันง่ายกินข้าวมื้อมันล้มื้อก็ยู่ได้ทุทุกวันนี้ตั้งแต่พบรบเมาคุยถ้าลองไปปฏิบัติธรรมนะ้ถ้าจรกลับมาทางคารวะที่มันง่ายเหมือนเหมือนกลับไปไปสนามลบล้างเวลากรรบมาเป็นคารวาะก็เหมือนกลับมาบ้าน หนูกลัวไม่มีที่อยู่กลวไม่ต้องควเยอะแยะไปเช่าบุองเช่าบ้านอยู่ที่ไหนก็นด้ขอให้มีทรัพย์เก็บไว้สำรองไว้บ้างก็แล้วกันเผื่อไว้ถ้าเราไม่แน่ใจเพราะว่าคือที่พิสได้แต่ทรัพย์นี่เก็บไว้ได้ฝากไว้ในธนาคารหรืออะไรไว้ได้อยู่เก็บสำรองไว้ถ้าเราไม่มั่นใจแต่ถ้าว่าพอเรามั่นใจที่เหลือก็เราเอาทำบุญต่อไปก็ได้แต่ช่วงนั้นนั่ถ้าเราไม่มั่นใจก็เก็บเงินทองไว้สักก้อน แต่ถ้าเกิดเราเราเราไปไม่ไหวเราอยากจะกลับมาเอย่างน้อยก็มีเงินทองสํารองอยู่ถ้ามีเป็นข้าราชการบางคนก็ก็มีเขาก็มีบํานาญบํำนาญอะไรก็ว่างรอคิดเก็บบำนาญบำนาญกินไปได้คแม้แต่พระคนบางคนมาบวชพระผู้ชายเขก็มีบํานาญอยู่ครับบานนีเขาก็ยกให้ภรรยาให้ครอบครัวไปแต่เขาเขาไม่ลงใช้ก็ให้ครอบครัวไป ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าลองไปแล้วมันส่วนใหญ่มันไม่กลับหรอกหนูก็ว่าประมาณนั้น <laughs> ไปไ ป, ไปต้องแบบพร ะ, พระเจ้าตากศีลใช่ไหบทำลบให้ทุบหมอข้าวทิ้งไเลยเราไปหาหมอ ข, าข้าวข้างหน้าไปหนูก็งงว่าเนียน่ยมันเนี่ยมันจะสองจิตสองใจถ้าไปแบบสู้อย่างเดียวถ้าไม่ไม่ตายก็เออไม่ตายก็ต้องบรรลุเท่านั้นเนหะมือนพระพุทธเจ้าเนยมันต้องเผาแบบนั้นนะใชนั้น เดีบอกเจ้าเจ้าเนี่ยท่านนัคนต้นม้ท่านท่านบอกถ้าไม่บรรลุ ก, ก็ตายเท่านั้นนะเราต้องทำอย่างนั้นถ้าเราพร้อมที่จะไปแล้วเราต้องคิดแบบ น, นี้ไม่มีทางกลับแล้วมีวแต่ทางไปแลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วนี่เ ด, เดินหน้าอย่างเดียวใช่ไหยหลวงพ่อใช่ยัมันก็ไปไม่ถึงเลยถ้าไม่หลุยไปข้างหน้าหมดเลยคิดถอยหลังทําไมกลัวไปไม่รอดนะข้าหลวงพ่อไม่รอดใครมันตายเท่านั้นนะครับ กลัวกลับมาแล้วแบบตายในสนามลบดึกอบกาศมาตานอกสนามลบถัดตร่ะหลวกลัวไปไม่รอดแล้วถ้าเกิดแบบกลับมาแล้วก็โดนคนแบบรอดเลยถ้าไปแบบแบบแบบชู้ไม่ถอยเนยไม่ไม่มีทางที่จะไม่ไม่รอดอะไอ้ที่ไม่รอดก็นน ม, มันถอยกันน่ อ, ทอาทั้งหมดโอ้โหค่ะหลวงพ่อเราไปหากินข้างหน้าหนูว่ามันนึกเอ๊ะ เวลาพระบสถพระยังบินถบานได้แต่ผู้หญิงจะจะไปหากินยังไงแล้วมีมีสำนักก็มีอะไรเนี้ยค่ะบางสำนักถ้าก็อยู่กับพราพระก็สนับสนุนคอยช่วยเหนืออยู่ค่ะหลวงห่อไม่ต้องกลัวเรื่องกินอยู่นี่ถ้าเป็นสำนักเราเขาอยู่ได้แล้วก็มานานแล้วเราไปอยู่กับเขาได้ไม่เป็นไรเป็นแต่เราอยากขี้เกียจไปอยู่สำนักนี่เราต้องขยนันแล้วก็อยากถือตัวทําตัวให้เป็นเหมือนพาะที่ริว้วเขาใ ช, ใช้อะไรเราก็ โอเคใหม่ๆนี่จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นลูกไร่เขาลูกไร่เขาบีเอ่อคนเก่าก็จะบอกทําอย่างงู้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนี้นไม่ได้อ่าเราต้องรค่าค่าไปอย่างเดียวอย่าไปแล้วรับรองได้ว่าร้ฐทหานเดี๋ยวก็อยากจะให้อยู่เองบางทีเกียดเขาฮอลล์ไม่ไม่เห็นหลวงพ่ออีกแล้วอ่ะอ่กลับมาต่อแล้วได้ยินไหม ได้ยินค่ะหลวงพ่อมันบางทีโปรแกรมมันสะดุกอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็ตัดเสียงตัดภาพไปเลยค่ะหลวงพ่อไม่กลับเข้ามาอีแล้วเสียงแภาพถ้ามันจะสีแดงหน่อยน่ะในเป็นลาช่างมันที่เยบไปกลับอย่างนี้มีปัญหาอันนี้หนูก็ไม่ไม่มีคําถามนะคะโอเคนะค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อโอเคเดี๋ยวไปที่ท่านต่อไปค่ะหนูปฏิบัติต่อค่ะได้คุณโยมจากประเทศลาว สวรอาเขตนะครัสวัสดีครัอาจารย์ชื่ออะไรจ้าตือตานค่ะตานนะลูกตานเลยนือยู่สวรอาเขตใช่ไหมใช่แล้วค่ะมาครั้งที่สามแล้วค่ะโอเคมนนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรคร่ะพระอาจารย์ก็คือเข้ามาร่วมฟังธรรมด้วยโอเคฟังไปก่อนนะถ้ามีอะไรเดี๋ยวค่ถามทีหลังถูกต้องท่านต่อไปคุณก้าวก้าว กัฟฟี่กอฟสุรารธานีแบบนวมบุรครั บ, รรบอ่าที่นี่เป็นออฟชุดใหม่ครับผมออฟชุดใหม่นะยั ง, ย, งยังอยู่ที่สุราษฎร์อยู่ใช่ไหมใช่ครับอยู่ใกล้บ้านครับมีอะไรไหมสามวิตอนนี้ยังไม่มีครับคือที่ที่พระอาจารย์สอนยังใช้ได้ไดีตัวอันแล้วก็พอเอามาทําอะไรก็คือนึกถึงตลอดครับมันก็ยังใช้ได้อยู่ภาพภูมิไปหมดครับไม่เราจะพูดยังไงครับ มันครอบคมไปหมดแล้วก็เป้าหมายของผมก็คือว่าทํางานประมาณสิบปีแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวสิบปีแล้วมีเงินแล้วก็เดี๋ยวค่อยบวชครับเมื่อต้องใช้เงินที่ไหนแล้วเมื่อเราบวชเพื่อบวชศึกเพื่อผลพิเศษที่บอกว่าออกออมาตอนที่แบบเราไม่บรรลุธรรมแต่ว่าผมก็คิดอยู่อธิฐานว่าถ้าได้บรรลุธรรมก็คือจะบวชถ้าไม่บรรลุธรรมก็คือจะไม่บวชแล้วมันจะเกินจะอยู่ตั้งสิบปีนะอาจจะตายไปหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์ นัีนกิเลยมันหลอกมันหลอกโยนโยนเห็นไปข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวพมื่อวนที่ข้างหน้าขอเลื่อนไปอีกสิบปีมันท่านจะบวชตั้งเอาวันนี้เลยสู้มันความเข้าใจก็มีเยอะแล้วครับผมอ่นี่นะพยายามปฏิบัติให้มันมีกำลังเราจะได้ไปได้เลยอ่าเนีงนั้นมันจะมันต้องคิดความตายบ้างนนเนี่ยเนี่นเคยเก่งความตายพระพุทธเจ้าเห็นเทวทาสี เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนัก บ, บวชเี่มันถึงมีเวลาคอยตื่นสติว่าชีวิตไม่แน่นอนนะสังขารไม่เที่ยงเกิดแล้ขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไประดับเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เนี่ยคือผมจะเป็นสภาวะที่แบบว่าเข้าใจในธรรมชาติที่แบบผมคือแบบเข้าใจองค์รวมของมนุษย์อะไรนะครับที่แบบต้องกระทบกันต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิอยู่ในใจแต่ ว, ว่าเราไม่ได้ว่ายออกไปเองนะครับ ไม่เนาะเร า, เราไม่ได้ก เ, เรื่องคนอื่นไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปสนใจเรื่องเรื่องเราอ่ะเรื่องร่างกายเราพิจารณาร่างกายตัวเองครับผมครับมันจะตายเมื่อไหล่ก็ไม่รู้อาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้คืนนี้ก็ได้ไลแล้วมันจะไม่มีโอกาสที่จะทำใช่ฉ<ำ>นั้นรีบเอาเอาตัดทุงอย่างไปเถอดถ้าไม่มีการจำเป็นถ้ามันไม่เป็นภาระที่เราต้องทําก็ตัดมันไปแล้วมา มาปฏิบัติธรรนี่ให้มากขึ้นดีกว่าครับพระอาจารย์ครับเสาวรรตไม่ตันแสดงทํามไหมครับที่ที่ที่แสดงธรรมที่น่ากุติน่ครับเออดี๋ยวไปทราบผมจะบิดไปเช้าที่จะวนพระมันพระทการมาค้าบูชาบ่ายสองโมงสองถึงสี่สองสี่ครับโอเคแล้วมีอะไรไหมไม่มีราคาแบบกระปุกกระปุกนให้คุณแป้นคุณแป้นเข้ามานี่จะพูดแล้วเปลคุณแป้นไม่พูดเหร โอเคมาฟังเฉยๆนะโอเครับ okay. พูกรณ์บิวไมโครโฟนอ๋นอะ จ, ะจะมากราบเลยเออจะมากราบฟังเฉยแค่แต่ว่าทางทีมกราบเรียนเรื่องมีล่าแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะโอ้เดี๋ยวต้องเปิดดูดูดูดูดูรานก่อนนะนี้ไม่ได้ดูอ๋อพ อ๋ไม่ใช่ค่ะเรื่องที่ว่าเก่าท้าบแล้วอ๋อเรื่องเก่าสราแล้วค่ะเก่าก็มามากราบเรียนพระอาจารย์เรื่องนี้เฉยๆค่ะโอเคได้ขอบคุณมากนะสาอค่ะค่ะคุณอ้อมเชิญคุณอ้อมจากบอวินใช่ไหมน้ำมันสการค่ะพระอาจารย์รอวินใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ค่ะมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีคำถามค่ะโอเคฟังเฉยๆนะ ใช่ค่ะก็ก็สงบขึ้นค่ะเวลานั่งสมาธิลองปฏิบัตินะเราฟังแล้วไม่ปฏิบัติก็เสียเวลาอเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าพระอาจารย์เทศแล้วก็ในหนังสือพระอาจารย์บอกว่าถ้าอาฟังทำรู้แล้วแต่ไม่ปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลก็เลยขยันปฏิบัติค่ะโอเคดีปฏิบัติไปเดี๋ยวมันก็เห็นเองได้ผลเอง วันวันเสาร์ไปฟังทำผ้าจานคือก่อนก่อนจะไปฟังวันนั้นว่าฟังเสร็จจะไปกินพิซซ่าพอดีวันนั้นผ้าจานจะพิซซ่าพอดีเลยในชะ่ค่ะมักน้อยเรื่องหูงฉลามแล้วก็พิซซ่าทีนี้ฟังฟังทำเสร็จปกติจะจะนั่งรอฟังจนแบบ ช่วงตอบคำถามเสร็จค่อยกลับแต่วันนั้นคือจะไปต่อไงคะก็เลยไม่ได้ฟังช่วงตอบคำถามแล้วทีนี้แฟนบอกว่าไม่กินแล้วพิซซากินอะไรก็ได้ค่ะประหยัดเ ง, งินไว้ดีกว่าเอาเ ง, งินไว้ทำประโยชน์อย่างอืงอ่นดีกว่าเก็บไว้สำรองเผื่อวันไหนรายได้ไม่ดีก็ยังมีอะไรค่ะ <c oughs> เอาจริงกินลองกินผักต้มจิ้ม น, น้ำพริกดูเจิมน้าปลาดูอร่อยค่ะ เขามีประโยชน์ไม่มีโอนกับไม่ติดกัชอบไปกินของมีพิษอย่างไขมันเยอะๆนะชอบกันชอบอุตันแห่เราก็อาทิตย์ก่อนพ่าอาจารย์บอกว่ า, าวพ่าอาจารย์ชวนให้มาดูลมไม่ให้เล่นมือถือน้อยลง ก, ก็ลดลงแล้วค่ะแล้วก็พอไม่ฟังเพลงแล้วมันก็ไม่ติด อาทิตย์หลังจากที่พระอาจารย์พูดก็ก็ไม่ฟังเพลงเลยแล้ ว, แ ล, วแล้วมันก็ไม่อยากฟังอ่ะค่ะพอได้ยินแล้วมันก็มันก็เหมือนไม่ชอบไปเลยอะค่ะพระอาจารย์ก็เราดูไปบางทีกิเลสมันหลอกเราให้เราคิดอย่างงี้บางทีมันมันตลบกลับอีกทีต้องคุมใจดเลยใช่ไหมต้องคุมใจอยากประมาณเดี๋ยวมันหลอกให้เราชะล่าใจว่าใช่ไม่ชอบแนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปได้ยินอะไรขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวพเพอสติปั๊บติดใจขึ้นมาอี่างนี้ ถ้าอาจารย์คะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเวลานั่งสมาธิอะค่ะพอดีออ่หนูกําหนดลมหายใจเออ่โฟกัสที่ลมหายใจไม่ได้แต่ว่าเหมือนเวลาเรานั่งแล้วพอมันเงียบๆแล้วมันได้ยินเสียงหัวใจเต้นทีเนี้ยเรามาโฟกัสที่ตรงหัวใจตเต้นที่เป็นจังหวะของหัวใจได้ไหมคะอันนี้ก็ไม่รู้นะ่ยลองดูก็แลกันถ้าถ้าใช้เต้งหัวใจนีมันก็เหมือนกันเพราะหัวใจมันก็เต้นเท่ากับลมหายใจค่ะ ก็ลองดูถ้าใช้ได้ก็ใช้ได้อันนี้เราไม่ไม่แน่ใจโอเคนะลองดูบางทีข้งบางอย่างนั่นทลองดูไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกล้าลองนะคุณลามต้องกล้าลอง<ะ>ถ้าลองแล้วใช้ไม่ได้ก็จะรู้ว่าใช้ไม่ได้พอดีว่ากำหนดที่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกแล้วก็พุโทโธพุโทโธมัน มันเหมือนมันยังไม่ดีพอเท่าเท่าตรงที่เป็นหัวใจหัอ่าก็ได้อ่าลองดูข้อสำคัญข้อยมันสงบ ก, ก็แล้วกันนะอ่ะค่ะพระอาจารย์ท่านี้นะค่ะค่ะขอบพระคุณอา <Okay. S 2> จารย์สายทิพเชิญจะมหาสารครามตอนนี้อยู่ที่สารคามใช่ไหมแก้วนามสกัญญาอาจารย์ค่ะวันนี้อยู่สารคามค่ะอืม ตอนนี้งานเยอะค่ะต้องมาอยู่สรารคามค่ะใครเขาเรียกสรารคามเฉยเข้ามาสรารคามมหาสรารคามค่ ะ, ะ แ, ตตแต่ว่ า, าถ้าเรียกสราคสราคามเฉยเยก็<ม>ก็รู้ว่าเป็นมหาสรารคามค่ะ<ม><ม>ค่ะก็วันนี้จะรายงานการปฏิบัติส่วนหนึ่งแล้วก็มีคําถามด้วยคะ่ะรายงานการปฏิบัติคือตอนนี้เริ่มเริ่มเห็นเทคนิคในการทําสมาธิมากขึ้นค่ะ<ม>แต่ก่อนคือหนักไป แล้วก็เบาไปก็จะเคลิมตอนนี้คือถ้านั่ง่ทําสมาธิแล้วเราดูลมหายใจให้มันต่อเนื่องก็คือให้เห็นอยู่ตรงจุดเนี้ยค่ะ uh huh. เข้าออกแค่นั้นไม่ต้องตาม uh huh. เข้าหรือออกไปปรากฏว่ามันสงบแล้วก็ได้สมาธิ uh huh. ที่ดีค่ะออ uh huh. ก็เลยนอกจากนั่งแล้วถ้าเรามีเวลาว่างเช่นอาจจะไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้หลับตาค่ะอาจจะยืนหรือทําอะไรที่เราไม่ได้ใช้ความคิดแล้วลองดูลมหายใจ ปรากฏว่ามันสงบดีค่ะแล้วก็อยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นอ็เนได้ไไใช่ให้มันสงบได้ก็ใช่ไปเหมือนได้เทคนิคว่าไม่เบาไปไม่หนักไปแล้วก็ทำแบบนี้เรารู้สึกว่าได้สมาธิที่ดีค่ะไม่ง่วงด้วยค่ ะ, ะ, ค ะ, ะส่วนคำถามคือสงสัยว่าคลาวาสนะคะในชีวิตประจำวนันหรือว่าคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้เป็น พระหรือเป็นแม่ชีค่ะเขาสามารถที่จะอ่งฌานฌานหนึ่งสองสามสี่นในชีวิตประจําวันได้หรือไม่และถ้าได้เขาควรจะทรงไว้ตลอดไหมคะอันนี้คือก็ อ, อยู่ที่สติของเราอะถ้ามีสติ ม, มากก็ส่งได้อืม <S <S 2> <S 2> ไม่ได้เป็นผลเสียหรืออะไรยังไงใช่ไหมกไม่เสียหรอกมันเป็นประโยชน์เพาะการทรงฌานก็หมายถึงว่าใจเราสงบใจเราเป็นอุเบกขาออื ก็คือจิตสงบแล้วก็จะเป็นระดับของเขาไปใช่ไหมค ะ, ะถือไม่จะถือไม่จะเกี่ยวข้ อ, ของกับคนนั้นคนนี้จิตก็สงบมันไม่รู่ว่าเหมือนกับเวลาที่ไม่มีฌานไม่มีสมาธิค่ะนั่นก็คือถ้าเรามีสติแล้วก็สมาธิควบคู่กันก็จะสามารถทรงฌานได้ไปพร้อมอๆกันเลยใช่ไหมคะอ่าส่วนใหญ่มัยยมนจะออกมาจากสมาธิแล้วมันมั่งค มันจะหายเพราะมันจิตมันเริ่มฟุ้งกับกิเลสเรื่อน้เรื่นี้ขึ้ น, น, นมามันหลังแต่เราต้องปฏิบัติถึงจะรู้มันทำได้หรือไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่เป็นคา ร, รว่านหรือเป็นพระหรอกอยู่ที่ว่ามีสติกำลังพอที่จะควบคุมจิตให้มันเฉยได้หรือเปล่าคใครอยากก็เฉยใครได้ก็เฉยใครก็ขึ้นเงินเดือนให้ก็เฉย ใครก็ตัดกันยำรองกรเฉยได้ทั้งนั้นนะเหมือนเฉยแต่แอบมีความหวังค่ะทำองไก็ไม่มีชานแล้วถ้าอย่างนั้นมีความหวังก็ต้งกีเลยแล้ไม่ได้ม่อะไรนะคะแต่ว่ามันจะมีชานก็ไม่หวังก็ไม่หวังอะไรไม่ต้องการอะไรค่ะเขาพอคําว่าชานก็คือคำว่าพอนี่เองค่ะนั่นก็คือหมายถึงว่าดําหนูไม่ได้ว่าหนูทรงชานหรือหรือพอนะคะแต่สงสัยว่าถ้าสมมติว่าอนาคต เราอาจจะไม่บวชแล้ว เ, เราก็ทำให้ถึงถึงตามที่ค้าราวาสไปได้อะไรเงี้ยค่ะเช่นเราไม่มั่นใจขาราวาสเป็นอารหานก็มีเป็นโสดาก็มีเป็นอะไรก็มีค่ะก็คือรักษาใจแล้วก็ไม่ทำชั่วอะไรเงี้ยก็ทำให้เราดีขึ้นไปเรื่อยๆออค่ะ อ, อ, อีกส่วนหนึ่งสงสัยค่ะอาจารย์คือบางวันที่เราทำสมาธิได้ดีมากๆ แล้วอีกสองวันมันมีเขารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ยอมทําค่ะแล้วก็ปล่อยสองวันแล้วค่อยมาทําอีกทีวันที่สามสี่คือเป็นอย่างเงี้ยสองครั้งแล้วค่ะเหมือนแบบวันนี้ตั้งไปทําปฏิบัติเอเลยค่ะแต่พอวันพรุ่งนี้มันลืนเหมือนแบบเอ้ยยังไม่ทํำอะไรเงี้ยนี่คือเรา <c oughs> <c oughs> แ่อกิเลสใช่ไหมคะเหมือนแบบ<ส>โอ๊ยสติเราสู้กิเลสไม่ได้ปล่อยคิเลสนำหน้าแล้วอะไรถ้าเรามีสตินำหน้ามันก็จะมันก็จะดี พอปว่อยก็เลยนำหน้ามันก็เลยไม่ดีค่ะเดี๋ยวจะพยายามสู้กันใหมห่ค่ะต้องพยายามสตินำหน้าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ความโลภความอยากนำหน้าอืความม่วงชันนะค่ะเดี๋ยวจะพยายามทำต่อไปเรื่อยๆค่ะคำถามก็มีท่านี้ก่อนค่ะให้ท่านอื่นได้ถามก่อนค่ะได้ค่ะสาธุค่ะ คุณทวัตนาจากสัติเชินเมลีงานกลับจากวัดแล้วอดอาหารเจ็ดวันเป็นยังไงบ้างมันตื่นนะคะพระอาจารย์มันไม่หลับใช่ไหมมันมันไม่ง่วงใช่ไหมค่ะมันมันไม่ง่วงมันมันแปดโมงไม่มีเลนคืนนึงนอนสักกี่ชั่วโมงอ่ะคืนคืนเมื่อคืนสี่วันสี่หรือห้าเนี่ยค่ะประมาณสี่ถึงนอนสี่ทุ่มถึงตีสามอืมห้าชั่วโมง แกลางวันก็ไม่ห่วงไม่ง่วงเลยค่ะกลางวันทั้งหทําทั้งวันเลยแล้วหิวมันคิดถึงอาหารบ่อยไหมไม่บ่อยเท่าครั้งแรกค่ะเอพราะมันขึ้นปุ๊บขึ้นปุ๊บตัดมันเลยไงพอเริ่มมาปุ๊บมันจะยากช่วงมันจะช่วงยากช่วงสองสามวันแรกมันแต่พอหลังจากสามวันไปแล้วมันเริ่มเฉยแล้วนี่เลยค่ะมันเริ่เฉยค่ะแล้วเรื่องหิวก็ มันก็เริ่มชินเริ่มอยู่ได้ค่ะอยู่ได้ไม่ตายนะหิวก็หิวไปไม่ไมไค่ <laughs> ะอาจารย์ที่หนูถามเมื่อวานปุ๊บแล้วหนูก็ตอนมาทําตอนเช้าอะค่ะก่อนก่อน<ม>ที่จะออกมาเนี่ยอืะ<ม>ที่ถามพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกว่าให้อยู่อยู่ที่จุดเดียวอื<ม>เราไม่ควรขยับไม่ควรอะไรก็คือหนูว่าลองทําตอนเช้าว่ามันโหมันมันแปลว่ามันอยู่ที่เดียวแล้วเหมือนเราเราเราเราเราคุมมันได้ ก็ดีอสติรู้ว่ามีสติคอยดึงตลอดแล้วนานนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยค่ะมันนิ่งไปเลยมันนิ่งไปเลยใช่ค่ะแต่หนูไม่เคยนาไม่เคยอยู่ได้นานขนาดนั้นมันมันจะออกแล้วเข้าใหม่ออกเข้าใหม่แต่อันนี้คือมันมันอยู่อยู่นานมากเลยจิตมันนิ่งเพราะสติได้ออย่างกำลังเราเยอะกำลังที่สู้กิเลสที่เกิดจากการอดอาหารนี่มันทําให้เรามีกําลังเยอะ แล้วพอถึงตอนเจ็บอ่ะค่ะมันมันรู้ว่าตรงนี้เจ็บแต่ปกติถ้าเจ็บปุ๊บเราจะดิ้นแล้วมันเราจะเห็นแล้วว่ามันดิ้นแล้วมันดิ้นเราต้องทําไปคิดอะไรสักอย่างให้มันดับหรือทําแต่อันเนี้ยใช่ค่ะมันมันอยู่กันคนค่ะมันอยู่ที่เดิมอย่างเดิมค่ะมันไม่เคยเป็นแบบนี้อมันมันมีมันได้จุดของความสงบพอมันสงบแล้วมันจะไปนู่นเบรกขามันจะเฉยเฉยกับทุกอย่าง แต่รู้ว่าเจ็บมากนะคะแต่ไม่ได้เจ็บน้อยไปกว่าที่เคยเจ็บเลยแต่ว่าเจ็มันเจ็บทนได้เจ็บไม่เดือดร้อนใช่ค่ะเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยก่อนออกมาดีนั่งได้นานนะได้เมื่อเช้าได้สามชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงครึ่งค่ะเออเด็กข่าวหน้าเราค่ะค่ะปิดใจมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะโอเค ก่าวขคุณค่อะอาจารย์ท่านต่อไปคุณยินดีอยากเซวคโรไลนาเป็นคนไทยไปอยู่ที่นั่นเปิดไมก่อนอันมิวอยู่ที่กลางจอข้างล่างบอกให้อันมิวไมโครโฟนอ่โอเคพะอาจารย์สัญญาณมันไม่ค่อยดีค่ะช่วงนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นอากาศที่นั่นมีพายุเยอะไม่มช่ช่วงนี้ เออที่นี่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีผลกระทบอะไรกันะค่ะแต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้อะค่ะสัญญาไม่ค่อยจะเสถียรนะคะเมื่อช้านี้น้องชายก็มาใส่บาตถามว่าจะฝากอะไรพี่พี่สาวไม่บอกไม่มีแล้ว ส, สาธุค่ะท่านอาจารย์โปรดเขาว่าดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าน้องเขาเป็นคนเขาเป็นคนน่ารักแต่เขาเป็ น, น, น, นคนกไอค่ะนี่แหละค่ะปัญหา ซึ่งแม่เขาก็ห่วงห่วงตรงจุดนี้แหละค่ะแล้วก็สั่งหนูว่าอย่าทิ้งน้องอเขาดีตรงจุดนี้ค่นนนะอ ย, อย่าไปกน ด, ดันเข้ามากเขาก็โ ต, ตแล้วค่ะก็ ห, หนูก็ลองปล่อยดูะคะ่ะก็หนูดีใจคือตรงที่ว่าคือเขาหนูหนูสั่งเขาว่าค่ะว่าอย่าอย่าต้องไปวัดนะาทิ้งวัดเด็ดขาดแล้วไปหาท่านอาจารย์นะคะอืก็ ม, ม, ม, มาเรื่อยอทีละั้งสองคําค่ะเพราะว่าหนูก็มีงบ งบให้เขามาทำบุญเนี่ยค่ะก็ที่งบที่ให้เขาสองหมื่นนะคะท่านอาจารย์ค่ะออขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่ปวดน้องอ่ะค่ะเดวิดสบายดีนะสบายดีค่ะเดวิดกลับนวัตการท่านอาจารย์ด้วยค่ะกลับสวัสดีท่านอาจารย์ด้วยค่ะมีโอกาสาากนะจังหวะดีอาจจะได้เจอกันเห็นหน้ากันบ้างค่ะขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์หนูขอฟังละกันค่ะโอเคได้เช่อาจารจะได้คนอื่นจะได้มีคำถามค่ะ คนสภาวนาจากบอวินเหมือนกันอาจารย์ินอะไรอย่คะเออผมจะได้ยินอยู่พูดไปแต่อ็มามาฟังเจ้าขาพะอาจารย์เอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้ามาพอดีติดกิจก็เลยไม่ได้เข้ามาค่ะอืตอนนี้ก็พยายามฝึกเรื่องสติกับเรื่องความหยุดอยากค่ะพอาจารย์เออพยายามมากๆแล้วก็ฟัง ฟังธรรมพระอาจารย์ทุกวันก็เอามามาปรับมาประยุกต์แล้วเสร็จแล้วก็พยายามมีสติในขณะที่นั่งสมาธิซึ่งซึ่งปกติที่พระอาจารย์บอกว่าเวลานั่งแล้วมันหลับคือตอนนี้ก็พยายามนั่งแล้วก็พยายามมีสติอยู่ก็นั่งได้นานขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็ค่ะก็พยายามปฏิบัติอยู่ตรงนี้ให้ให้มากๆแล้วก็มีสติให้บ่อยๆภายในวันเจ้าค่ะพระอาจารยออ์เแล้วก็นั่งให้มากมาก เจ้าค่ะอวันนี้ก็ขอฟังธรรมเจ้าค่ะพระอาจาร okay, ย์โอเคเชิญเชิญท่านต่อไปคุณร่วมพรอาแพชเชิญคุณร่วมพรค่ะได้ยินแล้วใช่ไหมคะได้ยินดีเสียงดีค่ะเออตั้งแต่ที่ท่านบอกว่าพอเข้าไปนะแล้วก็ให้นิ่งๆก็ลองปฏิบัติดูนี่ก็เป็นเดือนแล้วนะคะก็เลยมารายงานนะคะว่ามันก็นิ่งนะ แล้วคราวนี้ค่ะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณานิดนึงอ่ก็เลยอยากจะขอกราบเรียนท่านอ่ขอวิธีพิจารณาะอย่างเช่นถ้าเราจะพิจารณาวิญญาณในขันท่านะคะจะมีวิธีพิจารณายัางไงคะเออไม่ต้องหรอกในขันทานี้ให้พิจารณาเวทนาเป็นหลักเนมาเป็นทีเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณัมาร่วมกัน ตรงที่มันเด่นที่สุดที่เป็นปัญหาก็คือเวทนาโดยเฉพาะทุกขเวทนาให้พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกบ้างเดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกบ้างเป็นธรรมชาติของมันจะให้มันสุขอย่างนดียวไม่ได้จะให้มันอทุกไม่ให้มันเกิดไม่ได้มันต้องเกิดแล้วเมื่อมันเกิดแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้นานเนานาตา สิงที่เราทำได้ก็คืออยู่กับมันทำใจเฉยๆอยู่กับมันไปอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปเลือกที่รักมากที่ชังแล้วมันจะเกิดตัญหาความอยากให้มาเราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคือคือเท่าที่เคยศึกษาดูนะฮะมันมันก็เลยมีปัญหาโดยเฉพาะอ่าว่าอ่านั่นก็ ไม่ใช่ของของเราอย่างเช่นเราก็ต้องพิจารณาว่าเวทนานี้ไม่ใช่ของของเราใช่ไหมคะเขาหมายแค่ของเราหมายถึงว่ามันเราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันนินฟ้าอากาเนี่เรากบคุมมันได้เปล่ค่ะแล้วไอ้ที่ค่ะเราไม่เป็นนั่นเป็นนี่แล้วนั่นก็ไม่ใช่ตนของเราถ้านั้นแหละเราไม่ได้เป็นอะไรเลยก็าเป็นผู้รู้เฉย ไม่ต้องไปทําอะไรกับทุกสิ่งทุกอย่างให้นิ้วเฉยๆรู้ว่ามันเกิดแล้วมันดับรู้ว่าทุกเวทนาเกิดเดี๋ยวมันก็ดับไปเองไม่ต้องไปทำอะไรค<า>่ะคราวนี้ขอกราบเรียนถามนะคะในหัวข้อของวิญญาณเนี่ยก็หมายความว่าวิาญญาณนี้นะคะเคยฝึกอ่ะคือการเห็นใช่ไหมคะมเรามีเราดูดูจกนกั่งโอ้โนี่มันคือการเห็นแล้วก็นี่คือการได้ยินนี่คือการได้กลิน่น อย่างนี้เรียกวิญญาณใช่ไหมครัใช่แต่มันไม่สําคัญอ่เพราะพอมันเห็นแล้วมันเกิดเวทนาทันทีดูตัว ด, ดูที่ตัวเวทนาเป็นหลักอืมพอเห็นท่ันเกิดทุกเวทนารู้สึกเวทนาขึ้นมาอืมคือหมายว่าตัววิญญาณไม่มีความหมายอะไรมันเป็นเพน<อ>ีแต่ทําหน้าที่ส่งรูปเสียงกลิ่นรสให้ใจได้รับรู้แต่ตัว<อ>ที่เป็นปัญหาก็คือตัวเวทนาเวลาได้เห็นได้ยินเสียงเนี่ยเวลาใครานี้ทุกเกิดขึ้นมาทันทีนะ ไห้ดูตัวนั้นดูตัวเองคือหมายถึงมันยินดียินร้ายที่เห็นที่ได้ยินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องมันไปเิ็ดติดต็ดเดดสิ่งที่มันชอบมันยินดีสิ่งที่มันไม่ชอบมันก็ยินร้ายแล้วก็เกิดตัญหาสิ่งที่ไหนไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปไม่อยากประการะจะสัาผัสพอไม่หายก็ทุกข์ใช่ไหมอือแล้วอย่างการเจ็บปวดถ้าเหมือนการ ก, กันกระโผลทพระนี่ไงเจ็บปวดของร่างกายก็โผล่ทพะ สัมผัสตามร่างกายต่างๆมันก็เป็นเรื่องของผลทัพละมันก็เหมือนการลูกเสียงกลิ่นนิดมันก็คือมีสุขมีทุกข์ไม่ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาก็เกิดตามขึ้นมาแล้วแต่สัมผัสแบบไหนอืมอ๋องั้นไม่ต้องไปดูพวกนี้ดูให้ตัวเวทนาเป็นหลักเวทนาอ่าอืมใช่เฉพาะตัวทุกขเวทนาเนี่ยเพราะส่วนใหญ่นี่เด่นกันนะเหมือนเหมือน เหมือนอะไรก็ไม่รู้เพราะทุกอย่างนี่เด่นกันหาที่หลบกันหมดเลยอืนี่ถ้ามันหลบไม่ได้ก็เครียดกันนะวิธีที่ปฏิบัติกับสิ่งเหลนี้อย่าไปหลบมันอยู่กับมันไปรู้เฉยๆสักหน่งวันแล้วทาใจให้เป็นอุเบกขาทำใจอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปชังมันตอนนี้เราจะชังทุกขเวทนากันใช่ไหมพอมาจะปัดมันจะกำจัดมันให้ได้พอกําจัดไม่ได้ก็เครียดทุกขกัน ถ้าเราไม่ไประหยัดไม่ไม่ไปชังมันเฉยเฉยมันมาก็มาอยู่กับมันไปสบายไม่เครียดไม่ดีกว่าอันนี้หมายถึงอทางร่างกายใช่ไหมคะก็ทุกอย่างที่จะพูดที่วิญญาณนี้ก็เกี่ยวกับร่างกายค่ะรูปเสียงกลื่นรถถอดทา่ามันก็แล้วเกี่ยวกับจิตใจด้วยไหมฮะจิตใจว่าตัวหนึงอะนั้นมโนตัวนั้นมันเป็นความคิดปรุงแต่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจก็เหมือนกันก็มีอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดี มุ่งสร้างสงบนี้ก็เราก็เป็นเรื่องที่รักมักทยางกับอาโรมอีกอ่และอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเครียดมากแล้วทำให้ทุกอย่างนี้ก็เข้าเข้ากรณีเวทนาเหมือนกันเวทนาแต่มันเกิดจากจิตมากกว่าใช่ไหมทุกเพราะว่าเราเครียดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ได้มาทางตาหูจมูกลิ้วกรารล้วมาทางจิตจิตเราไปอยากแล้วเราไปแก้ที่มันเป็นอริยสัจมันเครียดเพามันอยาก อยากได้สิ่งนั้นพอไม่ได้มันก็เครียดแล้ว อ, อยากให้สิ่งนั้นมันไม่ปมันเป็นอย่างนั้นมันพอไม่เป็นก็เครียด <c oughs> ถึง้าพิจารณาว่ามันก็เป็นอนัตตาไปไปบังคับมันไม่ได้อือถ้าอยู่กับมันไปอือค่ะอย่างนี้หนูรู้สึกว่ามันเนี่ยพิจารณาอย่างนี้มันจะเข้าที่เข้าทางเราไม่ใช่จะไปเอาตามตัวหนังสือเป๊ะเป๊ะ ไม่ได้เราดูความจริงเนี่ยความจริงในใจเราเนะี่ย ม, มันก็อยู่ที่ตัวทุกขาเวทนาเป็นหลักทุกทางกายหรือทุกทางใจออื ม, มันก็เราก็ทําอะไรไม่ได้มันเป็นอนิจจังอนัตตาเราก็ต้องทําใช้อุบเบกขาสู้แบบนั้นนั่นอนะย่างสัญญาสังขารมันมาด้วยกันมันทํางานพร้อมกันพ อ, ญญพอวิญญาณได้ยินเสียงปั๊บสัญญาก็มารัดจําเสียงว่าเป็นเสียงไข่ ดีไม่ดีก็สัญญาทํางานนะพอดีสังขารก็ทํางานเงนี้ยก็ไปต้อนรับเขาเสียเขาพูดดีก็ไปทักทายเขาถ้าเขาพูดไม่ดีก็เดินหนีนี่ก็หน้าที่ของสังขารที่บางทีมันหนีไม่ได้มันต้องมันต้องพบกันมันก็ต้องใช้อุเบกขาเขาจะมาเป็นขบวนการเดียวกันแป๊บเดียวเลยทีเดียวมันเป็นทีมอะ เพื่อให้ดูที่ตัวเวทนาเป็นหลักโดยที่ความรู้สึกตามรูปเสียงก ล, ลิ่นรสในเวลาที่เราสัมผัสกับมันนะแล้วเราไม่มีความรู้สึกอะไรก็ใช้ได้ถ้าเริ่มทุกข์ก็ผิดนะถ้าถ้าเริ่มสุข ก, ก็ผิดแนละ้วถ้าไปชอบก็ผิดไปชังก็ผิดเยต้องเฉยเฉยอย่าไปรักอย่าไปชังปล่อยเขาเป็นปล่อยเข้ามาปล่อยเข้าไปปล่อยเขาอยู่อ <c oughs> แล้วใจเราก็จะไม่เครียด ใจเราก็จะเฉยเฉยสบายใครด่าก็ปล่อยมันด่ามันทําตัวเป็น้าผนังดูสิเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเองอะ่ะใช่ไหมเราให้มันนั่งดา่า้าผนังสักพักเหองไม่มีใครมันเดี๋ยวก็หยุดหยุดด่าเองอะ่ะใช่ไหมอ่านั่นอ่ะคุเบรขาก็อย่างนั้นเฉยเฉยใครก็จะพูดใครก็จะทำอะไรก็เฉยเฉยถ้ามันเป็นภยัยต่อร่างกายหลบได้ก็หลบหลีได้ก็หลีกหลบไม่ได้หลีก ไ, ไ, ไม่ได้ก็ถือว่าถึงทาวเพรามันต้องเจ็บตัวแล้วก็ปล่อยมันเจ็บไป แต่เราจะไม่ตอบโต้เขาเราจะไม่เราจะไม่ไปแก้เขาเราแก้ที่ใจเราตัวเดียวแต่ก่อนนะฮอย่างเคยได้ได้ว่าเออเราต้องยอมเขาอย่างงู้นอย่างนี้นะมันไม่มีเลื่อนนักสู้เลยแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติมานะะมันได้อีกแง่เลยว่าใช่เราไม่ไปทํากรรมต่อใช่ชนะต่อเลยชนะต่อเลยชนะพูดจะได้ไม่มีกรรมยืดเยื้อกันไปไม่มีเวรไม่ีกรรมเลย เราไปตอบเขาเขก็ยิงกัะมาแรงกเก่าอีกอ่ะใช่ใช่เคยนึกถึงขนาดที่ฟังท่านอาจารย์บอกถ้าจะฆ่าก็ฆ่าไปถ้าเราไปตอบโต้นะมันไม่หมดมันก็อย่างเงี้ยจะบนเวียนไปวัาิยมอย่เย็นใช่ยอมหยุดแล้วก็เย็นสบายดีกว่าเอาใจสบายดีกว่าตายแบบเย็นดีกว่าตายแบบร้อนเราอยู่แบบร้อนร้อนด้วยความเครียดร้อนด้วกควาโกรธแค้นพยาบาด มาฟังท่านนะคะแล้วมาถามท่านหน่นข่าวที่แล้วก็หยุดปฏิบัติไปเป็นเดือนเลยนะคะหมายความว่าหยุดเพื่อปฏิบัติแล้วก็วันนี้ก็เพิ่งกลับมาฟังท่า น, นอาีก ม, มีปัญหามีแล้วก็เข้าม า, านานๆเข้ามาทีไม่ต้องเข้าบ่อยๆแล้พวพกเข้าบ่อยๆอนี้แสดาไม่ค่อยไปปฏิบัติกันนะเท่าไหร่อ่าถ้าไม่ทํามันไม่มีปัญหานะฮะแล้วพอทำไปมันก็จะเจออีกปัญหาหนึ่งก็ต้องมาเรียนถามครูบาอาจารย์นี้เลยค่ะ กลบขอพระคุณค่ะโอเคทําต่อไปนะรวมไปไกลแล้วนะทําใจไปดูเบรขาดนะในทุกกรณนะีเป้าหมายอยู่แค่ตรงนั้นค่ะยอะยา่ยดเย็นค่ะอ๋อเคยนึกถึงครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะอย่างพี่ท่านเคยตอบปัญหาคนว่ามันต้องปล่อยนะอย่างคนที่เขาขึ้น BTS แล้วก็อตอนเขายิงกันนะฮะตอนอแล้วท่านก็บอกอไม่ปล่อยนี่ถ้าอย่างนี้นะ ถ้าปล่อยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็ฟังก็ไปก็เอามาปฏิบัตินะฮะตอนหลังรู้สึกว่าเออมันต้องปล่อยร่างกายจริงๆนะพร้อมด้วจิตเราจะไปแต่มาสองสมวันนี้นะฮะรู้สึกมันจเจริญขึ้นว่ามันปล่อยแต่กายไม่ได้นะั้นเรื่องราวอารมณ์พอใจใครไม่พอใจใครหรือเรื่องอะไรทั้งหมดอะที่เกี่ยวเนื่องต้องปล่อยหมดหทั้งข้า ง, งนอกทั้งข้างใน ฮะทั้งกายทั้งอารมณ์ทั้งหมดต้องปล่อย ใ, ให้มันก็อย่างกลยกายเวทนาจิตยอย่างนี้สติปัญสีปล่อยได้ปล่อยค่ะคคือต้องให้มันหมดเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยถูกต้องค่ะกราบขอบพระคุณท่านโอเ ค, คสาธุท่านต่อไปคนวิไลไม่เปิดา้าบไม่ทราบจะจะพูดหรือเปล่าทำไมเดี๋ยวจะเลยไปที่ท่านต่อไปก่อนก่อนนะ คุณสุทัศนีเาิญรย์คุณสทนีอยู่ที่ไหนเดิมนะกรุงเทพเลยปทุมประทุมว่าไงมีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรเจ้าค่ะก็มารับฟังเจ้าค่ะแล้วลูกสาวมาฟังด้วยเนี่ยเขาอยากเขาอยากเจอพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้ฟังรู้ได้หรือเปล่าเป็นเรื่องไหมไม่แน่นะอย่าไปประมาทเด็กนะ ทรรมะนี่มางทีเด็กก็ฟังเรื่องถ้ามีปัญญา่ะเคยขึ้นไปบนเขานะคะพระอาจารย์แล้วก็ขึ้นไปบนศาลาตรงบนเขาชีโอนเขานั่งฟังได้เป็นชั่วโมงเลยค่ะทั้งหมอค่ะแสดงว่าเขามีจิตที่มั่นคงมีสมาธินี้นี่ก็ฝึกเข้าไปเรื่อยๆนะให้เขาเข้าหาธรรมะบ่อยๆอยากไปประมานะสมัยพุทธกาลสามมาในก็บรรลุเป็นพระอรหันได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ เขาอยากฟังวันนี้ก็ขอเข้ามาฟังด้วยค่ะอดีทําไม่รับครับเขาเข้ามาอยากฟังนีแสดงว่าเขามีเขามีฉันทะมีวิริยะมีที่บาทศีลค่ะอาจารย์ค่ะมีอยู่วันหนึ่งตอนที่ขึ้นไปทําบุญกับท่านพระอาจารย์ค่ะพอดีเขาเขามีเงินเก็บของเขาเองนะคะแล้วก็อยู่ๆวันนั้นเราก็เตรียมเตรียมเตรียมของไปทําบุญกับท่านพระอาจารย์แล้วก็มีมีซองอ่ะค่ะ แล้วเขาก็เอาเงินเอาเงินของเขาที่มันเป็นเงินที่ที่เรา <Okay. S 2> ให้มาเยอะจังใช่จ้ะค่ะพระอาจารย์ค่ะเพราะเขาบอกว่าคุณแม่เดี๋ยวอ่าฟ้าอ่าฝากไปให้ท่านพระอาจารย์สุชาติอืมก็ตกใจเลยค่ะพระอาจารย์ขค่ะใจก็มีธรรมอยู่นะมีะทานมีศีลมี ส, มสติตมีสมาธิด่งนั้นถึงแม้ร่างกายเป็นเด็กแต่ใจอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่ก็ได้นะ คบารมีเก่าเลยความวุ่นนี้เป็นบารมีเก่าติดมากับจิตใจค่ะทานบารมีศีลบารมีเจ้าค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรเจ้าค่ะดีสาธุไปไหนไปวัดก็เอาเข้าไปด้วยถ้าไปได้เอาไปด้วยนะข้ามเข้าไัเข้าไปค่ะอาจารย์คะโอเคอันต่อไปคุณแพตที่กัญญากรมีอะไรไหม เข้ามาใหม่คนนี้อยู่ที่ไหนก อ, อ, อยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพเมีอะไรัหยไม่มีเจ้าค่ะพอดีลูกอยากลูกลูกสาวรอฟังค่ะแต่ข้างสลบไปก่อนก่ออ่าค่นี่คิวยาวหน่อยนะค่ะเ <Okay. S 2> พิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยหนูเข้ามาสองสาครั้งแล้วเจ้าค่ ะ, อะโอเคอาจจะใช้ชื่อรืองจำไม่ได้ได้ค่ะโอเค ยขอไปที่ท่านต่อไปนะคุณเกษเลนจากนอร์ h แ a r o ไลน a เใช่ญกมค่นักการค่คะพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างร่วงคำถามด้วยด้วยค่ะอาทิตย์แล้วไม่ได้เข้ามา <c oughs> เข้ามาอล่าอาทิตย์แล้วไม่ได้เข้าจะค่ะ <c oughs> แต่ว่าฟังอยู่รอบนอกเจ้าค่ะอืม <c oughs> <c oughs> แต่โยมมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งคือว่าระลาจิตรวมกับจิตนิ่งเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่า จิตเราไม่ฟังซ่านแต่ว่าจิตมันไม่รวมก็ได้จิตน่งแบบไม่รวมก็ได้จิตถ้ารวมนี่มันมันมันเข้าไปข้างในมันไม่รับรู้เรื่องร่างกายเลยอ๋อเจ้าค่ะแต่ว่าเราจะไปรับคับไม่ได้ถ้าจิตมันจะรวมมันจะรวมของมันเองอยู่ที่กําลังของสติถ้าสติมากมันก็รวมได้ถ้าสติน้อยมันก็รวมไม่เต็มที่ มัน<อ>งสงบมันนิ่งแต่มันยังรับรู้เรื่องราวทางตาหูจมูกนิ้งกายหน้าอยู่คแต่ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้มันนิ่งมันเป็นอุเบกขายอยู่เหมือนเดิอค่ะนัอยู่ที่กำลังของสติเราถ้าสติเรามีมากมันก็เข้าไปแบบแบบแบบล่ามลายหายไปเลยเนื้อใจผู้รู้ตัวเดียวอทางธรรมเวลาเวลาเขารวมเนี่ยคือว่าเขารวมไปเองคือว่า อย่าไปเจ้าอย่าไปเจ้ามอย่าไปเจ้ามียิ่งเจ้ายิ่งไม่รวมให้อยู่กับพูดโธหรืออยู่กับลมไปอย่างเดียวเจ้าค่ะดี๋ยวาไปจีดถึงว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะรวมทันทียังไม่รวมไปเหรอแต่อย่างนี้ไม่มีวันรวมนะพูดโธพุทโธพูดโธไปไม่รู้ไม่ชี้ไปดูลมไปนั่นคนปิดตาเดินเดี๋ยวไปเจอหลุมก็ตกหลุมไปเลยอย่างนั้นนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะตกไป บางทีเวลามันรวมมันรวแบบนั้นนะบางทีมันเหมือนตกจำตกลงมาจากที่สูงจะค่ะแต่ถ้าเราคอยไปมองข้างหน้าโอ้ตรงนั้นมีหลุมมีหลุมไม่เดินมันก็ไม่กล้าเดินหรมันก็ไม่ลงอะไรเงี้ยปิดตาแล้วก็เดินอ่ะมันจะมีหลุมมันจะนองขึ้มันลงไปวะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะาใจนะนี่อย่าไปสนใจว่าจะลวมหรือไม่รวมนะถ้อยู่กับพู้ที่โทรไปอยู่กับลมไปเจ้าค่ะ ไม่มีะอะไรเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอคุณธนานพ์จากศรีรัชชาใช่ไหมคุณธนานพ์กรรมการกรรมธรรมสการ์อาจารย์ครับศรีรัชราใช่ไหมศรีรัชชาใช่ครับมีอะไรไหมวันนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรครับปดีมามามารยายงานความคืบหน้าตอนนี้ผมเริ่มนั่งแบบไม่พิมพ์ได้แล้วแล้วก็เริ่มนั่งได้นานขึ้น จากปกติแล้วก็เหมือนที่พระอาจารย์แนะนําไปคราวที่แล้วเรื่องการฝึกสติไม่ได้ฝึกแค่ตอนนั่งสมาธิอย่างเงี้ยครับเริ่มรู้สึกว่าทําได้ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยจะรู้สึกกับเขาเรียกอะไรครับคือสิ่งรอบข้างเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าจะไปทุกหรือว่าจะไปสุขอะไรกับเขามากอะไรเงี้ยครับอจิตเริ่มเป็นยงเบค้าแล้วจิตเริ่มวางเฉยดี ทำเยอะๆฝึกไปเรื่อยๆพยายามฝึกสติบ่อยๆทั้งวันได้ยิ่งดีส่วน เ, เรื่องเรื่องการเดินจงกรมครับพอาจารย์ผมจะต้องเริ่มฝึกยังไงได้บ้างครับก็เวลานั่งแล้วเมื่อยอยากจะเปลี่ยนในิยาบทนั้นเดินก็เดินได้แต่ก็จเจริญสติเหมือนเดิมพุทโทเหมือนเดิมหรือถ้าจะดูเท้าแทนก็ได้ถ้าดูลรงมาดูเท้าแทนก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไป อันนี้หมายถึงคนที่จะปฏิบัติต่อเนื่องทั้งวันเนี้นั่งนานๆไม่เมื่อยก็ลุกขึ้นมเดินเจ้ากรมต่อแต่ยังข้างหายเมื่อยก็กลับมาเปนั่งต่อแต่ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติถึงขนาดนั้นอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเดินก็ได้หรือว่าถ้านั่งแล้วมันจะหลับก็ลุกขึ้นมาเดินแทนก็ได้เพราะว่าช่วงแรกนะครับผมรู้สึกว่าผมไปมุ่งแต่เรื่องวิธีการแต่ว่าเรื่องไม้เทปผมไม่ได้นี่ครับแต่พอเริ่มฟังพระอาจารย์ทุกวนันทุกวันมากขึ้นก็เหมือนกับเริ่ม ตกผลึกว่าจริงๆแล้ววิธีการมันจะมาที่หลังเรื่องไม่เสร็จมากกว่าถ้าเราคิดได้ว่าการฝึกสติมันมันคือมันมันอาจจะไม่ต้องขึ้นกับวิธีการมากนะครับแต่ถ้าให้รู้ให้รู้วิธีทําแล้วก็ทําเลยดีกว่ามันนําคิดเจนนะมันชอบหลอกให้เราคิดอยู่บ่อยๆแต่ไม่ให้เราทำสักทีใช่ครับสู้ทําดีกว่าแล้วมันจะเรียนรู้ไปในตัวเอยประสบการณ์มันจะบอกเราเองผิดอย่างไรถูกอย่างไร ครับครับก็วันนี้วันนี้ก็ขออนุญาตฟังครับอาจารย์โอเคได้ครับรองคาร์นต่อไปคุณยาดายาดาจะอยู่ที่ไหนคุณยาดาเปิดเปิดไมค์ก่อนเอาอยู่ที่ไต้หวันถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมอาเกิยดค่ะอาเกียดหลายคนพิธีมรดกนะคะต้องขออภัยเอรรยาในมิตรทุกท่านนะคะที่ขยับตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้กําลัง ทำขอกล้าวอยู่นะทำอง้าวยู่เปนเรื่องคีนต้องขอแต่เขากราบขออภัยพระอาจารย์ด้วยนะคะรไม่เป็นไรเฟังไปฟังได้แต่วันนี้ก็ไม่เป็นอะไรเจ้าค่ะก็เข้ามาฟังเฉยๆได้มาพบกัลยาณมิตรอี่ามีเพื่อนฝูงอยู่ที่ต่างหาหาามิตอย่างนี้ไม่ยากนะหาคนที่ชอบธรรมะด้วยกันยากนะค่ะ ไม่ได้ใช้จอใหญ่ก็เลยไม่ได้จะไม่ได้เห็นหน้าทุกๆท่านนอกจากจะเลื่อนดูเอาค่ะว่าอยู่ในครัวก็เลยต้องใช้โทรศัพท์เข้ามาใช้เอาค่ะไม่ได้ใช้จอใหญ่โอเคอยู่เมืองอะไรอ่าอยู่ยอร์คเชอร์ค่ะอยู่เชอรไม่ไกลอ่ายอร์คเชอยู่ไม่ไกลจากแมนเชสเตอร์นะคะแล้วก็ไม่ไกลจากสกอตแลนด์ตอนกลางใช่ไหมรู้สึกตอนกลางของอังกฤษแมนเชสเตอร์ตอนเหนือเจ้าค่ะต็เหนเลยเลยติดสกอตแลนด์เลย ค่ะห่างจากสกอตแลนด์ประมาณสี่ชั่วโมงค่ะค่ะห่างห่างจากแมนเชสเตอร์ก็ประมาณสักชั่วโมงกว่ากว่าค่ ะ, อะโอเคไปอยู่มานานไหมหรือปีนี้เข้าปีที่หกค่ะที่อยู่จริงๆจังๆเลยกะปีนี้ปีที่หก่ะแล้วกลับมาบ้านบ่อยไหมอ่าแต่ก่อนก็กลับทุกปีค่ะปีแลวอว บ, บางปีก็สองครั้งแต่ช่วงโควิดนี้ ไ ม, ไ, ไม่ได้กลับเลยต้องกล<อ>ับเลยนะแต่ okay. ต้องรอค่ะจะรอวัคซีนให้ได้วัคซีนซะก่อนแล้วก็ให้ได้วัคซีนแล้วก็ไม่เขาไ ม, เไม่ต้องล็อกดาวน์แล้วไม่ต้องกลับตัวแล้วค่ะถึงจะสะดวกไปใช่แล้วก็ให้ผู้สูงอายุก่อนไม่ใช่เหรอยอมผู้สูงอายุแล้วให้ผู้สูงอายุได้แล้วเจ้าค่ะอ่าโยมนี่จะเป็นคิวที่ใด้จะได้แล้วแล้วก็หลังเมียสานี่ก็น่าจะได้แล้วค่ะ okay. ใจเย็งเงยนเก็บตัวไว้ก่อนเพความปลอดภัยนะอย่าออกไป้างอค่ะสาธุค่ะโอเคเินไปที่ท่านต่อไปคุณนภพรวอเตอร์อยู่ที่ไหนอํากฤเหมือ น, นกันเลยอันดันกออยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์เมืองอะไระ่ะอยู่ซูริคค่ะซูริโอเคค่ะไม่มีคำถามค่ะเข้ามาฟังค่ะ ถ้ามีโอกาสจะพยายามเข้ามาฟังตลอดค่ะอยู่ที่ทำงานตอนนี้เพื่อนใช่ค่ะอต้องใส่หน้ากากนะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาค่ะโอเคยังก็เชิญฟังไปเรื่อยๆนะขอบขอบขอบขอคุณค่ะ ค, คุณอนุมาร์แก้วบัวเชิญจากอุดรนธานีกราบมมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะร่วมฟังธรรมเจ้าค่ ะ, ะสบายดีไปวัดตาบ้านตาบ่อยไหมช่วงนี้ไปเจ้าค่ะ เมื่อกี้ก็ไปเมื่อกี้ก็ไปปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะอาจารย์สุตธรรมยังอยู่ว่าแบบยังอยู่เจ้าค่ะอาทิตย์นี้ก็อยู่บ้านตาเจ้าค่ะท่านไปไปมามาเลยใช่ค่ะท่านไปเมื่อกี้พอดีท่านมีจิตในมลไปงานตรงปู่ค่ะอาวานนะคะที่วัดวัดนาคดิมิตรสกลนครเจ้าค่ะนก็ว่าตอนนี้เขาตั้งให้ท่านเป็นเจ้าวัดอย่างถาวบแล้วเลยใช่เจ้าค่ะ แต่เป็นพาวลแล้วก็รักษาการเจ้าอาวาสวัดปานองไผ่ด้วยเจ้าค่ะรักษาการวัดเก่าอยู่ใช่เจ้าค่ะโอเคไม่มีอะไรนะไม่มีเจ้าค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกทุกข้านะคะสาธุคุณจีบจากแมริแลนด์เชิญจิบกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวยนสวัสดี ล้างจานค่ะว่าจะเอาอาหารสมัยพระพุทธค่ะพระพุธกินข้าเลพระพุธกินข้าวได้เลยฮะก็คุณแม่บอกยมทํามาตั้งแต่เด็กๆยอมก็เลยอยู่ที่นี่ยมอะไรติดก็เลยทําด้วยลูกชายยอมลูกชายเสร็จแล้วกินอ่ะเรากินใช่ไหมเสร็จแล้วโยอมก็ต่อค่ะ เล่นก็ไรเล่นในเกมชาบเล่นในเกมมลูกๆก็ถามใม่เอาอาหารถวายคอะสารสิริราปฏิบัติพุชาตินี่ค่ตามแม่ลูกก็ถามแล้วท่านจะฉันยังไงแล้วท่านจะกินยังไงท่านน่้จะโม่แสดงความโม่ให้ลูกแล้วยังไปสอนให้ลูกโม่ตามอีกลูก ยอมก็บอกเออนั่นนะแม่ก็ไม่รู้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีดีที่เราทําแล้วแม่ก็คือหลงงง่ายก็เป็นความหลงงงายไม่เกี่ยวหรอเจ้าคะไม่เกี่ยวบูชาพระพุทธรูปกับบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนอ๋ออย่างนั้นที่วอาใช่ไหมแล้วสวดไหว้พ้าสวดมนต์ก็ปฏิบัติบูชาต่อพระพุทธรูปไปดีกว่าคเดี๋ยวเราเด็ดผิดผิดด้วยเดี๋ยวเด็กก็ตามเราไปผิดผิดเอง ลูกคงไม่ทําเราค่ะลูกยงคงแบบฝรั่งนิดนึงเขาคงเขาก็ไม่เชื่อเ่ยเห็นท่านใหเราทำจริ้เขาก็เริ่มเข้ามสงสารแม่เราม้างแล้วเปล่าเขาก็มองบุญเขาก็มองบุญแบบมองบุญเออปล่อยแม่ไปเถอะย่องก็บอกไม่เป็นไรให้แม่ทําคนเดียวก็ได้แต่บุญที่แม่ทําดีๆแม่ยกให้ลูกแล้วกันไม่ได้เลยบุญแม่ได้สักบาทเดียวถ้าอยากจะได้บุญเอาเข้าที่ใส่พระใส่ ตอวกเจาลูกไปใส่บาหรือไปให้คนคนยากจนกินะถึงจะได้บมดได้ทานให้นกให้นกให้อะไรได้ใหสัตว์ก็ได้ก็เป็นทานเหมือนกันจะกินเองไม่ได้ทานเลยกินไดรับประทานสัตว์โลกยอมเป็นสัตว์โลกเหมือนกันแต่เป็นของของเราของเราก็ให้คนอื่นไม่ให้ตัวเราเองออย่างนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่คิดว่า เออถ้าเราถวายพระพุธใส่บาตรใส่อะไรที่แบบของที่เราชอบเราตายไปเราจะได้กินของที่เราชอบไม่ไม่ได้เลยไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวใช่ไหมคะมเกี่ยวแล้วทำไก็ไมไม่ได้ตายไปไม่มีบุญติดตัวไปเลยเว่า<ร>เอาเอาข้าวที่ไปทำบุญกี่อักงคำมากินหมดแล้วมันจะไม่ได้บุญตรงไหนอาจารย์พูดโยมหมดกําลังเลยอ้าวผก็ใหมดกำลังว่ามันผิดใช่ไหมเข้าใจไหมไม่ถูกทาง เจ้าค่ะโยมน้อมรับฟังน้อมรับปฏิบัติเจ้าค่ะเอาไปทําบุญทาทานดีกว่าข้าวที่บูชาพระพุทธรูปเนี่ยนค่ะก็เก็บสมเนี่ยวละกี่เหรียญเน่ยค่าค่าข้าพระพุทธรูปเนี่ยพอเวลาไปวัดก็ไปถวายวัดเลยก็ได้ได้บุญจริงจริอย่างได้บุญแน่ๆค่ะโยมก็รออยู่เจ้าค่ะเพราะว่าพอดีช่วงนี้หิมาตกยังละลายไม่หมดค่ะ ดีกว่าเข้ามาบูชาพุทธรูปเสร็จแล้วก็มากินไม่ได้อะไรเลยได้แต่น้ำหนักเพิ่มเป็นโทษต่อน่างการนล่วสิอันนี้อาจจะจริงเจ้าค่ะก็ไม่มีอะไรกับค่ะพระอาจารย์ยมก็ตอนนี้ยมเริ่มนั่งสมาธิทุกวันก็สงบขึ้นไม่หลับแล้วนะเจ้าค่ะเออดีพยายามน่าให้วันพักขึ้นไปนะเราถ้านั่งไปแล้วบางทีลมหายใจมันหายไปคำภามนามันหายไปนี่คือ เราต้องเรียกสติกลับมาภาวนา ต, อนต่อไหมคะถ้ามันสงบก็ให้ลูกเฉยๆก็ไดนะ้ดูว่ามันคิดหรือเปล่าให้ลูกเให้ลูกเฉยๆให้มันรู้เฉยๆไม่ให้มันคิดอะไรให้สักก่งแต่ว่ารู้ไปค่ะเจ้าค่ะยอมจะพยายาปฏิบัตินี้วันโยมนั่งวันละสองรอบวันละชั่วโมงตอนเช้ากับตอนเย็นนะค่ะก็ก็ก ด, ดกีดีมากดีมากพยายามทําไปเรื่อยๆอย่าอย่าท้อนะไม่ไม่ทําไม่ลดนะ เอาเต็มกําลังแล้วค่ะไม่มีลดราคาแถมนะมีแต่เพิ่มร้านกํันนะมีแต่เพิ่มราคาอย่างเดียวพระอาจารย์เป็นเป็นผู้จัดการบริษัทเราต้องทำใช่ผู้จัดบริษัทผุทธบริษัทเจ้าค่ะค่ะพระอาจารย์อักษาสุขภาพนะเจ้าค่ะยาลาธุษะอ๋อเดี๋ยวโยมอ่าไม่แน่ใจว่าสลินทอนเขาเข้ามาหรือเปล่าวันนี้แต่เขาไม่มาดีละเมื่อกี้เขาเข้ามาช่วงภาษาอังกฤษเาภาษาอังกฤษ เดี๋ยวเขาจะกลับวันเสาร์นี้แล้วเจ้าค่ะวันนี้ก็อาจจะไม่สะดวกก็ได้ค่ะค่ะค่ะกลับนมัสกา ร, าราค่ะอาจารย์เชิญคุณฟ<ข>ังวิไลฟังวิไลจากบ้านอำเภอใครมาพักบ้านอำเภอ<ม>พักที่เรนนอซองได้นะนะคุณปฟังวิไลเป็นผู้จัดการที่นั่นผู้จัดการทุกคนค่ะก็โชคดีค่ะอาจารย์เสาร์นี้เอาเป็นเี้เก้าสิบเปอร์ซ็นตค่ะอาจารย์เก้าสินั่นโชคดี ค่ะแต่ว่าวันวันวันอาทิตย์ก็เช็คเอาก็ก็เป็นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของความเป็นจริงมันมีขึ้นก็ต้องมีลงช่วงนี้ก็มีแต่ช่วงวิเฤติหน้าสาวอาทิตย์คนยัมาค่ะเดี๋ยววันสุกนี้ก็หยุดสามวันก็คงยังมีจองไว้ันนั้นเยอะมีมีค่ะตอนนี้ก็เตรียมกำลังคนไว้เรียบร้อยแล้วจะค่ะแต่ว่าโยมกะว่าตอนแรกโยมว่าจะมาฟังธรรมพระจางโยมคิดไปชิดมาโยมว่าไปไปเยี่ยมพ่อที่สระบุรีดีกว่าไป ไปกราบพระอาหารหันต์ที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ดยวยมไปใกล้พระอาจารย์ดูดูแลพาระอรหันต์ด้วยนะพ่าที่บ้านสำคัญนะค่ะเดี๋ยวจะให้พ่อเดี๋ยวจะเปิดเปิดไลฟ์ค่ะไลฟ์เฟซบ o ๊แล้วให้พ่อฟังดยพ่พดูดแนะนำเขาเคยเขาชอบต่อไปก็จะได้ติดตามได้ค่ะมียมมีคำถามก็คือช่วงที่ผ่านมายมยมมีปัญหาเรื่องการทำงานนะคะวนเวียนมาในของวั รวมทั้งในเรื่องของการทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานด้วยซึ่งโยมก็มาคิดว่าโยมโยมก็จะมะีไม่สามารถที่จะตัดหรือว่ากําหนดในเรื่องของความโกรธได้พอยมมานั่งสมาธิโยมก็นั่งได้ปกติค่ะพระอาจารย์แต่ว่าแทนที่โยมจะได้รวมรวมสมาธิได้เร็วขึ้นปรากฏว่ายมต้องใช้เวลานานมากกว่าที่โยมจะเข้าสมาธิให้นิ่งค่ะเพราะว่าเราอยากเอาชนะ เราถึงโกรธเขาเวลาถ้าเขาไม่ยอมเราค่ะอย่าไปอย่าไปอยากเอาชนะเขาพูดด้วยเหตุด้วยผลเสร็จก็จบเขาฟังเมือไม่ฟังก็เรื่องของเขาเราไปบังคับเขาไม่ได้ค่ะเจ้านายฝรั่งเขาก็บอกว่าพีเอ็มอหาท่านก็บอกว่าเป็นพรายอมโยอมมาชอบยอมพอยอมปุ๊บแล้วมันก็เป็นแบบนี้ก็เขาก็เขาก็จะพยายามเขาก็จะพยายามบอกโยมว่าโยมต้องหัดต้องหัดเอาชนะเขาบ้างแต่โยอมก็คิดว่าโยอม่็คนรจะต้องยอม มันก็เลยเหมือนกับความคิดมันก็คานกันนะคะใชนก็คิดไปในทางทางธุรกิจทางทางโลกแต่เราคิดในทางธรรมเราคิดทางด้านจิตใจถ้เราต้องการใจที่สง บ, บเราก็ต้องยอมถ้เราต้องการเอาเอาชนะทางโลกเราก็ต้องทนกับความรู้สึกเครียดในใจเราค่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าใช้อุเบกขาเป็นหลักค่ะไม่ไม่ไม่พยายามไปกดไปเกียรเขา ใช่เราก็ทำหน้าที่ของเราบอกเขาแล้วก็จบถ้าเขาเขาทําตามหรือไม่ทําตามก็เรื่ของเขาค่ะขอบพระคุณค่ะมีอีกคําถามหนึ่งนะคะพระอาจารย์ได้เคยจริ ง, รงๆเคยเคยว่าจะถามพระอาจารย์หลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องของที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงว่าจงแสดงธรรมในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอะคะ่ะแต่ทีนี้โยมที่ว่าโยมจะไปหาคําตอบก่อนปฏิโยมได้คําตอบก็คือมีคนก็เอามาแชร์ว่าอา การแสดงธรรมเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดก็คือศีลสมาธิใช่ไหยคะทุพระอาจารย์ก็มันมีหลายความหมายนะแล้วแต่แล้วท่านก็ไม่ได้เจาะจงว่ามันมีความหมาย ห, หรือไม่เท่าไ่เาะวลาเราเราฟังธรรมแต่ละข้ามันก็แบ่งเป็นสามตอนได้ตอนตอน้นตอนกลางแล้วก็ตอนปลายอย่างนี้ก็ได้เหมืนกันไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นศีลสมาธิปัญญาเสมอไปซึ่งบางทีตอนต้อนอาจจ ะ, ะแสดงศีลก่อนแล้วตามด้วยตอนกลางแล้วตาม ตามด้วยสมาธิแล้วตอนปลายก็ตกจบท้ายด้วยปัญญาก็ได้ค่ันนั้นก็ขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากํลาลังฟังอะไรใช่ไหมคะอาจารย์ท่านเองไม่ต้องไปกังวลว่ามันเป็นอะไรนะกาแสดงธรรมก็ฟังไปตอนต้นแม่ะอะไรก็บางทีตอนต้นท่านก็เป็นอารมณพอารมณบทไปก่อนพูดนึงนั่นพูดอย่นี้แล้เดี๋ยวก็ค่อยเข้าสู่เรื่องธรรมอีกทีค่ะไม่เป็นปัญหานี่ยเป็นเพียงแต่การ การแสดงบอกว่าการแสดงทำของพระพทเจ้าเนี่ยสวยงามทั้งเบื้องต้นทั้งเบื้องกลางและเบื้องปลายนั่นเองมาะมายครบบริบูรณ์ทั้งสามส่วนค่ะตอนนี้ตอนนี้โยมทําสมาธิได้เต็มที่ก็ประมาณชั่วโมงนะึงนะคะแต่ว่าโยมจะปล่อยไปเป็นพักๆแล้วก็นั่งพักแล้วก็นั่งต่อก็โยมก็จะพยายามทําให้มากขึ้นเหมือนญาติทําหลายๆท่านที่เขาทําทําได้โยมก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆ<ต> ก็ทำเท่าที่เราทำได้เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะเครียดนะเห็นก็เลยก็ทําได้มากกว่าเราแล้วแบบยังทําไม่ได้ค่ะค่ะขอบพระคุณครับอาจารย์โอเคคุณสภัทาจากดัลลัสเป็นไงท้ายหนาวยังยังหนาวอยู่เลยใส่เสื้อหนาวอยู่แล้วใครฟ้ามาดับน้ำมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมามาแล้วค่ะค่อยค่อยดีขึ้นละค่ะที่ค่ะค่ะเจ้าข่ามาแล้วเจ้าข่าเราดนเป็นใครฟ้าไหมคนหนึ่งเขาแาบยังยังไม่ทราบอ่ะเจ้าค่ะ ยังไม่เห็นบินนะเจ้าค่ะยังไม่รู้ว่าจะเป็นไงบ้างเจอค่ะพวกที่โดนเพราะว่าเขาไปทำสัญญาอะไรแปลว่าถ้าไฟไฟน้อยไฟมากมันจะถูกจะจะแพงต่างกันไปใช่ไหมอ๋อเจ้าค่ะเขาเขามีมาเตือนว่าถ้าถ้าถ้าไม่เปลี่ยนก็บินต่อไปจะราคาเท่านี้เจ้าค่ะก็เห็นเห็นสามีเล่าให้ฟังนะเจ้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ยังไม่ค่อยได้ดูตรงนี้เท่าไหร่ไม่ทราบคุณเปีวิทย์เข้ามายังเจ้าค่ะ เขาเป็นไงบ้างยังไม่ <c oughs> ยังเป็นห่วงเหมือนกันเมื่อกี้เห็นคุณจี๊บแล้วก็สบายใจเพราะตอนนู้นคุณจี๊บพูดเรื่องโควิดก็เห็นเขาปลอดภัยก็ก็ดีใจรู้สึกเขาแข็งแรงก็ดีใจด้วยบอกโอ้ยเป็นห่วงเขาเหมือนกันะ <c oughs> นะคะนะคะลูกเ อ, อสงสัยคงไม่ได้กินสมูทตี้อีกแล้วอาจารย์เมื่อวัอนเนะมาานื่อวานอะ่ะอยเมื่อวานหลุดอีกแบบ อีกอีกแล้วจะเป็นอย่างเนี้ยเจ้าค่ะคือแบบอีกประมาณไม่กี่วันก็จะได้กินได้ดื่มแล้วว่ะแล้วแบบโอ๊ยทําไมเนาะเราทําไมมันไม่ไวอย่างนี้นาะเจ้าค่ะเ้ยไม่เป็นไรก็มาพิจรารณาตัวเองอืมน้หน้าสมน้ำ ห, หน้าดาเจ้าค่ามะมันเมื่อวานพอดีเหนื่อยอะเจ้าค่ะพอนื่อยแล้ว<ม>คือจริงๆมันก็น่าจะควบคุมได้แต่พอน กำลังมันเหนื่อยขึ้นมาแล้วมันก็เลยแบบไปนิดนึงอะเจ้าค่ะมันก็หลุดอีกหลุดเลยค่ะหลดุดนิดนึงเอ า, าเอามาซ้อนตัวเองเป็นบทเรียนว่าเนี้ยอ่าเจ้าค่ะร่างกายมันเหนื่อยมันก็เลยทําให้เราควบคุมไม่ค่อยได้ดีแล้วมันก็เลยหลุดไปมันก็อเอาอีกแล้วไม่เป็นไรเจ้าค่ะเดือนหน้าเอาอีกดูซิว่าปีนี้จะ ลูกมีคําถามเจ้าค่ะคือคือสามีกับสามีของลูกก็ตกลงกันที่เขาไม่ให้ลูกเอ่ต้องทํางานอีก น, นะเจ้าค่ะเขาบอกว่าเขาก็จะดูแลทีนี้เนี่ยลูกอยากถามว่าถ้าเขาบอกเขาดูแลแล้วเขาเราอยากได้อะไรเขาก็ให้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าลูกอยากทําบุญแนละ้วลูกขอเขาว่าลูกจะทําบุญที่นี่ที่นี่ที่นี่แล้วเขาให้เงินลูกลูกจะได้บุญไหมเจ้าค่ะ ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นเงินของเราเราเป็นขอเขาเ oh. อาเงนที่เขให้เราแล้เราเก็บแบ่งไว้ไปทําบุญได้คือคือลูกไม่เคยขอเขาเป็นเงินนะเจ้าค่ะเพราะว่าลูกบอกเขาว่าลูกจะไม่ถือเงินแล้วคื อ, ค, อคือให้เขาเป็นคนจัดการาทุกอย่างทำไมไม่ไม่ถือเงินก็ไม่ต้องกังวลต้องทําบุญแต่ว่าเราเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวไปเหมือนพระเจ้าค่ะลูกลูกลูกไม่ถือทําบุญก็ไม่ต้องทําเอาเวลามาภ oh. าวนาได้ เจ้าค่ะแล้วก็คือลูกลูกเขาบอกว่าไม่ต้องทํางานอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเขาใช่อยากได้อะไรก็บอกเขาทีนี้ลูกลูกก็แบบมีบางที่แบบอยากทําบุญอย่างที่พิพิธภัณฑ์หลวงตาหรือว่าส่งเงินให้กับทางบ้านบ้างอะไรเงี้ยเจ้าค่ะลูกก็จะบอกเขาเขาก็เขาก็ให้อ่ะเจ้าค่ะเขาก็ให้ทุกครั้งเจ้าค่ะลูกก็เลยไม่รู้ว่าลูกได้บรือเป่เพราะว่ามันอยู่ที่ว่ามันเป็นของเราหรือเปล่าถ้าเป็นของเราเราก็ได้บุญ แต่ว่าเข้าไปเนบุนธนาคารเอาฝากเงินไว้ที่ธนาคา ร, า น, า น, าคารานี้ก็ถือว่าเป็นของเร า, านี้ก็ได้บุญแต่ไปของเขาเราไปขอเขานี้ไม่ได้บุญเนาะค่ะ ก็อย่างแล้วก enfin er ็ล the ูกก no ็จะบอกว่ามีการหักบัตรบัตรเครดิตทุกเดือนคือลูกจะสมัครไว้สําหรับการบริจาคค่ะเจ้าค่ะหักบัตรเครดิตแล้วพอสิ้นเดือนลูกก็จะบอกเขาว่าขอขอชําระบัตรเครดิตก็คือจะบอกเขาทุกครั้งเวลาทําบุญอะไรเจ้าค่ะเขาก็จะให้อ่ะค่ะเจ้าค่ะลูกไม่ไม่ถือเงินแล้วก็เทว่าเป็นของเราแล้วกันเพราะว่าเขาเป็นพันธยาววจการภาก็ต้องมีคนถือเงินให้แล้วค่ะภาคจึงเด็กไม่ได้เวลาจะใช้เงินก็ต้องสั่งคนที่เก็บนะว่าช่วยไปจ่ายงี่จ่ายนี่ให้หน่อย ถ้าเขาไปจ่ายก็แสดงว่าเป็นของเราเขาทำตามคำสั่งรเราแ้วค่ะแต่เข า, าได้แน่ๆเพราะเขาเป็นคนให้แต่ลูกเนี่ยยังสงสัยตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเราจะได้บุญตรงนี้บ้างไมเพราะเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ถือเงินเราจะไม่ตูตรงนี้แล้วไม่ได้ะะถ้าไม่ใช่ของเขาถ้าเป็นของเราเขาก็ไม่ได้ถ้าเป็นทั้งสองคนก็ได้ทั้งสองคน ก็เราบอกเขาบอกว่าเป็นเงินร่วมกันเขาจะใช้คําเนี้ยเจ้าค่ะเขาจะบอกว่าเป็นเงินที่เป็นสามีภรรยาเขาบอกเป็นเงินร่วมกันเพียงแต่ว่าลูกจะไม่แตะไม่แตะไม่จัดการเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแบบเมื่อก่อนเป็นคนจู้จี้จุกจิกเรื่องเงินนะเจ้าค่ะแล้วลูกก็เลยตัดไปเลยไม่อยากเป็นกังวลอีกก็เป็นปีแล้วค่ะลูกไม่จะรู้ว่าเป็นของจริงหรือไม่ก็ต้องตนที่อยากกันอยากกันด้วยกัน นั่น<ส>น <yo> oh. <ris as> ี <speaks> ่นั่นี่ต้องตก็แต่ว่าเขาทําอะไรเขาทําอะไรเขาก็ให้เป็นชื่อลูกเลยเจ้าค่ะเขาบอกถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขายกให้ลูกหมดโอเคกโอเคเ็นน้าจอเหนะฮะถ้าเราไม่กังวลกับเรื่องเงานก็ดีแล้วเจ้าค่ะทํำบุญแล้วก็บอกเขาถ้าเขาให้ก็ทํำไปครับเพราไม่ให้ก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับ แล้วค so ่ะอย่างเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรเงี้ยลูกไม่แบบลูกก็เลยแบบไม่สนใจแล้วเจ้าค่ะคือแบบก็ปล่อยให้เขาเป็นคนจัดการไปหมดแล้วลูกลูกแบบแล้วค่ะแล้วเขาก็ก็ตามการเงินของเราก็แล้วกันใช่เจ้าค่ะการเงินของเราเราไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเจ้าค่ะเขาให้เขาเขาอยากให้เจ้าค่ะเขาอยากให้ลูกเอ่าปฏิบัติ มุ่งอยากเต็มที่อเจ้าค่ะไม่อยากให้มีคิดเรื่องอะไรเรื่องงานก็ไม่ต้องคิดเรื่องเงินก็ไม่ต้องคิดเขาบอกเขาจะดูแลเองเจ้าค่ะเขามามุงกลับเลยวมาเป็นวิธีีเขาจะดูดเงินว่าเราไปให้หมดหรือเปล่าลูกไม่มีเงินเลยเจ้าค่ะไม่มีเงินเลยสักก็บาทเจ้าค่ะไม่มีจริงๆคือเขาฝากเงินใส่ธนาคารของลูกแต่ลูกลูกก็ไม่ได้แตะไม่ได้อะไรเจ้าค่ะถ้าไม่ใช่เงินของเราก็โอเคถ้าเราคิดเราไม่มีเงินแล้วก็โอเค ก็ค่ลูกจะเขาก็มาหลอกล้อเอาเงินของเราไปไม่ได้ลูกไม่มีไม่มีอะไรเลยมีแต่เขาเอาีปลูกโอเคเจ้าค่ะเกียรติและเจาค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวท่านต่อไปนะอใครเอ่เนี่ยหน้าสองเดืนคุณยายาอ้าวถานแล้วคุณก๊อบคุณอนุมาคุณบีพีพีฮะคนที่ว่าใช่ไหมที่ว่าก่อนอ่าที่ว่าครับใช่คนที่ว่าใช่อยู่ที่ไหนคุณเทพหรือ เทศการท่าชาจะก่ายที่กรุงเทพจะค่ะไม่มีอะไรคามไม่มีถามจะค่ะเคทัานต่อไปคน BPP โอน BPP ได้ยินไหม BPP เอาผ่านไปก่อนนะไปคนที่หัวเวรยโนวาสองเจเชิญหัวเวรยโนวาสองเจนิ่งนี่ถ้าไม่ผ่าไปออกขึ้นออม่ครับ อ่านวิวไมโครโฟนอย่าอ่นวิวไม่ตอบสนามเดนนะคุณวัวไวเราว่าสองเจได้ยินไหมปัดเสียงก่อนโอเคครับเจออยู่ที่ไหนผมเลยครับเออจากนในมัสการครับผมอยู่ศรีสเกตครับศรีสเกตเข้ามาครั้งแรกหรือ ใช่ครับเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับ <Ừ. S 2> เคยจะไปกราบพระอาจารย์อยู่ครับจะไป <Ừ. S 2> ไม่เห็นที่ศาลาศาลานะครับเดี๋ยวนี้มีเวลาศาลาต้องจอนวันธรรมดาสาวที่มาผ้าม่ได้ลงศาลาสาวที่มาผาต้องมาตอนบ่ายที่กุติสองโมงครับอ่าเป็นยังไงมีอะไรไหมข อ, อเข้ามาเข้ามาชมพระอาจารย์เฉยๆครับโอเค ยินทีต้านครับยัขอไปที่ท่านต่อไปนะค่ะคนวิปาณีวิปานีเชิญอยู่ที่ไหนกรนด์ธรรมชาติการเจ้าขาพระอาจารย์โนยู่มหาสร า, ารคามเจ้าขามาสาคามพรอาจารย์าสาธิษ เป็นอาจารย์มมมสอค่ะมหาวิทยาลัยมหาส า, ารคามเจ้าค่ะนี่ก็มีอยู่คนหนึ่งเมื่อก้าวมาอาจารย์สายทิพย์เคยได้ยนชื่อไหมอาจารย์สายทิพย์เหรอคะของมอมมสอเหรอคะมอมออเ อ, อเดี๋ยวต้องดูว่ า, าใช้ท่านอาจารย์ที่สอนช่วยกันในภาควิชาห ร, หรือเปล่านะคะเพราะมีะท่านที่ชื่อชื่อนี้ด้วยประชิดการสอนทางเพจสันเอาน่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่ค่ะ แต่ยังยังไม่เคยได้เห็นตัวท่านอ่าโดยตรงด้วยการสักทิพย์เอินท่านสอนคู่อาจารย์อีกท่านหนึงจค่ะต้อง<า>ต้องท่า ต, ต, ต้องเลือเ่อนไปที่หน้าแรกเจะมีอาจารย์สายทิพย์อยู่อาจารย์สายทิพย์รู้จกักไหมถ้าหนูเข้าใจว่าน่าจะเป็นท่านเดียวกันกับที่ช่วยมาสอนที่ภาวิชาค่ะแต่ว่าเนื่องจากไม่เคยได้สอนคู่ยังไม่เคยได้คุยกันโดยตรงแต่ถ้าชื่อนี้น่าจะใช่เลยเจ้าค่ะท่านน่ารักเท่าที่ได้ยิน ท่านอาจารย์ที่สอนคุณ ด, ด้วยจ้าอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังเยอะมีได้ยินแต่กันแต่ชื่อแต่ไม่ค่อยได้เคยได้คุยกันสักทีหนึงก็ได้มาเจอกันที่นี่นะคะคือก็ต้องขอบคุณพี่สุภัตราค่ะที่แนะนําแล้วก็เชิญเข้ามาที่นี่ค่ะหนูได้ไปกราบพระอาจารย์ตอนที่เรียนจบใหม่ๆวาวันแรกอ่าเรียนที่เดียวกันกับพี่สุภัตราเจ้าค่ ะ, คะแล้วก็พอมาถึงอ่คุณเนียน ที่เป็นคนชนบุรีเคยไปกราบพระอาจารย์อยู่เรื่อยๆได้พาไปกราบพระอาจารย์บัณได้ก็ค่ะมาถึงใส่เสื้อกันหนาวสีขาวแบบอากาศทางนู้นหนาวมากแต่พอไปทางชนบุรีอากาศร้อนแล้วหนูก็อาเจ็ดแหลกเจ้าค่ะเป็นนั่งอยู่ตอนน้าพระอาจารย์รู้สึกนั่งเหงื่อตกเลยนะคะแล้วก็ตบปลือเพราะว่าเพิ่ง มาถึงปุ๊บก็พี่ก็รับจากสนามบินไปหาพระอาจารย์ที่ชนบุรีเลยเจ้าค่ะก็หลังจากนั้นก็น่าจะได้มีโอกาสไปอีกครั้งหรือสองครั้งเพราะว่าเราจะอยู่ไกลอยู่ที่สูนย์อาคารถ้ามีโอกาสได้ไปประชุมแถวชนบุรีก็จะได้เข้าไปกราบพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะก็กราบนมันสะการเจ้าค่ะอันนี้มีอะไรไหมอยากจะถามอะไรบ้าอ่าตอนนี้ยังก่อนเจ้าค่ะเพิ่งเข้ามาเลยขอมานั่งฟังด้วยเจ้าค่ะโอเคเดี๋ยวจะขอไปที่ท่านต่อไปนะเจ้าค่ะ เอคุณสัสปปนาผมไม่ต้องคุณคุณคุณนารีเรียเชิญคุณนารีอันมิลโอเคการสาธมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนคุณนารียใหค่ะใต้หวันอ่ะใช่ค่ะคือ okay. อยากคืออยากสอบถามพระอาจารย์นะคะพอดีช่วงนี้ฟัง ควงธรรมะของคุณยายจุ๋มที่เป็นลูกศิษย์ของคุณแม่จันเดียเจ้าคะ<อ>่ะออก็รู้สึกว่าตัวเองมีกำลังใจขึ้นมาที่จะปฏิบัตินะเจ้าคะ<อ>่ะแี่คือเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วอะค่ะพระอาจารย์คือตัวเองเนี่ยมีแบบเขาเรียกาอะไรเหมือนกับอีกตัวหนึ่งออกมาเจ้าคะ่ะหมายถึงตัวข้างในออกมาด้านหลังแล้วยืนมองดูตัว ต, ต, ตัวตัวตัวเนี้ยเจ้าค่ะไม่ต้องไปสนใจมันอ่ะมันเป็นอาการของจิตมันปลุกแต่งขึ้นมาอ๋อแล้วก็แล้วก็ให้มีสติรู้ว่าเรากําลังคิดพูดอะไรก็พอ อ, อ๋อเจ้าค่ะแต่แตม่มองเห็นตัวตัวตัวหยาบนี้เลยนะเจ้าค่ะอ่าไม่เป็นไรละมันไม่สําคัญนะมันเห็นหรือไม่เห็นตัวนี้ไม่สํำคัญเลยเจ้าค่ะแล้วก็มีอีกอ่าสภาวะหนึ่งอะเจ้าค่ะคือคือเห็นคนที่ทําให้เราโกรธนะคะเขา เข้ามาที่หน้าร้านใช่ไหมคะเข้ามาที่หน้าร้านเนี่ยแล้วเราลุกขึ้นเนี่ยเห็นตัวโกรธเขาผุดขึ้นมาเจ้าค่ะแล้วก็พอเราเพอเห็นเขาผุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรามองเข้าไปเราเห็นมองเข้าไปข้างในเจ้าค่ะเขาก็ดับปุ๊บลงไปแล้วก็ไปทํางานได้เลยเจ้าค่ะเอะ่ดีแสดงว่ามีสติหยุดการโกรธได้ก็คือแต่แตเมื่อเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะเจ้าค่ะแล้วทีนี้เสร็จก็ผ่านมาประมาณสี่ปีเนี่ยก็ อแล้วก็จะมีอี ก, อ ก, อกสภาวะหนึ่งคือออกไปข้างนอกอ่ะค่ะจะเห็นแบบเขาอากาศด้านนอกเขาจะเป็นแบบเหมือนกับใสๆอ่ะเจ้าค่ะไม่เป็นไรเห็นก็ให้เห็นเฉยๆไม่เข้าไปปลูงแต่งเฉยๆไว้นุ้ยใช่ว่าใสา่ว่าใส่บาตรแม่ค้าเจ้าค่ะแล้วแต่ว่าสี่ปีมันเนี่ยไม่ค่อยได้ปฏิบัติแล้วจะไม่ค่อยมีสภาวะอะไรเจ้าค่ะแต่จะเห็นเห็นแบบ เห็นตรงกลางน้าอกนี่เขาจะหมุนตลอดเลยค่ะวันนี้ก็มีหมุนเจ้าค่ะอือ <Ừ. S 2> อยากอยากจะทราบว่าที่สี่ปีที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยคือเขาเสื่อมหรือเปล่าเจ้าคะหมายถึงว่าสมาธิมันมน่านจะเสื่อมถ้าไม่ปฏิบัติมันก็เสื่อมนะั้นถ้ามันขั้นปัญญาแล้วนั่นถึงยังไม่เสื่อมขั้นโสดามันไปขึ้นไปนั้นมันยังไม่เสื่อมขั้นสติขั้นสมาธินี่พอหยุดปฏิบัติมันก็เสื่อมได้ นะมีท่านนี้เหรอเห็นนิ่งไปเลยมีปัญหาเลยเอาไปที่ท่านต่อไปนะสัญญาของยาชะงักขาย ค, คนนาฟ้าจำแรงอันนี้อยู่ที่ไหนเชียงใหม่เลยนะมัสการพระอาจา์เจ้าขาได้ยินหรือไม่คะได้ยินชัดเจนเชีย อ, อันนี้นพลาจารย์เจ้าค่ะ หนูจะไปเชียงใหม่พรุ่งนี้ค่ะหลวงพระอาจารย์ตอนนี้โยมเทพเลยเจ้าค่ะอทํางานหรือเปล่าทำเจ้าค่ะแต่ว่าเ อ, าเ อ, าเอามีที่ใหม่เรียกให้มาทําค่ะแล้วก็มีบริษัทมหาชนเรียกให้ไปสัมภาษณ์อยู่เจ้าค่ะมีความคาดหวังว่าอยากจะได้บริษัทจํากัดมหาชนค่ะเขาจะเรียกให้ไปสัมภาษณ์วันที่หนึ่งมีนาะขอพรพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะขอก็ไม่ได้หรอกมีที่ความสามารถของเรา S <S <S ขอเป็ไม่ได้หรอกให้พรเป็นมงคลให้หนูหน่อยสิเจ้าขาจะให้อะไรล่ะขอให้ได้งาน อ, อย่างนี้พูดไปเท่านั้นนะขอให้ได้งานเนาะสาธุพะอาจารย์เจ้าขาหนูมีประเด็นว่าพอละคือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหนูเครียดมากมีมีความทุกข์เข้ามาหลายเรื่องค่ะทีนี้พอหนูได้ปรึกษากับใครอย่างเงี้ยค่ะหนูจะโดนมองว่าเออหนูเข้าวัดบ่อยไปอยู่ได้ อุบาจารย์เยอะอย่างเงี้ยแต่ทําไมแบบได้แค่นี้หรออะไรเงี้ยมันเป็นคําที่ที่แบบเฉียดใจจริงๆเจ้าค่ะคือคือเราเราเจอคําพูดอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ห้ามของพูดไม่ได้หรอจริงไม่จริงมันก็ดูที่ความจริงเลยถ้ามันจริงอย่างที่เขาว่าเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเราไปอยู่แบบไหนเหมือนนักเรีย น, น, น ใช่ไมนักเรี่ใน<า>้ไม่ไม่สนใจฟังอาจารย์สอนมันก็สอบมันก็ไม่ผ่านสอบได้คะแนนไม่ดีเจ้าค่ะคือบางทีอ่ะมีปัญหาเครียดอะไรก็อยากจะระบายกับเพื่อนบ้างแต่เพื่อนก็มองว่าเราแบบอยู่วัดมาตั้งนานทำไมยังคิดไม่ออกคือบางทีเราก็รู้สึกว่าก็เด็กก็อย่า <นะ S 1> ไปถามว่าเขาไม่อยากจะตอบก็คราวหน้าก็อย่าไปถามว่ากับท่านนี้ใช่ไหม จะรูว่า เ, เพื่อนๆอยังไงด้วย เ, เพื่อนแท้หรือเพื่อนกินนะเพื่อนแท้ก็ต้องช่วยเหลือกันใช่ไหมเอาเพื่อนมาขอคําปรึกษาก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่อ้างโห้นั่งนี่เจ้าค่ะอย่างนอย่าไปหวังเพื่อนใครเลยดีที่สุดอัตตาเฮียตโนโนาโถใช้สติปัญญาของเราค้นดูแท้ความทุกข์เกิดจากความอยากปัญหาทั้งหมดของเรานี้เกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นเละ ตัดความอยากได้ความปัญหาก็หายไปเองใช่ไหมคอาจารย์เจ้าคะชีวิตและจิตใจนี่ห่างจากวัดวามไม่ได้ไม่ได้นานจริงๆคะ่ะไม่งั้นหลุดสติหลุดใช่แรีบกลับเข้าไปเหมือนโรงพยาบาลเนะ่ยร่างกายมันทีเจ็บไข้ก็ต้องอยู่ใกล้โรงพยาบาลเจ้าค่ะมีเรื่องนี้เลยอาจารย์หนูหล่ะหนูสบายดีหรอเจ้าคะ ไม่มีเท่านี้เลยมีอะไรอยู่พูดไหมหนูหนูมีเท่านี้ค่ะนะตอนนี้แล้วก็หนูจะกลับเรียนพระอาจารย์ว่าแก้วฝากกลับขอาจารย์ด้วยเจ้ะคะเาค่ะอ่าได้จ๋ า, จาสาวที่จะอ่ า, อาท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะให้ท่านกลับไปเลยคุณพูดกันคุณเสกนะคุณเสกเปิดกล้องไว้ไม่ทราบ จ, จะพูดหรือเปล่าคุณเสกได้ยินเสียงไหมถ้าไม่ได้ยินเาแล้วคุณเสกอเปิดกล้องหน่อเปิด มมไโคฟนกดกดปุ่มตรงกลางหน้าจอคคุณเสกอ่านนี้ <Okay. S 1> แล้วเชิญพูดได้เลยอยู่ที่ไหนคุณเสกค่าวัสการอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนอัญนบุรีครับอัญบุรีครับเชิญมีอะไรจะถามไหมอ๋อคือว่าสับสนเกี่ยวกับการปฏิบัติครับผมใช้พูดโทพูดโท ในระหว่างวันนะครับแต่ว่าผมเคยไปปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อจรันนะครับเขาสอนอ่ะยืนหนอหรือว่ากําหนดไปตามอธิริยาบทให้ให้ให้ลงทายว่าหนอแต่ว่าผมไปอ่านเจอว่าถ้าเกิดว่าจะเอาพุทโธปนกับหนอพอมอ่ะยืนหนอเดินหนออะไรเงี้ยมันจะมั่วไปหมดให้เลือกไปสักอย่างเดียวแต่ว่าผมก็เลือกไม่ได้สักทีครับคือว่าใจมันอยากจะพุทโธแต่ว่า แต่ว่าปัญหาคือเวลาเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเช่นโกรธอะไรเงี้ยใจมันจะรวมกับความโกรธแล้วก็ไม่สามารถแยกใจออกจากอารมณ์นั้นได้สักทีครับจะเป็นจะทำได้ก็แค่เห็นทำใจให้ตัวเองเป็นผู้ดูแล้วมันจะลดความรุนแรงลงแต่ว่าส่วนใหญ่จะทำไม่ได้เลย จะใช้วิธีวิหนีออกไปจากที่สถานการณ์นั้นเช่นที่ที่บ้านนะครับทุกๆุกครั้งที่เกิดเกิดอารมณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเช่นความโกรธแล้วก็อารมณ์ส่วนใหญ่ก็คือจะมีแต่ความโกรธโทรสาแล้วก็ความขดหูแล้วก็ความเศร้าอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อ ย, อยแล้วแล้วคือที่จังหวัดกาญจน บ, บุรีที่อยู่เนี่ยไม่มีไม่มีวัดที่จะสามารถเดินทางไปได้สะดวกอะครับเพราะว่าจริงๆผมเพิ่งลาออกจากงาน จากที่สา ร, รยาที่นคนปรปฐมอ่ะที่นั่นพอมีแต่ว่าพอรกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยครับจะไม่ไม่สามารถติดต่อกับวัดหรือว่าพระอาจารย์ที่ใดที่ใดได้เลยใช้วิธีดู YouTube อย่างเงี้ยตลอดเลยครับเพื่อเลยรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เจริญในใ น, ใ น, ในทางในทางธรรมสักทีเพราะว่ามัวแต่มัวแต่เนี่ยครับจมอยู่กับอารมณ์โทสะแล้วก็อารมณ์ที่เป็นอกุศลเสีย ส่วนใหญ่ในในในในแต่ละวันเลยครับเป็นประมาณเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเปอร์เซ็นตของของในการใช้ชีวิตประจํำวันในแต่ละวันเลยก็เลยไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไงดีอะครับคือผมก็ไม่มีสติไม่มีสติต้องพยายต่ อ, อสติอย่างใดอย่างหนึ่งพุโทโธดีที่สุดไม่ต้องไปยุบไม่ต้องเดินหนอนั่งหนอแะพุโทโธมันไปทั้งวันทั้งคืนเลยอ<ม>ืมเพื่อจะทำให้อ า, ารมณ์ต่างๆสงบตัวลงได้แล้วเอาพุโทโธไปอย่างเดียว แต่ว่ายังต่อสู้กับโทสะไม่ได้สติสภาจารย์เราต่อสู้มันพูดโธไปเนี่ยถ้าพูดโทไปเดี๋ยวโทสะมันหายไปเองถ้าเราไม่หยุดพูดโทรลอาดูเลยออ่าอยู่พุดโทพูดโทรไปเดี๋ยวโทสะหายเองอืมคือคือปัญหาที่เจอมันก็เป็นปัญหาของทางครอบครัวที่บ้านเนี่ยครับคือกับน้องสาวอะไรเงี้ยที่ว่าแต่แก้ไม่ได้กับพูดโทพูดโทไปปล่อยมันไปปล่อยันไป เราไปแก้คนอื่นก็ไม่ได้น้องสาวก็ยังเป็นไงก็เรื่องของเขาไปอืมครับเนี่ยเราใช้พุทโธดูแล้วก็ปล่อยวางล้วใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปใครจะชอบใครจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทาไปเดี๋ยวก็ตายกันหมดได้คิดอย่างนี้นะอือใช่ครับเพราะผมรู้สึกว่าผมแนะนําอะไรเขาไม่ไม่ได้เลยครับไม่ได้เพราะว่าไปทําอะไรไม่ต้องไปอยู่กับเขาอ๋อแต่ว่ า, าต้องมาอยู่ใกล้กัใ น, ใครครในในครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิด แล้วผมผมเหมือนอยู่ในนรกง่าก็ใช้พุทโธไปใช้พุทโธดับนรกได้เราไม่มีเราไม่ใช้พุทโธเองพุทโธเป็นน้ำดับไฟนะพยายามท่องพุทโธพุทโธไปเวลาโกรธก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวก็หายโกรธแต่ว่าผมควรจะต้องทําในรูปแบบก็คือนั่งสมาธิกับเดินจงกรมเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่า ไม่ว่าจะอยู่เียบนนะอย่านั่งอย่าเดินอย่ายืนจะทําอะไรก็พุทโธไปอย่าปล่อยให้จริงผมไปอ่านเจอว่าอย่างตอนเดินอย่างเงี้ยเขาเขาบอกว่าในหนังสือเาบอกว่าถ้าเกิดเดินไปแล้วอ่าพุทโธพุทโธเหมือนกับว่าเราไปเหยียบพุทโธแล้วก็จะบาดอะไรเงี้ยรู้มากเนี่ยรู้มากไปเรู้มากแล้วก็ไปฟังให้พวกหุหนวกตาบอดยิ่งไปกันใหญ่เลย ว่าเยียตรงไหนพุโทโธมันอยู่ที่เท้าเราที่ไหนเราพุโทโธมันอยู่ในใจเราต้องขอกบขับประธานโทษอย่างเช่นเวลาอาบน้ำอาเงี้ยเราล้า ง, งให้าบน้ำปัยทายปัดสวะอุจจาระก็พุโทโธได้ไม่บาปให้บาปให้บาปคนนะครับเกณฑ์ยัยไปพูดเสียงดังแล้วเดี๋ยวคนก็จะหาว่าบา้า อยู่ในห้องน้ําอาบน้าถ่ายอุจจาระก็พุทธพุโทโธเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่เคารพท่านัเองแต่เราทําเพื่อใช้พุทธหนี่ดับความดับความคุ้งสร้างของเราแล้วอารมณโทสะที่เกิดในครอบครัวอย่างเงี้ยอย่างมันมีความจําเป็นจะต้องอยู่ใกล้เขาทํางานใกล้กลเขาอะครับทีเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมควรจะแยกตัวเองออกมาไปทํางานที่อื่นแล้วให้ใจเราสงบดีหรือว่าอ่าหรือว่าทนอยู่กับเา้าแล้วเราก็พุทธพุโทโธแบบนี้ครับ ถ้า <ผม S 1> ทนนั่งก็ดีทนได้ก็ดีไม่มีความสุขเลยครับอาจารย์ก็เพรา ะ, ะเพราะว่ายังไม่ทําใจให้สงบเลยถ้าใจสงบก็จะมีความสุขอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ถ้าหนี<ๆ>ก็ต้องหนีไปเรื่อยเดี๋ยวหนีไปยังที่ไปเจอปัญหาเนี่ยก็ต้องหนีอยู่เรื่อยงั้นใช้ใช้สติใช้ปัญญาสู้กับปัญหาดีกว่าครั้นจะลองพุดโทดูนะครับอาจารย์พูดโทดูเลยถ้ารออีกห้านาทีสิบนาทีในความโกรธวิ่งหนีวมดเลย เหมือนปืนกล น, นะพุโธรวงไปอาก้อน้กี่ตัวกี่ตัวพอเจะพุโทโธพุโทโธเดี๋ยววิ่งจัดทั้งหมดขนะายหมดเอานะลองดูเอาปักหลักเอาใช้พุโทโธไปเลยอย่าอย่าไปสับสนเรียนมากรู้มากแล้วอย่างเงี้ยไม่รู้จะใช้ตัวไหนดีถูกกี่เรียนเราไปกินมดนะเข้าใจไหมโอเค ต่อจากต่อด้วยคุณสัญญาเชิญคุณสัญญาอยู่ที่ไหนคุณสัญญาหายไปไหนเอ่ะไรการพระราชการพระจ่าครับได้ยินไหมครับได้ยินอยู่ที่ไหนอ๋อผมอยู่ลำลูกกาครับผมลำลูกกาครับไปประชุมประชุมตานีใช่ไหมครับผมครับมีอะไรไหม คือจริงๆผมมันมีเยอะอะว่าก็ยังเกรงใจอยู่อยากจะถามนั่นหนึ่งปัญหานะครับ <All right. S 2> คือผมเนี่ยปฏิบัติมานาละตั้งแต่อายุสี่สิบแล้วก็บวชแล้วก็ปฏิบัติบ้างแล้วก็ย่อนไปบ้างแล้วก็ปอยอายุสักห้าสิบห้าเนี่ยก็มาเริ่มหนักขึ้นปฏิบัติจริงๆอย่างจังนะนะครับ mm hmm. โทกเสียนก็เกะเจ้าจริงนะครับก mm ็ hmm. คือแต่ว่ามันมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บคือเป็นโรคปลประสาทอักเสบ ที่บริเวณหน้าเนี่ยนะครับมันจะตึงพอตึงเสร็จเราเคยปฏิบัติวิธีดูลมนะครับเราจะแลกแยกลมกับอาการตึงไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยยิ่งเราจะพยายามรู้ลมเนี่ยอาการตึงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หมอก็มียาให้ทานนะครับเพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยจิตไม่ค่อยรวมรวมยากมากหกวันเจ็ดวันเนี่ยอาจจะรวมได้ปานกลางสักครั้งหนึ่งถึงมาก พิจารณาปัญญาได้บางครั้งนะครับคือผมพยายามหาวิธีหลายวิธีภาวนาพุโทโธก็แล้วดูลมหายใจก็แล้วกําหนดจิตที่กลางกายก็แล้วแต่ว่าอาการตึงแล้วมันยังกวนมากครับก็เลยอยากอยากกราบเรียนถามอาจารย์ว่ามีอุบายอะไรที่จะทําให้อาการตึงแล้วดมหายใจนมันเห็นลมชัดนะครับเอออย่าไปอยากยิ่งอย่างมันยิ่งตัวเป็น เป็นตัวปัญหาขึ้นมาถ้าเราดูมันไม่ได้มันมีปัญหาเราใช้พุโทโธไปไม่พุโทโธไม่ต้องดูอะไรอยู่กับพุโทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับอาการเตึงไม่ต้องไปสนใจกับลมอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไปครับมันมั น, มนพอเรายิ่งยิ่งยิ่งยิ่งเปัญหามันหายมันยิ่งเป็นปัญห า, ผ ม, าผมก็ไม่ได้เชิ์อยากให้มันหายแต่ตั้งใจจะให้สติเนี่ยมันอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมนะครับ ก็อย่ยอยา<ป>เอาอย่างเดียวอย่าอย่าเอาลมอภุดโทอย่างเดียวท่องไปภายในใจหลับตาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปส่วนอากา ร, ร ต, าต่างๆมันจะมีก็ไม่ต้องไปสนใจควายแล้วเดี๋ยวมันจิตก็จะรวมได้รวมด้วยพุโทโธอย่างเดียวเมื่อปีสักประมาณประมาณปีห้าเจ็ดห้าหกห้าห้าเนี่ยประมาณเนี้ยผมปฏิบัติได้ดีคือจิตรวมได้ดีมากมันเป็นอดีตแล้วอย่าไปสนใจมันครับปัจจุบันเนี่ แต่ปัจจุบันนี้ผมผมก็พยายามที่จ ะ, จะเจริญส ต, ติตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาแปรงฟันอะไรประมาณเนี้ยมมนลวงตาท่านก็เคยพูดโธ ท, ท่านเคยเข้าสมาธิได้พอท่านไปทําโปรดอยู่เดือนหนึ่งไม่มีพูดโธเลยพอจะกลับเข้าสมาธิกลับเข้าไม่ได้ครับเราก็ไปนึกถึงอดีกูก่อนทำไมเข้าได้ทำไมเดี๋ยวนี้กูเข้าไม่ได้อยากจะเข้าก็เข้าไม่ได้เลยมารู้ว่าความอยากเข้ามันยเป็นตัวอุปสรรคต้องไม่ กับไปย้อนดูอ๋อไม่เข้าบพราช้พูดโธพุดโธอย่างเดียวทั้งกัเลยถ้าสมมติว่ามันเข้าได้เนี่ยคือเราแสดว่าเรามีพูดโทเราเราก็จะอาการตึงมันคงยังอยู่แต่เราจะไม่รู้สึกใช่ไหมใช่ยังไม่เดือยร้อนมันตึงก็ปล่อยมันตึงไปใจจะเป็นอุบัยขาแช่วงนี้ผมก็พยายามเจริญสติมากขึ้นแล้วก็พยายามเดินจงกรมช่วยวันละชั่วโมงเอองั้นแหละพยายามใช้พูดโธพุดโทเดินวันละชั่วโมงก็ได้ไม่มีข้อห้าม ยิ่งเดินมากยิ่งดีแต่ว่าก็เดินเดินอยู่ข้างบ้านในบ้านมันติดติดกันก็พ ย, ยายามถอยรถ อ, ออกไปให้ลานแดนจบตรงมันสะดวกเออทําไปเนะนะเอาพุโทโธอย่างเดียวรับประกันได้จะได้ผลอย่าไปสับสนยิ่งสับสนมันยิ่งไม่ได้เรื่องใหญ่นะอย่าไปเอาหลายเรื่องมาปนกันเอาเรื่องเดียวเอาพุโทโธอย่างเดียวถ้าจิตสงบแล้วผมก็เริ่มพิจารณากายตอนนี้ผมก็พิจารณากายตลอด พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงอ่มันเป็นอย่างงี้เดี๋ยวมันก็ตึงเดี๋ยวมันก็หย่อนมันเรื่องของมันเราไปห้ามมันไม่ได้ครับผมก็ก็เอาที่เราสั่งหนึ่งคําถามก็พอครับขาบรู้นะพ่ออาจารย์มากครับผมเราดูนะลองดูนะครับผมขอบคุณทุกครับอาจารย์ครับโอเคครับผมรู้สึกว่าทุกท่านได้ตอบได้ถามคำถามันทุกท่านแล้วทีนี้ก็ไปที่กุณหล้าก็แล้วกันกุหล้ามี มีคำถามทางเฟซบุ๊กหรือเปล่าอ่ามีคำถามห้าคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะอเคค่คำถามแรกจากคุณเอฟแปดริ้วผมไม่เข้าใจจิตครับบางครั้งอยากสวดมนต์ไหว้พระบางครั้งอยากบวชบางครั้งอยากดื่มเหล้าครับช่วยชี้แนะหน่อยครับก็จิตมันมีหลายอหลายอหลายอารมณ์เนี่ทีก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ไม่ดี ญญเังนั้นก็พระเจ้าบอกว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ระ ง, งับมันอย่าไปอย่าไ ป, าไปตามมันอารมณ์ดีก็ไปก็อารมณ์ดีถ้าอยากจะนั่งสมาธิก็ไปถ้าอยากจะกินเล้าก็อยากกินนคำถามต่อไปจากคุณจอกแหนวะแหวกไหวกำหนดกายนี้กําหนดเที่ยงอยู่กับอสุภะใช่ไหมครับกําหนดได้หลายแบบอสุภะก็เป็นความจริงของร่างกายอย่างหนึ่งร่างกายต่อไปก็ต้องเป็นซากสพ พอเป็นซาสศมันก็ไม่สวยไม่งามมันเละเทะเน่าพองขึ้นมาหรือดูภายในภายใต้ผิวหนังมันก็มีอาการที่ไม่สวยงามต่างๆมีโครงกระดูกมีตับมีไ ต, ม, ตมีลำไส้เป็นต้นคำถามต่อไปจากคุณนัทธดาพรมีทั้งหมดสองคำถามเจ้าคะ่ะคำถามแรกคือนอนฟังธรรมะเป็นบาปไหมเจ้าคะไม่บาปแต่ยังไม่ได้สมาธิมันจะได้หลับ คำถามที่สองคือนั่งสมาธิแล้วหลับควรแก้อย่างไรคะคยุขึ้นมาเดินนะเดินยกบมแทนคำถามสุดท้ายจากคุณเอเฟิร์นกราบเท้าในมัสการพระอาจารย์ขอรับกับผมกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับมีสมณะท่านหนึ่งกล่าวว่าตนเองเป็นพระอรหรันต แล้วกล่าวตำหนิองค์หลวงตาว่าไม่ใช่พระอาหารหันต์เพราะว่าหลวงตาฉันหมากพรูท่านผู้อ้างตนว่าเป็นสมณะท่านนี้ยังกล่าวต่อว่าหมากพรูซึ่งเป็นเรื่องหยับยากของโลกหลวงตายังละไม่ได้แล้วจะเป็นพระอาหารหันต์ได้อย่างไรเรากระผมได้ฟังแล้วรู้สึกสลดสังเวชผดหู่ใจต่อสมณะท่านนี้เป็นอย่างมากขอรับ พระอาจารย์กลัวว่าลูกหลานกุลบุตรสุดท้ายภายหลังจะได้ฟังแล้วเข้าใจผิดไปต่อองค์หลวงตาขอรับกราบเรียนขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยขอรับกระผมก็โลกนี้มันมีทั้งความจริงความไม่จริงคนพูดจริงก็มีคนพูดไม่จริงก็มีมันอยู่ที่คนฟังว่ามีสติปัญญาที่จะแยกแยะหรือเปล่าคนที่โง่มันก็อาจจะเชื่อตามที่เขาพูดก็ได้พะเจ้าบอกให้ใช้การลมสูตร แสดงว่าแสดงทำในการลามั ส, สูตรว่าอยากไปฟังอย่างเดียวฟังแล้วต้องไปพิสูจน์ดูว่าเขาพูดถูกไหมจริงไห ม, ม, มนี่เวลาใครอย่นี่ยไม่ต้องไปกังวลถ้าคนมันจะเชื่อมันก็จะเชื่อถ้ามันจะโง่มันจะยอมเชื่อเขาก็เรื่องของเขาไปห้ามเขาไม่ได้มีคําถามเพิ่มเข้ามาจากคุณนาวาโทอนุพงษ์ ถ้ามีอาชีพรับราชการหากมีความจําเป็นต้องไปงานแล้วต้องดื่มเหล้าต้องทําอย่างไรดีครับไม่อยากผิดศีนครับก็อบอกเข า, า, า เ, เอาน้ำเปล่าเลยเอาน้ําน้ําอัดลมหรือน้ําอะไรก็ได้แต่บางคนมุสลิมก็ไม่กินกินหมูได้ไหเวลาเข้าไปงานก็อบอกผมเป็นมุสลิมผมไม่กินหมูผมบอกเขาผมเป็นพุทธผมไม่ดื่มโุดาก็ราะานั้น น, นี่เขาดื่มน้ําปล่าหรือน้ําส้มไปก็ได้ คำถามหมดแล้วเจ้าค่ะออยู่ที่เราอยากจะดื่มหรือเปล่าเพียงแต่ว่าทำเป็นอทาเป็นว่ามจะจะผิดศีลถ้าไม่อยากจะดื่มก็อย่างต่อให้เขามาบังคับมางค่าครเราแล้วมันก็บังคับเราไม่ได้ถ้าเราจะไม่ดื่มตัวอยา่างอต่ถ้าเราอยากดื่มไปแล้วนี่ยมันกําลังหาช่องอยู่แล้วหาโอกาสอยู่แล้วมันก็ช่วยไม่ได้อ มีมีคำถามเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะจากคุณสมยศขอสอบถามครับจิตมีดวงเดียวหรือมีกี่ดวงเห็นบางคนบอกในตําราบอกว่ามีเก้าสิบแปดวงครับเหอจิตมีดวงเดียวแต่มีหลายอาการเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็บ้าเดี๋ยวก็จิตดวงเดีย ว, วนะแต่มันมันเปลี่ยนอาการมันไปเป็นเหมือนเหมือนดาราภาพยนตร์เนี่ยสแสดงหลายบทใช่ไหม หลังเรื่องนี้ก็สแสดงเป็นพ่อหลังอีกเรื่องก็เป็นลูกเป็นคนดีเป็นคนชั่วมีอะไรมันเป็นการสแสดงของจิตนแต่มีจิตดวงเดียวหมดแล้วเหรอถามหมดได้เจ้าค่ะโอเคทีนี้ก็เป็นรอบฟีสไตล์และใครอยากจะถามอะไรก็ยกมือขึ้นมาแล้วก็อันมิล์ m i c r o p h o ได้คุณนารีเลเ้วเชิญพูดได้เลยค่ะคือ อยากถามผู้อาจารย์ว่าดังหน่อยแล้วนะตัว ด, ดังหค่อยอยากถามผู้อาจารย์ว่าถ้าจะปฏิบัตินี่ก็คือจะต้องเริ่มจะต้องเริ่มที่สติเริ่มที่สติพุโทโธพุทโธไปเริ่มต า, มาก็มันก็ต้องพุโทโธพุทโธไปทั้งวั น, นแล้วตอเวลานั่งวานั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไปเจ้าค่ะเท่านัา้นเองง่ายๆเจ้าค่ะแล้วต่อไปเวลาถ้าเรามีพุโทโธแล้วเวลามีอารมณ์ไม่ดีก็พุทโธพุทโธแป๊บเดียวมันก็หาย เจ้าค่ะนะเจ้าค่ะเข้าใจเข้ า, ข า, เาใจนะเข้าใจเจ้าค่ะอย่าไปรู้มากะรู้มากะยิ่งทาให้ไม่ได้ปฏิบัติสับสนกูจะอาไหนดีเจาค่ะอาอนเดียวดีกว่าเจ้าค่ะเหมือนกินข้าวนะเวลาขึ้นเครื่องเป็นนี่เขามีอาหารอย่างเดียวให้ไหมครับเขาไม่ให้เราเลือกเขามาตั้งไว้จะกินไม่กินเนี่ยไปทานกินกันทุกคนเลยนะเหมือนกันหลดทุกคน แต่ถ้าเป็นรานอาหาแล้วมีของเลยโอ้คนนั้นก็จะกินอย่างนี้คนนั้นก็จะเกินอย่างงั้นเดี๋ยวก็ไม่ได้กินนะเจ้าค่ะนะนยอย่างเดียวพูดโทรอย่างเดียวง่ายที่สุด น, นะเจ้าค่ะโอเค<ะ>มีอะไรไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะอ่าท่านต่อไปใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมามีคุณแพตคุณแพตตี้ยกมือครับพี่อาเชนอี่วิวค่ะ นวัต ก, การเจ้าค่ะหนุ่มหนุ่มหนุ่มกำลังสับสนว่าอยู่ยังไงคะอยู่กับพุทโธอยู่ยังไงคะหยุดอยู่กับพุทโธทั้งวันทั้งวันนะเจ้าค่ะก็ต้องในใจไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปเวลาอาจอยจะคิดก็ชัดพุทโธหยุดมันถ้ามันหยุดคิดก็ไม่ต้องพุทโธเหมือนเหมือนเบรกรถยนต์เนี่ยถ้ารถมันไหลแล้วต้องคอยเหยียบเรกไว้พอรถมันหยุดตายแล้วก็ไม่ต้องเหยียบเบรกพอมันไหลใหม่แล้วก็แล้วก็เหยียบใหม่แล้วด้องการควบคุมความคิดหิดความคิด น อ, อยจาเวลาที่เขาต้องจําเป็นเขต้องคิดก็ปล่อยมันคิดได้เช่นนี้นเราทํางานหรือต้องคิดอะไรแล้วก็ปล่อยมันคิดได้แต่อย่าปล่อยมันคิดเพราะเจ้อเพราะฝันเข้าใจไหยความหมายของการใช้สติพูดโทนี่หมายความว่าตื่นเช้ามาเราก็พูดโธเลยอย่างนี้เหรอค ะ, ะใช่พอลืมตาก็พูดโธเลยเพราะมันธรรมดาทั้งเอาไว้พูดโทเลยจะไปคิดเรื่อวันนี้วันอะไรจะไปทําอะไรที่ไหนเดี๋ยวบางทีคิดถึงเรื่องที่ไม่ชอบขึ้นมาก็ไม่สบายใจล่ะ อืมงั้นคิดแต่เรื่องที่ยังเป็นท่าน้องคิดได้วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ต้องไปทํางานหรือเปล่าอะไรก็คิดได้พอรู้ต้องทําอะไรแล้วก็ไปเตรียมตัวระหว่างเตรียมตัวก็อย่าให้มันคิดพุทโธพุทโธไปดีกว่าพอไปคิดเดี๋ยไปคิดเรื่องไม่ไม่ดีก็ไม่สบายใจขึ้นมาเองอืมค่ะแล้วเวลานั่งสมาธิก็พุทโธง่ายแล้วจะสงบง่ายและจะมีความสุข ถ้ า, กาปกติจะดูจะดูลมหายใจมาโดยตลอดนะคะหนูก็ว่ามันหนูก็ไม่ค่อยกล้าพอนั่งสักเท่าไหร่ดูลมก็ดูได้เฉพาะเวลานั่งจะง่ายกว่าถ้าเวลาทําอะไรนี่มันดูยากอืมเวลานั่งสมาธิก็สามารถดูลมทางพุโทโธได้ถ้าอยากจะดูลมอยู่ที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ว่าลมเขา้ า, ล ม, ข า, าลมออกก็ไม่ว่าลมออกไปให้ดู เ, เฉยเพื่อให้จิตมันนิ่งไม่ใมีคิดอะไรอืม แล้วเวลาจิตสงบจะมีความสุขมากจะทําให้เราไม่ต้องไปหาเงินไปซื้อของต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราจะสบายขึ้น <S <S เป้าหมายคือนั่งเป้าหมายคือมีสติเพื่อให้นั่งสมาธิว่าได้สมาธิเราจะได้ความสุขจะได้ไม่ต้องไปหาเงินอย่างที่เคยพูดว่าคนฉลาดหาสติคนโง่าหาสตังค์นะหาสตังค์เท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมยิ่งมีบ้านยซื้อมาก ก็ยิ่งทุกบ้มากอยู่นั่นนะใช่ไหมใช่ค่ะหาสติดีกว่าพอมีสติว่าจิตสงบพอจิตสงบแล้วไม่อยากได้อะไรจิตพอมีความสุขไม่ม yes. ีเงินก็ไม่เดือดร้อนอืมนะหาสติกันดีกว่านะอย่าไปหาสถางคอ่าใบยกใโยกกลมาแล้วหรอป่ายกกูพาอะไรหายไปไหนหมดอะ ธรมะส ก, การเจ้าค่ะมาคนเดียวเลยนะปากแสบยังมีแต่แม่แมอาบน้ำอยูอรอครับแม่ ก, กับน้องอาน้ำอยู่แนลไปที่คนเดียก่อนนะถ้ามีอะไรไหมครับจบคลิปนะครับอ่าเข้ามารับพรเจ้าค่ะอ่ารับพรก็ฟังธรรมะเนี่ยทำพรในประเสริฐก็คือธรรมะเนี่ยนะค่ะเอาใจฟังไปเรื่อยๆนะจะได้ปัญญานะ พอใจไหมย อ, เอ่เดี๋ยวถ้าพร้อมจะพูดก็ค่อยค่อยว่ากันใหม่แล้วเดี๋ยวให้คนอื่นก่อนครับโอเคผเห็นเห็นคุณสัญญาครับสัญญาเชิญครับรบกวนสอบถามอาจารย์อีกสักคำถามนะครับไม่ทราบได้ยินไหมครับได้ยินเชิญเลยคือผมปปฏิบัติมาเนี่ยผมก็พยายามฝึกเรื่องของของการเจริญสติ การรู้สึกตัวการรู้สึกเวทนาการนิวรณหน้าอ่างต่างผมก็พยายามรู้สึกตลอดครับมันจับช่ยอย่าไปทําอย่างนั้นเลยรู้มากเกินไปอย่างที่บอกนะทำหลายเรื่องมันก็เลยไม่ได้สักเรื่องจับปลาหลายมือก็าเนี่ยจับเอาตัวเดียวดีกว่าจับปลาทีละตัวดีวกว่าที่ไปจับหลายหลายตัวคว้ามกันมันก็เลยไม่ได้สักตัวเอาตัวนี้เอาพุทโธก่อนเอาสติให้ได้ก่อนอถ้าไม่มีสติแล้วไปจับตัวอื่นไม่ได้หรอก นะผมสังเกตว่าปฏิฆะเนี่ยมันมันเกิดบ่อยมากเออเนี่ยมันเยอะเป็นต็มไปหมดเลยนะเพราะเราไม่มีสติตัวเดียวตัวอื่นมันก็ขึ้นมาหมดปฏิฆะรูภระอะไรต่างๆมันก็ไม่มีวันที่จะลดหย่อนลงไปหรอกแต่ถ้าพอมีสติแล้วตัวต่างๆอหลนี้มันจะเริ่มผลละเริ่มหายแล้วครับเนี่ยการปฏิบัติไม่เหมือนกับการเรียนนะการเรียนมันเรียนทั้งวัาฏัยยุทอ์เอามันทั้งตู้เลยแต่ไม่เกิดประโยชน์เลย เวลปฏิบัติจริงๆก็เอาทีละตัวตัวแรกก็คือสติก่อนจะมีสติก็ต้องมีศีลก่อนอยากกินเหล้ากินเหล้าก็ไม่มีสติกินเหล้าเมาใช่ไหมครับเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจการปฏิบัติเกับการนี้มันต่างกันนะว่าถ้าเราต้องการเข้าปฏิบัตินี้เอาตัวเดียวนะอย่าไปเอาหลายตัวครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับ มีคนเข้ามาใหม่แล้วคุณวิพานีก็ไ ด, ได้ได้พูดในอยัางคุณวิพานีใช่ไายังไม่ได้พูดอันนิวอันนิกันได้พูดแล้วเจ้าค่ะ อ, อ๋อได้พูดแล้วเหรออยู่ที่ไหนนะจำไม่ได้อยู่อยู่มหาสรารคามเจ้าค่ะมหาสรารคามเมื่อกี้สายแว่นเท่าไใช่ไ อาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้ปวดดั้งจมงูกแล้วค่ะเลถอดแว่นออกจา้าค่ะเลยจำไม่ได้เพื่เป็นคนไปที่ท่าอนอื่นก็แล้วกันมีใครอยากจะถามไคุณประวิ์ไม่รู้วันนี้เข้ามาหรือยังไม่ครับคงไม่ได้เข้ามายัางครับคุณกล้องนะคุณกล้องกสิทธิ์เชิญครับขอบพระมหากษรพระจากครับเออว่าเป็นยังไง อาารย์ครับคือตราตั้งนี้คือตอนแรกครับเริ่มนั่งมันก็สงบครับอาจารย์พอเราทําไปเรื่อยๆแล้วมันจะแบบมันจะเหมือนกับนเป็นการต่อสู้ครับอาจารย์ว่าเราต้องพุทโธพุทโธอย่างครับแล้วเรารู้สึกว่าแบบความสงบมันมันหายมันเริ่มหายไปอมันเหมือนกับเราต้องดึงอย่างเดียวเลยครับก็แสดงว่าสติเราหมดกําลังเลยเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่ด้วยการพุโทโธพุโทโธไปต่ออือ เช่นกับไ ป, ปพูดโทรไปเลื่อยเช่นกันนครับมันมะสงบใหม่แล้วก็อยู่พูดโทรได้แล้วเดี๋ยวมันแล้เราไม่สงบใหม่แล้วก็พูดโทรใหม่อือทํางนี้ไปเรื่อยเืยก่อนครับมีเท่านี้ครับพระอาจารย์โอเคได้คุณมาเล่นต่อเลยคุณมาเล่นอยู่ข้างล่างเลยกราบมาสการครับหลวงพ่ อ, อว่หลวงพ่อครับอื ม, ม บางทีตอนตอนผมจะหลับอะครับผมก็เอจับลมหายใจก็บางทีก็จับไม่อยู่ก็เลยลองเอามือจับหน้าอกตัวเองจับหัวใจแล้วพอเออหัวใจมันถ้าจับลมหายใจบางทีมันฟุ้งต้านแล้วบางทีมันหายไปแต่จับหัวใจเออไม่หายไปก็เออใช่หัวใจเราบังคัาให้มันหยุดเต้นหรือมันเต้นไม่ได้มันก็เต้นของมันอย่างเออมันก็รู้สึกเออแปลกดีเหมือนกันครับพี่เด็กเรื่องอะไรล่ะแล้วเออก็แบบแบบเหมือนจะหลับแล้วเออหัวใจมันยังหยุดเต้นแต่ถ้าจับจับลมหายใจมันจะดับตอนไม่รู้ตัวแล่ถ้าหด ท่านหลับจับมือจับหน้าอกไปไม่รู้สึกมันเต้นต่อเออมันก็แบบมันก็จะเหมือนคิดเออใช่ไม่ใช่ของเรามันก็คิดแบบตื้นๆอย่างนี้ครับหลงพ่อก็ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอะไรไม่เป็นสาระอะไรท่านที่พูดมานั่นมันก็แบบเออมันเหมือนมันก็เต้นของมันโดยที่เราแบบไม่ได้สั่งการเนี่ยคำนองนี้ครับเวลามันหยุดมันก็สั่งห้ามมันไม่ได้ให้คิดอย่างนี้ครับครับก็ไม่มีอะไรครับพยายามจะพยายามดึงตัวเองให้มาฟังเพราะว่า ถ้าตัวเองไม่ได้ฟังแล้วมันรู้สึกเหมือนเหมือนมันห่างไกลอะไรอย่างเนี้ยครับก็แค่มันแค่อยากมาฟังก็เดี๋ยวไม่มีอะไรครับเอธรรมะก็เป็นเหมือนอาหารนะครับทำธรรมแล้วใจก็จะอมีอาหารหน่อเลี้ยงมีกําลังนะครับรู้สึกว่าตัวเองแบบเออวิทย์ขนาดอดอารมณ์ตัวเองมันมันก็เหมือนอารมณ์ตัวเองเหมือนดินฟ้าอากาศด้วยไหมครับหลวงพ่อก็มันก็แปลกวนเหมือนกันใช่ไหม ได้ครับแล้วห้ามมันได้ปะห้ามมันไม่ได้หมายความว่าพระอรหันต์ท่านควบคุมได้อย่างเดือดคือใจแต่นอกนั้นก็เหมือนคนธรรมดาใช่ไหมครับหลวงพว่อก็บางอย่างได้ก็คุมได้บางอย่างได้ก็คุมไม่ได้อ๋อครับท่านคุมกิเลสได้แล้วคุมกิเลสได้แต่ยังไงก็คุมไม่ได้ร่างกายก็คุมมันไม่ได้พระเจ้าก็ยังต้องแก่เจ็บตาย แต่ถ้าไม่มีความโลดโกรธลงไม่มีความรักชังโกรธลงครับครับเข้าใจนะครับเอกครับมีใครไหมมีใครอยากจะถามนลวงพ่อครับนิดนึงครับนิดนึงครับมามาพี่หลวงพ่อเฟซบุ๊กหลวงพ่อนี่ตอบข้อความทางกล่องข้อความไหมครับหรือไม่ตอบครับตอนนี้ไม่ได้ตอบส่วนใหญ่เราไม่ได้ตอบอ๋อไม่ตอบครับจะได้แบบโอเคครับ แล้วตอนนี้ถ้าใครอยากจะถามก็เข้าไปในเฟซบุ๊กแล้วใส่คำถามเข้าไปแล้วก็คุณหล้าก็จะเอามาอ่านมาถามตอบตอนนี้อ๋อโอเคไม่เช่นนั้นก็วันวันที่มีการแสดงธรรมสดๆตอนช่วงบ่ายสามโมงก็มีการส่งข้อความเข้าไปถามได้อ๋อครับแต่ต้องเป็นวันเสาร์ต้องเป็นวันสดต้องวันแสดงสดนะวันเสาร์ที่กับวันวันพระวันหนึ่งเป็นวันเป็นเทปเป็นบันทึกเสียงเก่าของเกับ ถามว่า ม, มีใครตอบโอเคโอเคครับเพราะเห็นบางทีขึ้นออนไลน์เกยอยากรู้ว่าญาติโยมเขาถามทางนั้นได้ไหมเวลาทั่วไปได้ถ้าเป็นวันเสาร์ที่ถ้าเป็นการแสดงสดช่วง3โมงก็จา ม, มีการถามตอบคําถามโอเคครับกรบาบสาธุหลวงพ่อให้หลวงพ่อเห็นอะไรถึงได้มีใครอีกไหมคใครอยากจะพูดใครอยากจะถามคุณสริณทร์เข้ามานะครับาอาจารย์ทำมานานอย่างสาริณทรนเพิ่งมาครับเอ นมัส ก, การค่ะอ า, าจารย์อาาพอดียัมาปิดท้ายเลยค่ะอาจารย์ยัมีม้วนนี้ยค่ะอาจารย์คือโยงไปเห็นเหมือนเป็นโฆษณาอันหนึ่งอะค่ะแล้วก็คือเขาก็พูดในทานองว่ารับใส่บาทรับรับใส่บาทสําหรับบุคคลที่ไม่สามารถเอ่อใส่บาทตอนเช้าได้เอ่อทำบุญสําหรับคน ทำงานกะกลางคืนบ้างคนที่อยู่ต่างประเทศบ้างลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> มันได้เหรอคะพระอาจารย์ก็อยู่ที่ว่าเขาหลอกลวงรขาเปล่าแล้วก็ ท, ทําหน้าที่บอยสดเ้าเอางินที่เราให้เขาไปไปซื้ออาหารใส่บาตรตามที่เขาพูดก็เขาเราก็ได้บุญพระก็ได้แต่ถ้าเขา <c oughs> ถ้าเขาเอาเงินไปแล้วเขาเก็บไปแล้วก็หลอกเราว่าได้ใส่าบาตรเสร็จแล้วอย่างนี้ก็เป็นการหลอกลวงแต่เราก็ยังได้บุญ <c oughs> เพราะเราเรายังเสียสละเงินของเราอยู่ไป แเป็สดาระห้างกับคนวิจาชีพเท่านั้นเองค่ะพระอาจารย์เพราะเขาเขียนมาเป็นเรื่องรางแล้วก็บอกว่าถ่ายรูปให้ดูมีวิดีโอให้ดูว่าได้ทับจรงิงอันนี้ถ้า <itions. lemonade. S 2> เป็นจรงิจรงก็ก็มีอทว่าในีมีญาติอยู่อยู่ต่างประเทศที่วันนี้มีพวกที่เขาทํากับข้ามาถวายพระแล้วก็บางทีก็มีพวกที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็สั่งพวที่มาปฏิบัติธรรมก็มาถวายเองพวกที่อยู่ต่างประเทศอยากจะถวายเขาก็ โอเงินมาให้แล้วก็บอกว่าอช่วยทำกับข้าวถวายผ้าให้ด้วยเวลาเขาถวายเขาก็เขาว่าถ่ายรูปก็ถ่ายวีดีโอส่งมาให้เจ้าของค่ใครก็ไม่แน่ก็เพราะว่าเขาถ่ายรูปของใครก็ไม่รู้ใช่ไหมพี่เจ้ารวมๆกันค่ะพระอาจารยพระอาจารย์แล้วถ้าอยากจะได้บุญสดๆร้อนๆทาตรงนั้นตรงที่เราอยู่ใกล้เราไม่ต้องทํากับผ้าเสมอไปก็ได้ อ่ะยงแค่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันเขาเป็นธุรกิจใช่ตอนนี้ก็มีธุรกิจเขก็มีธุรกิจ <c oughs> โพก็มาตามสภาวะต่างๆเนี่แค่ะพระอาจารย์คะแล้วถ้าสมมติว่าจิตของคนเราเนี่ยเริ่มเดินออกทางปัญญาเริ่มเริ่มพิจารณาออกทางปัญญาแล้วการนั่งสมาธิเนี่ยเรายังคงต้องต้องนั่งอยู่สลับกัน เ, เพราะมันเหมือนน้ามันรถเป็นเหมือนกันเติมน้ํามันรถเวลานี่เข้าสมาธิ แต่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าการปัญญาเนี่มันหมดค่ะก็คือเดินก็เดินปัญญาไปแต่ว่าสลับกันสลับกันพอหมดกาลังพอหมดกาลังตัดกิเลสไม่ได้ก็ต้องหยุดแล้วกลับเข้าไปสงบตัวตามตามิามพลังก่อนตามโมเบคาก่อนแล้วถ้าเราต้องเจอบุคคลที่ทําให้จิตใจเราไม่ไม่เป็นปกติอะค่ะพระอาจารย์เหมือนว่าเราอาจจะใช้ปัญญาลองใช้เป็น แต่สมมติว่าถ้าเราถ้าเราพิจารณาก็เป็นดินน้ำลมไฟไปใช่ครับอาจารย์แต่ถ้าสมมติว่ามันกระทบแรงมากเนี่ยเราควรจะยังคงพิจารณาว่าเป็นดินดินน้ำลมไฟหรือว่าเราควรจะถอยออกมาตั้งตัวก่อนจนกว่าที่ว่าเราอยู่ที่ว่าจิตเราเฉยได้หรือเปล่าถ้าเฉยไม่ได้ตอนนั้นก็ถ้าต้องต้องถอยก็ต้องถอย ถ้าพิจารณาไม่ได้ก็ใช้สติแทนช่วยแทนก็ได้พุทโธพุทโธไปถ้าถอยไม่ได้ถ้ายั ง, ต, งต้องอยู่ในเหตุการณ์อยู่ก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปค่ะค่ะอ า, าจารย์เข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ใช่ได้สองอย่างถ้าใช้บัญญา ย, ย่างใช้ไม่ไม่ได้ก็ใช้สติไปก่อนใช้พุโธมันมาเป็นบางแต่พุทโธมันเป็นของชั่วข่าวระงับได้เป็นครั้งเป็นคราวเลย แต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วพอแก้ปัญหานี้ได้แล้วมันจะไม่ต้องเป็นปัญหาอีกต่อไปค่ะพระอาจารย์กลับขอบคุณครับแต่กลับ U S A แล้วเหรอเสารนี้แล้วค่ะยมดีใจมากมมมมดีใจตอนที่อยู่ U S A ก็อยากจะมาหาลูกคือตอนเรามาที่นี่เราเข้าใจไงคะพระอาจารย์ยมถึงเดินปัญญาได้ว่าเรา เราก็เป็นแค่บุคคลหนึ่งเราเจะไม่สามารถยึดมั่นได้ว่าเราต้องมีความสําคัญกับลูกกับครอบครัว เ, ออเข้าใจความเป็นจริงว่าเราเราอยู่ที่นี่ในฐานะที่มันไม่ใช่ในสิ่งที่เราคิดอยากคิดอยากมีอยากเป็น เ, ออเข้าใจกิเลสของตัวเองแล้วก็ก้าวข้ามผ่านกิเลสที่ตัวเองคิดแล้วก็ปล่อยวางได้อ่ะคระอาจารย์ออออมองทุกอย่างง่ายมาก ง, าง่ายง่ายขึ้นมากหรอเ่าพะอาจารย์ยอมรับยอมรับเขาจะ ยอเรักสาคัญไม่สําคัญก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่พู้อาจารย์เคยสอนว่ามันทุกอย่างมันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปณวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ไม่มีไม่เป็นอย่างที่เราหวังแต่เมื่อเราวางใจว่าแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าไอ้สิ่งที่เราหวังมันคือความถูกต้องอพอเราเก้าวข้ามผ่านว่าสิ่งที่ความเชื่อที่เรามีที่เราเป็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปในความคิดเรา พอพอผ่านมันตรงนี้มาได้ปุ๊บยอมยอมก็มองเห็นว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมันไม่มีอะไรผิดมันไม่มีอะไรแปลกใจเราต่างหากที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงพอเห็นความเป็นจริงปุ๊บ ก, ก็เข้าใจอะค่ะอาจารย์เออที่อยูออ่ความเป็นจริงแล้วก็ดูดูความเป็นจริงว่าเรามีหน้าที่อะไรกับความเป็นจริงนั้นเรามีหน้าที่เราทําอะไรก็ทําไป ทำได้ก็ทําไปค่ะพระอาจารย์กับขอบพระคุณคําสอนที่พระอาจารย์สั่งสอนมาทําให้โยมรู้สึกว่าโยมใช้ชีวิตได้ดีขึ้นได้มีการพัฒนาความคิดของตัวเองได้มีการวางใจที่ถูกต้องได้อคําคสอนพระอาจารย์ค่ะอะ ส, วส่วนใหญ่เราจะมัจะคิดแต่ตัวเราอย่างเดียวไม่ได้มาไม่ได้มองขวางจริงมากนะใช่ค่ะพอเห็นทุกข์ก็ถึงจะเห็นธรรมค่ะะอาจารย์ โอเคน่ค่ะสาธุครับอาจารย์ okay. ไปท่านต่อไปนะคุณพัทธาพรบัสักบสุเพิ่งเข้ามาเลยจรดีเป็นยังไงกับมัสการเจ้ค่้าหลวงพอ่อเพิ่งเข้ามานั่งนั่งสมาธิฟังอยู่เจา้าค่ะแ ล, แล้วก็เลยเมื่อกี้เห็นคุณก็อบอกว่าเรื่องคาบุญแล้วพี่เขาจัดอาหารถวายทุกวันใช่ไหมคเอ ะ, อะ แต่ก็ทำจริงๆไม่ต้องกลัวคนนี้ก็ทำจริงๆเอามาถวายทั้งวาแล้วรับประกันได้ไม่ต้องกังวลไม่กังวลเลยค่ะเ ข, ข, ขาเขาค่ะก็แต้องรู้ว่าคนบางคนก็อาจจะเห็นช่องทางเป็นการช่องช่อ ง, องหาหากินของเขาก็ได้นะมั <c oughs> ้ยยิ่งทำอะไรบางทีต้องทำกับคนที่เราไว้ใจได้ค่ะ ใช่ค่ะอันนี้ลูกลูกทราบแล้ว่าเฉยๆหลวงพ่อแล้วขาก็คือลูกนิง่งมันมันมันมันนิง่งนิ่งสงบอย่างเดียวแล้วแล้วลูกควรจะไปอย่างไงต่อเจ้าค่ะ<แ>ให้มันนิ่งไปเรื่อยๆให้มันจสงบไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเพราะมันจะติมันจะติดสมาธิไปหรือเปล่าไม่เป็นไรอย่าไปทุกข์กับอะไรก็ใช้ได้ถ้ า, าถ้าทุกข์แล้วความนี้มัน ให้สตินิ่งไม่ได้ก็ต้องหักใช้ปัญญาพิจารณาเป็นตายรักไว่าอถ้าเราไม่นิ่งกับถ้าเราไม่นิ่งกับลูกเราเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาลูกเราว่าเป็นอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาไหมนะทูตเจ้าค่าหลวงพ่อหลวงพ่อแล้วอย่างอ่าลูกยกตัวอย่างอ่าอย่างเมื่อเมื่อวันอาทิตย์นี้เจ้าค่าพอดีสามีครับอาจะซื้อ จะซื้อแฟดเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วจิตนะ่ะจิตตัวที่มันรู้สึกไม่ดีมันขึ้นมาว่าจะซื้อทําไมจะซื้อทําไมใครจะดูแลแต่ลูกก็เห็นจิตตัวเองว่ามันขึ้นมาว่าความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาแล้วลูกก็ก็ดับทันทีว่าแล้วยูยู่จะพูดทําไมแต่ว่าอยู่ลูกไม่ได้พูดออกมามันพูดในจิตของโยมอะค่ะ อ, อย่างนี้เป็นปัญญาไหมเจ้าคะก็อยู่ปัญญาอยู่ที่ว่าควรพูดแล้วไม่ควรพูดควรคิดหลือไม่ควร ค, คิด ถ้าไม่ใช่เรื่องของเขาเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาก็อย่าไปยุ่งเขาถ้าเขาปรึกษา<อ>เราแล้วก็ให้ความคิดกับเขาไปได้แต่ถ้าเขาไม่ปรึกษาแล้วเขาเพียงแต่บอกว่าเขาจะทําก็ถ้าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามเขาก็อย่าไปห้ามเขาก็ปล่อยเขาทําไปลูกก็<า>ต้องวางาวางเจ็ดอย่าเอาเเอารมณ์ของเร า, า, า, ามาเป็นเป็นตัวตั้งอ่าทุกเจ้าค่ะแล้วลูกก็คิดในใจแต่ว่าไม่ได้พูดออกไปอันนี้ลูก ถูกต้องถูกต้องถ้าไม่พูดก็ไม่เป็นปัญหาถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวก็อาจจะไปทําให้เขาไม่สบายใจขึ้นมาก็เป็นเวรเป็นกรรมอย่างขึ้นมาเองสาธุสาธุทินสาธุทินสาธุาก่อนจะพูดอะไรก็ถ้าคิดแล้วคิดให้รอบคอบก่อนถ้าพูดไปแล้วไม่ดีก็อย่าพูดดีกว่าถึงแม้<ด>เราไม่ชอบแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ไปพูดนี่มันไม่ใช่เรื่องของเราคนเราชอบไปยุ่งที่เราชอบพูดชอไปเสือกเรื่องของคนอื่นเขาอยู่ด้วย อย่าไปเสือกเรื่องของคนอื่นเขาขนนเข า, ขาจะเป็นเหตาเรื่องของมั น, มน<ด>ขึ้นมาว่าจะซื้อทําไมอีกใครจะดูแลค่ะจิบมันขึ้นมามันปุ๊บมาแต่ว่าลูกกระดับทันทีว่า อ, อย่าพูดออกไปจะพูดออกไปทําไมเนี่ยอืมท่านก็ปรึกษาแล้วก็ถ้านก็ ข, ขอคขวามความเห็นก็บอกเข้าไปได้เราเห็นอย่างนี้เราคิดอย่างนี้แต่ท่านก็ไม่ถามก็อย่าไปอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าอะสาธุเจ้ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อ อ่ะเดียวอดมีอะไรัหมเดียวไม่มีครับเน้อง้องเรียนเนื้อแทนเงี้ยเงียี้ปิดใช่ไหมปิด s e p t e m b บอร์เย้ปิดปิดจูนจูนนะปันนี้ปีสุดท้ายแล้วยังสำหรับระดับไฮสคูลปียงเหรอปีหน้าปีสุดท้ายปีหน้าโอเคตั้งใจเรียนนะอ่าสองโอเคดูการรักษาสุขภาพด้ยนะครับามีใครบ้างที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้พูดนี้ไหม คุณสนธยาครับคุณประวิมาแล้วคุณประเวิทเข้ามาแล้วเดดเดดเดดเอาใครก่อนคุณคุณสนธยาครับอาจารย์สนธยาก่อนใช่คุณสนธยาพูดได้เลยอยู่ที่ไหนอ่าพูดได้เลยไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วเสียงไม่มาอยู่ที่กำแพงเพชรครับกําแพงเพชรพูดดังๆหน่อยได้ไหมครับเอาจารย์พอดีอยากจะถามว่าถ้าเกิดว่า เรามีจิตศรัทธาที่อยากจะทําบุญแต่ว่าคนในครอบครัวไม่ไม่มีจิตศรัทธากับเราครับแล้วควรทําใจยังไงดีครับก็เงินหลงไทยนะเงินของผมเองครับเงเราเราก็ทําไปเนี่ยก็จะสนใจไม่สนใจก็ไม่ห่วงเขาเราเบังคับเขาไม่ได้แต่เขาห้ามนะครับอาจารย์ห้ามก็เป็นเงินของเราก็จะห้ามได้ยังไงละแล้วก็ไม่ต้องไปบอกเขาที่เวลาทําบุญถ้าเขาห้ามแล้วครั้งต่อไปก็ไม่ต้องไปบอกเขาได้เอง ได้ครับเราอยากใจก็อนอนุโมทนาใช่ไหมต่นนั้นอ่ะเราจะได้บุญด้วยแต่มันเขา้ามาอนุโมทนาแล้วเราก็ก็ก็ไม่ไม่ต้องไปบังคับเขาเราก็ไปทำํำเราแบบเงียบๆไม่ได้ขอรู้เท่านั้นเองครับจครับนะช่วงครับผมช่วงนี้ก็พยายามที่จะงดข้าวในการภาวนาอยู่ครับอาจารย์รู้สึกว่าจิตหลังจากงดข้าวมันนิ่งขึ้นนะครับใช่ดี กินน้อยๆนั่งภาวนานั่งกินน้อยๆครับเมื่อก่อนก็เดินเดินเยอะครับอาจารย์แต่ว่าอยากจะหัดนั่งให้มันนานๆเหมือนตอนที่เราเดินนะครับอาจารย์เอ่ได้ธรรมดาทั้งสองอย่างเดินด้วยแล้วก็มานั่งด้วยนะได้ครับอาจารย์แต่ต้องมีสติดเดินนะไม่ใช่เดินใจลอยนะครั บ, <ท lumps S 2> รบอาจารย์อ่ามีอะไรไหมครับมีแค่นี้ครับอาจารย์โอเค เชิญ ค, คุณประเวิทคุณพัฒนาถามถึงอ่ะคุณประเวิคุณสุณัฒราถามถึงอ่อไม่ใช่นี่ผื่อก่อนแล้วไม่ไี้อยู่ไหนคุณประเวิอยู่อีกช่องหนึ่งครับอยู่ข้างล่างครับเด็ดอันนีน้อาจารย์จ้าวพฤกษ์กลางครับอาจารย์อ่าเป็นไงฉีดวัคซีนแล้วเหรอฉีดไปเข็มแรกครับเข็มที่สองวันที่สองเดือนหน้าจะฉีดเข็มที่สองครับผมอือที่ก็สบาย ก็คิดว่าอยากได้กลับเมืองไทยไปกาบผ้าจานบ้างครับอ๋อเด็กที่ก็จะให้เข้าหรือเปล่าเข้าได้มัง้งแต่ต้องอาจจะต้องตรวจก่อนใช่ไหมตรวจว่าเป็เชื้อเปล่ายังยังไม่ทราบกดแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็ดูจากข่าวที่เขาว่ากลับจากอเมริกาไปเมืองไทยเนี่ยมันมีสองวิธีกลับอยู่ส่วนตัวกับกลับข อ, ของรัฐบาลไปยังไงก็ยังโดนกักตัวอยู่ดี แล้วทางอเมริกานี่คนที่ฉีดเสร็จแล้วก็เข้าให้ไปตรวจดูว่ามีภูมิต้านทานหรือเปล่าหรือเปล่าเรไม่ทมจากจากที่เราอ่านจากหนังสือพิมพ์นะครับแต่ของอ s a เยาที่ผมฉีดเขาไฟเ z อร์นี่มันก็ 95% เขาบอกว่ามันก็เข้าไปแล้ว 80% ที่ว่ามียาเข้าอยู่ในร่างกายอิมูนแล้วถ้าขีดเข็มสองนี่มันก็คงจะดีขึ้นแต่ว่าไม่ต้องตรวจดว่ามีหรือไม่มีถือว่าเราทไมติด ผมว่าถ้าเราเราเราจะตรวจก็ได้ครับหลังจากที่เราฉีดเข็นที่สองแล้วแต่ผมว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าการที่จะตรวจเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเราจะกลับเมืองไทยเนี่ย mm hmm. เราต้องขออนุญาตจากรัฐบาลไทยเข้าเนี่ย mm hmm. เขาจะยอมรับหรือไม่ว่าไอ้ที่เราฉีดยาเข็มที่สองมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการกักตัวหรือเปล่าอันนั้นที่ยังมีปัญหากันอยู่เอ่ใช่เพราะก็ยังไม่รู้ว่าเราปลอดเชื้อหรือเปล่าครับผมอันนั้นอันนั้นยังมีปัญหาอยู่ว่า ตอนนี้ก็มีคนฉีดไปเยอะแล้วครับที่เท็กซัส ก, ก็เกือบห้าล้านคนในฉีดดอนแรกแล้วมันก็อบเกือบสิบเปอร์เซ็นของประชาชนของสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าถ้าเราฉีดหมดที่อเมริกาแต่ที่ประเทศอื่นๆที่เราต้องไปสต็อปเนี่ยเขายังไม่ฉีดเขาจะรับรองเราหรือป่าเท่านั้นเองครับก็อาจจะให้เราอยู่สอาทิตย์ ครอนตัดวครับผมเพราะว่ามันมันไม่เกี่ยวกับเขาเลยเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ของเขาใช่เขาก็ต้องทําเขาก็ต้องถ้าตรวจตรวจเราว่าไม่เชื่อเปล่าสองครั้งภายในสองอันนี้ผมผมก็กลัวอันนี้ว่าตอนนี้มันก็จะจะเป็นเป็นคาดมาให้ผมแล้วที่ว่าผมได้ฉีดเข็มแรกแล้วแดยวันเดือนหน้าวันที่สองนี้ผมจะฉีดเขาจะเขียนว่าผมฉีดเข็มสองเรียบร้อยแต่ว่าไม่รู้จะทําเหมือนกับสมัยก่อนที่ผมมาอเมริกาว่า ต้องมีการฉีดวัคซีนก่อนเข้าเปน็นหนังสือเล็กเล่มมาอีกเล่มหนึ่งอย่างนันหรือเปล่าคใช่จะไหมก่อนก่อนจะไปเนี่ไปมุ่งห น, น้าต้องไปฉีดยา ก, ก่อนครับผมหรือว่าผมว่าอานาคตนี่ผมว่าภายในสองสาปีข้างหน้าอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าไปไปไหนต้องฉีดยาหรเป็นหนังสือรับรองว่าถ้าฉีดยาชนิดนี้ชนิดนี้นนแล้วเขาจะยาเข้าประเทศได้ครับครับผมผมว่าคิดว่าอานาคตจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่านับวันจะมีแต่เชื้อแปลกๆเข้ามาอยู่เรื่อยไม่รู้ว่าใครทํากันแน่ เออนี่โอเคแต่คิดว่ามาได้เพราะตอนนี้ก็มีคนมาจากต่างประเทศเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับครับครับผมตอนนี้มีไปเยอะครับล้วก็ดูว่าที่เขากักตัวเนี่ยเขาก็มีรีวิวให้เยอะเลยครับ้ว่ากักตัวอยู่โรงแรมไหนในกรุงเทพในพัทยาในชนบุรีหรือที่ไหนที่เราเลือกไปที่เขามีให้ก็ใช้ได้ทุกทุกทุกโปรแกรมที่เขาส่งมให้ดูครับนี่ แต่ต้องเสียเงนินเยอะ้ากับตัวนี้เราต้องเป็นคนใจ่ายใช่ไหมถ้าถ้าคนไทยที่ออกจากยุโรปหรืออเมริกาที่ใช้พา ส, สปอร์ตไทยแล้วก็แล้วก็เข้าประเทศไทยแล้วขออนุญาตของของรัฐบาลออกให้แต่ว่าถ้าเราจะกลับเองโดยไม่อยู่ในเขตที่รัฐบาลออกเราจะออกเองครับก็เห็นดูจากราคาประมาณสาม0มสองถึงสี่หมืนห้า ถึงถึงห้าหมื่นครับต่อสิบสิบห้าวันที่ไปกลับตัวครับอของฟรีก็มีแหละแบบฟรีก็มีของฟรีของรัฐบาลก็มีเยอะนะครับที่ว่า<ม>ออกจากประเทศไทยแล้วใช้พาสปอร์ตไทยออกรัฐบาลจะให้ไปอยู่แถวพัทยาหรืออะไรเนี้ยสิบสี่สิบห้าวันเขาออกค่าอาหารค่าโรงแรมให้ด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าสำหรับคนที่เขากลับมาเขาไม่ต้องการที่จะไปอยู่ ใช้เงินของรัฐบาล <Okay. S 2> เขาก็ออกเองครับ <Okay. S 2> ก็เห็นยอดเงินที่ผมเช็คดูแต่ละหว่างสามหมื่นสองถึงสี่หมื่นห้าครับค <Okay. S 2> ่าโรงแรมสิบห้าวันครับ okay. uh huh. ก็ไม่มีอะไรครับอากาศเรียนท่านว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับแต่ว่ารรอลูกสามอยู่ครับลูกสามเป็นไรลูกเห็นเห็นว่าอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงมา oh. จากทางเหนืออีกครับมาลูกที่สามเลย ก็ก็ก็ชีวิตก็คงต้องสู้อย่างนี้ตลอดไปครับเพราะ<ช>ว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ว่าที่ไหนของโลกมันเริ่มเปลี่ยนแปลงครับกาโลกร้อนใช่ไหมผลมาจากนั้นก็เป็นเหตุหนึ่งครับท่านแต่ว่าผมว่าเหตุเล็กร้อนมันมันก็เกี่ยวกับมนุษย์ทำทั้งนั้นนี่ครับอ่ใช่โอเค ค, ครับไม่มีอะไรครับปมกลาบประนัการครับขอปอาจางแข็งแรงครับผมสาธุสาธุ มีใครอีกไหมวันนี้เป็น ค, คุณปรางวะลายยกมือครับปรางอ่ากับขอเรียนถามพระอาจารย์อีกอีกรอบหนึ่งค่ะเอ่อก่อนที่โยมจะมาได้เรียนธรรมะกับพระอาจารย์นะคะโยมก็ได้ศึกษาอรรมากับกับกับสํานักหนึงอะคะ่ะเขาพูดถึงเรื่องของการนั่งกรรมฐานแล้วก็หลังจากให้นั่งกรรมฐานแล้วเอ่อก็จะมีการใช้บท อัญเชิญพระเข้าตัวก็คือสัพเพพุท ธ, ธาสัพเพธัมมาคับแต่ว่าพอพอได้มาศึกษาอีกสำนักหนึ่งเขาบอกว่าบทนี้มันเป็นบทบทแผ่เมตตาโยมก็เลยอยากจะเรียนสอบถามว่าระหว่างคาว่าบทแผ่เมตตากับกับอัญเชิญพระเข้าตัวนี่มันมันแตกต่างกันยังไงเจ้าคะหนึง่งอัญเชิญพระเข้าตัวไม่ได้หรอกต้องเข้าด้วยการปฏิบัติเข้าด้วยสติด้วยปัญญานะ พุทธธรรมสังขารที่จะเข้าในใจเราได้ต้องผ่านสติผ่านปัญญาเข้ามา<ะ>ไม่ใช่มานั่งสวดนั่งสวดได้ก็ดีนั่งสวดให้เป็นพระอริยกันดีไหมเป็นพระโสดาบันพระสกิทาค า, านี่ได้ไมันไม่ได้หรอกนะยนอย่าไปงงง่ายกับเรื่องการสวดนะการสวดเป็นการฝึกสติอย่างเดียวนะสดวดวมไปจิตก็ไม่ไปคิดอะไรจิตก็มีสติจิตก็สง บ, บได้นะได้ไประโยชน์แค่นั้นเลจากการสวด จะสวดบทไหนก็ได้สวดบทแผ่เมตตาก็ได้สวดพาหุ้งก็ได้สวดชินมัญชรหรืออะไรก็ได้มันเป็นบทสวดเหมือนกับท่องพุโทโธไปท น, นั้นเอเพื่อให้จิตสงบไม่จิตฟุ้งซ่า น, นเรื่องของการสวดก็มีแค่นี้นะ่คร<ะ>ับแต่คนบางคนก็จะไปขายเป็นสรรพคุณอย่างนั้นอย่างนี้ครอบจักรวาลไปมันไม่มีหรอกมันเป็นการเจริญสติธรรมานุสติทับสอนพระพุทธเจ้าหรือว่าสวดต่างๆ เพราะนั้นท่าบอกว่าตอนนี้ยมยมก็ใช้สวดแค่อิติปิโสแล้วก็พุทธังสะระนังกระฉามิแล้วก็นั่งสมาธิได้เลยได้เลยไม่ไม่สวดอลไรก็ได้แะนั้นนั่งนั่งเลยก็ได้ที่ถ้าถ้าถ้านั่งแล้วไม่สงบต้องสวดก่อนก็สวดก่อนก็ได้ตอนนี้นั่งไม่ได้ตอนนี้ดูลมไม่ได้จิตยังฟุ้งอยู่ก็สวดก่อนแค่นั้นเนีองเพื่อดึงสติเพื่อดึงสติให้กลับเข้ามาอะคุณสุภัสตาเชิญ จะทักทายคุณบริวิทนะอ๋คะคุณบริวิทพระอาจารย์ได้ยินใช่ไหมเจ้าค่ะได้ยินได้ยินเชนลูกพอดีลูกขอคําถามอีกข้อหนึ่งยังล้องใจอะเจ้าค่ะคือที่คุยที่ที่เล่าให้พระอาจารย์คือลูกพยายามไม่ใช้เงินไม่ถือเงินแล้วถ้าเรื่องทานคือถ้าลูกไม่ได้บุญตรงนั้นลูกเลือกวิธีการปฏิบัติอย่างเดียวลูกถ้าลูกสิ้นลมไปอย่างเงี้ยลูกจะได้บุญจากตรงไหนล่ะเจ้าค่ะถ้ามันยังไม่ได้ผลนะก็ระทำ แล้วถ้ายังไม่ได้ผลนะเจ้าค่ะคือถ้าลูกยังนั่งสมาธิจิตยังไม่รวมแล้วก็ปัญญายังไม่เกิดลูกจะได้บุญเท่าไหร่นะเจ้าคะก็เอาเงของเราที่เรามีตอนนี้ไปทําบุญให้หมดสิทํำถ้าเจ้าค่ะไม่มีแล้วค่ะไม่มเช่นลงมันนี้ก็จะได้มีบุญติดตัวไปได้ถ้าไม่มีก็อาศัยบุญที่เราเคยทํามาแล้วเท่านั้นก็คืออาศัยที่ลูก ทพืกับการปฏิบัติแต่เจ้าใช่ไหมเจ้าคะทั้งวันก็สายบุญเก่าที่เราทําตอนที่เรายังใช้งันอยู่แล้วก็ทําบุญอยู่ไม่ใช่หรอเจ้าเจ้าค่ะแต่เราส่วนนติดตัวไปได้ส่วนที่เราทำมาแล้วเราก็ติดตัวไปได้แต่ส่วนใหม่นี้เรายังไม่ได้ทําก็ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนบุญจากบุญจากการทําทานมาเป็นบุญจากการภาวนาแทนเจ้าค่ะ ลูก็กังวลนิดนึงเพราะว่ามันยังคือการภาวนาใช้เวลาไม่รู้ผลจะเกิดเมื่อไหร่อ่ะเจ้าค่ะแล้วจาเผื่อลูกหมดลมคือหมดอายุขัยแล้วลูกก็เลยกังวลว่าเแล้วลูกจะได้บุญตรงไหนพราะกลัวภาวนายังไม่ได้ผลนะเจ้าก็ได้ตรงที่ทำมาแล้วไงทำตามถ้าตอนนี้ยังมีอยู่ก็ามาให้หมดเสิบอกสามีมาทันกลัวพวกนี้ขนาจจะตายฉันขอเงินไปทําบุญก่อนท่านจะได้มีรายติดตัวไปก็เท่านั้นแหละทำทำไมไม่ทำล่ ทำได้ครับไม่ทํำก็เป็นเป็นกันของเขาเจ้าค่ะล oh <groans> oh, ูกไม่มีไม่มีใครทำแล้วเจ้าค่ะถ้าเป็นของเขาก็ไม่ใช่เราทําำเราเอามาทํำเราก็ไม่ได้อยู่ดีก็แล้ว่าเราที่เราเป็นเหมือนพระนะพระก็ไม่มีเงินแล้วพระก็ทํางอาศัยภาวนาอย่างเดียวเจ้าค่ะยังไม่รู้ผลผลจะเกิดเมื่อไหร่ก็เลยถ้ามม่ต้องรเยไม่รู้ผลผลจะันถ้ามันถ้ามันจนต่อมันก็ต้องรีบภาวนาเยอะๆ เพราเราสายานไม่ได้เราเรื่องนี้ใช่ไหมทานไม่ได้ก็เรลยจะภาวนาอย่างไม่ใช่หรือเราถึงเนื้อทานจะภาวนาเต็มที่ซิเดี๋ยวก็ได้เแต่แต่รู้ว่ามันโอ้ช้ามันมันแอกยังไงอเจ้าเข้ามันใช้เวลามากเลยเจ้าข้าไม่รู้เจ้าค้าเนี่พระพุทธเจ้าบอกไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี พยายามต่อเนื่องเจ้าค่ะพยายามต่ อ, ตอเนื่อ ง, เ, งเจ้าค่ะอย่าไปกังวลกันเรื่องทำบุญทางทานเลยเจ้าค่ะเพียงแต่อย่าทำบาป ก, ก็พอแล้วไม่ทำบาป ก, ก็ไม่ไปอาบายแล้วเจ้าค่ะจนจะไปเกิดเป็นยากจนหน่อก็ไม่เป็นไร <c oughs> ดีค้าหน้ายากจนีะได้บวชงานคนยากจนได้บวยง่ายคนรวยนะ <c oughs> คนรวยเมัดเ น, น, น, นะ่ เจ้าค่ะเจ้าค่ะเมื่อกี้อ่คุณวิภานีเจ้าค่ะที่เป็นอาจารย์ที่ศารคามาเจ้าค่ะเป็นคนที่เอาหนังสือของพระอาจารย์มาให้ลูกอ่านแล้วคือเขาเอามาให้ลูกอ่านแล้วเราเรียนหนังสือด้วยกันที่อยู่ที่อเมริกาเจ้าค่ะเป็นเพื่อนสนิทเขาเอาหนังสือมาให้แล้วลูกวางหนังสือของพระอาจารย์ไม่ลงเป็นเล่มแรกที่ลูกที่ลูกอ่านหนังสืออุ้ยเออ ประมาณสามถึงสี่ปีที่แล้ ว, ว่เจ้าค่ะลูกจาไม่คือตอนที่ลูกจบใหม่ๆลูกจบใหม่ๆแล้วก็ตอนนั้นก็คือกำลังแบบโอ้แบบจะกลับเมืองไทยจะทำงานจะแบบโอ้จะต้องกลับไปเป็นแบบพอสอรอสอคือวางอนาคตไปสันเลิหลูพออ่านหนังสือของพูา้อาจารย์จบเลยทุกอย่างค่ะ ไม่อยากได้นี ไ, ไม่อยากได้เจ้าค่ะไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็แล้วก็ฟังแต่พระอาจารย์อย่างเดียวใจมาทั้งนี้อย่างเดียวอ่ะเจ้าค่ะแล้วพอนั่งแล้วจิตรวมก็เลยเห็นเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยพอจิตรวมแล้วมันไม่มีอะไรก็เลยเข้าใจที่พระอาจารย์สอนแล้วก็มุ่งหน้าศึกษาตามคําสอนของพระอาจารย์ทุกอย่างตั้งแต่นั้นนะเจ้าค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรดีเท่ากับความสงบ เ จ, จ้าค่ะแล้วลูกก็เริ่มที่จะทิ้งงานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็ไม่พยามไม่รับงานอ่ะเจ้าค่ะก็สามมีก็ให้ทำเนี่ยแหละเจ้าค่ะเต็มที่ไม่ต้องกังวลถ้ามาได้ขนาดนี้มาไกลแล้วแะไม่ต้องกลัว มีผล ม, มากเลยอ่ะแต่ลูกว่าลูกเป็นคนที่หนักพอเจ้าควรเจ้าค่ะคือคือยากยากตรงที่ลูกไม่สามารถที่จะแบบเหมือนคนอื่นเขาที่ไปได้ไวเลยเจ้าค่ะลูกก็คืบไปค่ะก็ไม่ เ, เป็นไร ท, <า>ทำไปเถอทําไ ป, ป, ไ, ปไม่ถอยเถอะ ถ, ถึงเวลา ม, มันก็ได้ไ ม, ไม่ถอยเจ้าค่ะล้มแล้วก็พยายามลุกอ่ะลุกช้าหน่อยแต่ก็พยายามลุกเจ้าค่ะดีดีทําไปเถอะไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลไปเราจะอดตายไม่อดอยากแต่ ถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วไม่ไม่มีวันอดนะตอนนี้ถ้าเจดโนมได้บุญจริงได้จากเิดโนมนี่มันดีกว่าบุญทําทําทานร้อยล้านพันล้านใช่ไหมเจ้าค่ะตอนนี้ลูกฝันว่าลูกกินข้าวอิ่มทุกมื้อในฝันเจ้าค่ะลูกก็ยังถือว่าก็ยังยังมีปุ๊งจู๋เยอะค่ะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะอมีใครไไม่บยศ ไปยมคุณแม่เลยมาแล้วล ย, ยังครอบครัวจะปิดแล้วนะเกือบจะสามชั่วโมง้ะอ่ันมิวคุณได้เลยมีอะไรไหมเราลงจะไปอเมริกาป่ะไปเจ้าค่ะไปเลยอาพระจันท์ไปไหมไป<จ>น้องพ่อขาอบน้องตาขาคื้ว่า โยมอยากบูชาถามว่าวันศุกร์นี้หนมตามมีเทศที่กุฏิไหมคะมีบ่ายสองโมงวันมาค้บูชามีทำงานยุคที่วันเลยวันวันศุกร์เสาร์ที่แล้วค่ะพอดีเดี๋ยวโยมวันเสาร์เด็กเด็กเรียนภาษาจีนช่วงเช้าจนถึงเที่ยงถ้างานเดี๋ยวโยมไปวันศุกร์ค่ะได้วันไหนก็ได้มาสามวันที่ได้ สุกเสาอาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ใช่เที่สามวันค่ะอมีท่านี่แหละยังถามแค่นี้ค่ะโอเคยังยังไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมไม่เปลี่ยนใจจะไปอยู่ใช่ไหมเรายังไม่รู้ก็ลุงตาบอกว่าให้ไปยมก็ไปตามตาบอกแล้วทางทางพี่ๆที่เขาอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปตอนนี้อย่าไหวไง่ะเขาจะเอาลูกเขาไปด้วยค่ะ พอดีพี่สาวเขามีลูกพ่สาวเามีลูกเขาจะไปปีนี้เลยนะค่ะเขาจะไปช่วงปิดเทอมเพราะว่าปวดเทอมช่วงกันยาแล้วเขาก็เลยบอกว่าพอดีลูกของโยมก็รุ่นเดียวกับเขาเขาก็เลยบอกว่าน่าจะไปเลยเพราะว่าถ้าเราไปช้าหนึ่งปีเด็กมันเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มเพื่อนเข้ากันมันจะแบบอ่าเป็นเลเวลของเขาอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็ทําตามที่พี่สาวเขาบอกก็แล้วกันแต่ถ้าส่วนตัวถามโยมใจโยมนะโ ย, ยมอยากไปปีหน้ามากกว่า <ừ> mm เพราะว่าโยมฟังที่วันนั้นที่ใช่ไหมค ะ, ะพี่สุัตากับพี่ริรค่ะที่ใช่ค่ะที่แนะนำบอกว่าช่วงนี้โลกก็ยังเยอะ เ, เด็กไปก็เรียนออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะโ <ừ> mm ยมเกิดตัวของโยมมายมรังเลว่าอยากจะไปปีหน้าแต่ว่าพ่อบ้านบอกว่าถ้าพระอาจารย์แนะนำว่าไปก็ไปเลยเงี้ย ก็เราเรูยนก็ได้ไปเดินออนไลน์ก็ออนไลน์ไม่เป็นไรเรียนไปค่ะก็งั้นเดี๋ยววันศุกร์ ย, ยมไปกราบนะคะโอเคสาธุนะขอบคุณค่ะผมยัน ค, คุณกอบฟค่ะคุณกอลฟคุณกอลฟยังไงถามอีกเอเชิญอ่ารูปมารายงานว่าอา่ามาที่หายไปครับคือเลิกกับแฟครับผม แล้วกับแฟนแล้วทีนี้ก็แบบคือเขาก็แบบเหมือนทําอะไรหลายๆอย่างให้เราเจ็บทําน้ําใจอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก, ก็ก็เลยอาศัยธรรมะออามาจัดว่ายอมหยุดเย็นคือปกติธรรมดาคือจะโกรธมากแล้วก็แบบมีคนเอาเรื่องของเขามาฟ้องผมฟ้องผมอะไรเงี้ยครับมันดังไปทั่วทั่วจังหวัดเลยครับแล้วทีเนี้ยผมก็แบบ <c oughs> ผมก็ยอมได้แล้วก็หยุดได้แล้วก็สามประมาณสามอาทิตย์คือแบบเงียบไม่มีอะไรในหัวใจเลย นั่นแหละใช้ปัญญามีอะไรเปมันต้องทุกข์ใช่ไหมคือผมคิดว่าแบบว่าถ้าเรามีอ่าเมตตาบารมีสูงอ่ะก็คือได้บําเพ็ญเมตตาบารมีแล้วก็อภัยทานแล้วก็คือแบบทําแบบมันไม่มาครั้งเดียวมันแบบสามี่ห้าครั้งอะไรเงี้ยมีมีมีคนเยอะที่แบบผู้ใหญ่เยอะเขารู้อะไรเงี้ยผมก็แบบเมตตาบารมีแบบว่าลองดูซิ่มันเป็นยังไงก็แบบก็ผ่านมาได้ครับผมเออก็ดีอย่าไปมีเวรมีกรรมกับใครนะให้อภัไปเอาสิทธิ์กรรมไป โอเคนะเอาละมากวันนี้คิดว่าเกือบ ส, สามช<า>ั่ว<า>โมงนะอาจารย์ครับข อ, ขอโทษครับมีมีอีกเก้าคำถามจากทางเฟ e บุ๊กนะครับเอาเลยครับเชิญคำถามแรกจากคุณแซมค่ะการดื่มสุราเป็นบาปไหมครับบาปผิดศีลข้อห้าผิดห้าคำถามต่อไปจากคุณพลชยานนภาวนาพุทโทธถีถถ่ีถูกต้องไหมครับ ก็ภาวนาให้มันสงบอทีก็ได้ไม่ทีก็ได้ขอให้มันสงบไปแล้วกันนะครัขอให้มันหยุดคิดให้ได้คำถามจากคุณธ น, นิชอะไรทําให้เราเป็นสุขอะไรทําให้เราเป็นทุกข์ครับสุขทุกข์ไม่เคยมีมันมีเพราะเราเป็นผู้สร้างใช่ไหมครับสาทุกครับเวลาอยากก็ทุกข์เวลาไม่อยากก็สุขอย่าพยายามอย่าไปอยากหยุดความอยา ก, กต่างหยุดความโลภโกรธนองแล้วก็จะสุข เวลาเกิดความโล้โกรธนงขึ้นมาก็จะทุกข์คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณสุภาอยากทราบจิตของคนที่มีปัญหาทางระบบประสาทเช่นจิตเวทอัลไซเมอร์เขาจะมีลักษณะจิตแบบไหนคะก็ทุกข์ไงจิตทุกข์หาทางออกไม่ได้เพราะไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะก็ทำใจสงบก็หายทุกข์ได้คถามต่อไปจากคุณแซม คนที่มีศีลศีนแปลว่าอะไรครับสีนคือข้อการไม่กระทําบาปนั่นกว่าสีนะเช่นไม่ฆ่าสัตว์นี่ก็พอไม่ฆ่าสัตว์ก็มีศีลข้อที่หนึ่งพอไม่ลักทรัพย์ก็มีศีลข้อที่สองพอไม่ประพฤติผิดตัวเองนี่ก็มีสีลข้อที่สามพอไม่พูดปดก็มีศีนข้อที่สี่พอไม่ดื่มสลายามาก็มีศีนข้อที่ห้าสีนคือการไม่กระทําบาปไม่การทําสิ่งที่เป็นโทษกับตนเองและผู้อื่น คำถามต่อไปจากคุณสมพรเคยไปวัดปฏิบัติดูลมหายใจแล้ววันหนึ่งไปวัดที่ปฏิบัติพุโทโธแต่ตัวเรายังคิดยังติดอยู่กับดูลมหายใจยังจะใช้ดูลมหายใจได้ไหมเจ้าคะ่ะได้เขาไม่รู้หอรอกว่าใช่วิธีไหนเวลาเราทำํำเราก็ทําวิธีที่เราถนัดก็แล้วกันเหมือนกันวิธีไหนก็ได้คําถามต่อไปจากคุณนาวาโทอนุพงศ์การปฏิบัติ หากจะให้ก้าวหน้าต้องทั้งทําทานรักษาศีลจะอาราดนาก่อนปฏิบัติแล ะ, จะเจริญภาวนาด้วยหรือเปล่าครับคือมันเป็นขั้นเนี่ยทําทานไปให้เต็มที่แล้วก็รักษาศีลให้เต็มที่แล้วก็ไปไปภาวนาไปบวชได้เต็มที่ทําทานมีเท่าไหร่ก็ทําให้มันบวชคนบวชก็ไม่เอาเงินน้องติดตัวไปคํททาถามสุดท้ายจากคุณสคออสคอ ถ้าจะอุปสมบทหนึ่งพรรษาพอออกพรรษาแล้วจะลาสิกขาบทจะสอบถามว่ากระผมจะต้องล้างพอร์ตหุ้นทั้งหมดไหมครับช่วงนี้กระผมทยอยขายหุ้นเกือบหมดพอร์ตยังเหลือหุ้นอสังหาอีกตัวเดียวจะได้ไหมครับหรือต้องขายทั้งหมดพอร์ตก่อนถึงจะค่อยอุปสมบทครับอันนี้อยู่ที่วัดที่เราไปบวชว่าเขามีก็มีกฎ ร, ระเบียบอย่างไรก็ตาม แต่สมัยนี้เขาไม่ค่อยมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเรื่องทรัพย์สินของเราแล้วเพราะว่ามันบวชชั่วคราวก็เลยเขาก็เลยไอยู่ที่เรามากกว่านะว่าเราเวลาเราไปบวชแล้วทรัพย์สินเรานี่มั น, มนเป็นภาระกับเรามีปัญหากับเราหรือเปล่าทําให้เรากรังวลหรือเปล่าถ้ามันไม่มีเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันได้ก็ไม่ต้องจะเ ก, ก็บไว้เฉยๆก็ได้เพราะเป็นการบวชชั่วคราว ถ้าบ่นจริงๆถ้าบ่นจริงๆก็มีทรัพย์สมมาแล้วก็ยกให้คนอื่นไปบมนเลยไอยจากไปจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระกับจิตใจต่อไปหมดแล้วใช่ไม้มหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วก็เคิดว่าพอสำควรกับเวลาแล้วนะสำหรับวันนี้เกิดเกือบจะห้าทุ่มนะสองชั่วโมงกับห้าสิบสองนาทีก็ขอให้ท่านจะนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณานะไปปฏิบัติเพื่อความสุข ความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ